ครับทุกคนนะครับวันนี้อาจจะฉุกกะหุกนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามีเนื้อหามาทดแทนอ่านะก็เดี๋ยว แ, นะแนะนำตัวเองก่อนผมก็ชื่อเผ่าเทพพิชญุสการ น, นะครับปัจจุบันก็ทำงานอยู่ที่เป็นคอนซซลอยู่ที่บริษัทแห่งหนึง่งนะครับแต่แบก็กกราวผมเนี่ยผมจบปริญญาเอกด้าน Material s c i e n c e นะครับอืมนะครับก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับด้านชีวะโดยตรงนะครับ จริงๆเนี่ยตอนอยู่สมัยอยู่อยู่ไฮสคูลเนี่ยเคยคิดอยากไปเรียนชีวะคือชอบชอบเรื่องชีวะนะครับแต่ไม่ได้ชอบทํารีเสิร์ชด้านชีวะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยชอบมากในการอ่านเรื่องเกี่ยวกับไบโอโลยีชอบมากเกี่ยวกับเซลล์เกี่ยวกับจริงๆอันนี้เนี่ยเป็นเป็นอะไรเป็นศาสตร์ที่ใหม่สําหรับผมเหมือนกันพอมาอ่านเกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยเออไม่น่าเชื่อเลยมันมีขนาดนี้นะครับแต่ว่าโดยโดยแบ็กกราวน์ที่ผมเรียนมาเนี่ยจริงๆก็ทำทำให้เข้าใจเรื่องของเรื่องของเคมีได้เยอะ อืมนะครับจริงๆก็ชอบมากก็เลยวันนี้เนี่ยอยากจะมาแชร์เรื่องราวพวกนี้ให้กับเพื่อนๆกันนะครับโอเคเดี๋ยวก็ขอเสียงปรบมือให้กับพี่นุ้ยนะครับเมื่อกี้พี่นุ้ยช่วยเตรียมสไลด์ให้กับผมด้วยแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับน้องแท็กแล้วก็พี่ลินนะครับนะครับที่ที่เมื่อกี้ขอบคุณน้องแตกก็กพี่ลินเป็นเป็นพิเศษเพราะจะช่วยผมในการในการทําสไลด์นี้เยอะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับโอเคก็ okay, วันนี้เป็นวันวันที่4แล้วเนาะวันสุดท้ายแล้วของที่เรามาเรียนเรื่อง Eat Right and Be Healthy นะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับโรคอ้วนนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและภาพลักษณ์นะครับก็คือเป็นผู้เกี่ยวกับก็ร่างกายเรานี่แหละแต่ในเชิงของความสวยความงามเนาะแล้วก็โชคต่อท้ายเนี่ยผมจะมีข้อมูลมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องว่าทําไมสินค้าปุ๊บทำไมอาหารเสริฟเนี่ยเราควรจะใช้แบรนด์ uh, New, New To Life ของเรานะครับเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับ กระบวนการการผลิตวิตามินนะครับเป็นเรื่องที่ก็น่ า, นาตกใจพอสมควร น, นะครับโอเคก็ลรอ้วนนะครับก่อนอื่นเลยมาทําความรู้จักกับไขมันกันก่อนดีกว่านะอ่ะนี่คือไขมันที่เรารู้จักกันในชีวิตประจําวันนีน้ํามันพืชนี่เนยนี่อันนี้อะไรเอ่ยอ่ะอันนีอ้อร่อยที่สุดละนะซึ่งในเบคอนเอน้นแน่นอนก็มีก็มีเนื้อนะครับตัวไขมันเนี่ยก็เป็นเป็นเป็นไขมันจากสัตว์ใช่ไหมครับ แต่พวกนี้เป็นน้ํามันเป็นก้อนเนยอย่างเงี้ยมันก็มีความแตกต่างกันเนาะหน้าตามันก็ไม่เหมือนกันละอ่าแต่ไอไอไขมันที่เราบอกเนี่ยคืออะไรนะครับอ่ามาดูกันก่อนเลยไขมันนะครับก็คือกราดีสลด์นะครับอันนี้เป็นชื่อทางเคมีของมันเลยถ้าพูดกันถึงคําว่าไขมันเนี่ยมันมีแต่คําว่ากราดีสลายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหรือว่าไม่ว่าจะเป็นไขมันที่แข็งตัวเนี่ยก็เป็นตราดีสลด์ทั้งหมดกราดีสลดยนะครับจะมีองค์ประกอบจะมีเรียกว่า backbone ของมันนะครับมันจะเป็นตัว e ตัวนี้แนวตั้งนี้เรียกว่า crystal นะครับบางทีอ่านเกี่ยวกับพวกไขมันนี่จะได้ยินคาว่า c r s t a l นะครับนี่คือ c ส่วนไอ้ตัวไอ้ e 3มตัวนี้อันนี้คือเรียกว่ากรดไขมันป a t t a c นะครับกรดไขมันนี่จะเป็นตัวกาหนดชนิดของไขมันไขมันที่รู้กันจะมีแบบอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวใช่ไหมครับน้ำมันพน้ามันสัตว์เป็นต้นนะครับอย่างเช่นไขมันไม่อิ่มตัวนี่ใน กลุ่มนั้นก็คือ trans fat นะครับคราวที่แล้วเรียนรู้กันไปแล้ว trans fat เนี่ยมีมีส่วนในการเพิ่มความเสี่ยงเกี่ยวโลคโรคหัวใจนะครับนี่โอเมก้าสามโอเมก้าหก็เป็นไขมันไม่อิ่มตัวนะครับก็คือความแตกต่างของขอ ง, ของมันเนี่ยก็คือไอไอสาตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยร่างกายเรามีตร i g l y c e r i d e ไว้เนี่ยหน้าที่หลักๆของของมันก็คือเอาไว้ให้ร่างกายเผาผลาญเป็นพลังงานนะครับตับเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงน้ําตาลแล้วก็โปรตีนเนี่เป็นไขมันได้นะครับ โอเคนะครับส่วนอันนี้คําถามนิดนึงและคอเลสเตอรอลคืออะไรเพราะเรามักจะได้ยินคอเลสเตอรอลกับไขมันพร้อมๆกันใช่ไหมครับคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกับไขมันนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับไตรไตรกิสลายนะครับก็เป็นสายเคมีแบบหนึ่งที่ไม่ไม่ละลายน้ํานะครับก็อยู่ในตระกูลเรียกว่าลิปิดนะครับแต่คอเลสเตอรอลเนี่ยต่างกับไขมันตรงมันเป็นส่วนประกอบสําคัญของของเซลล์นะครับ ถามว่าเคยเห็นไสเคยเห็นคอเลสเตอรอลไหมก็เนี่ยอยู่ในเซลล์ของทุกท่านนะครับเป็นส่วนประกอบสําคัญ น, นะครับคอเลสเตอรอลเนี่ยตับเราสามารถสร้างขึ้นมาได้ถึงระดับหนึ่งนะครับก็เป็นส่วนประกอบสําคัญของเซลล์ไม่ไม่แปลกใจเลยท ำ, ทำไมเนื้อสัตว์ถึงมีมีคอเลสเตอรอลสูงเพราะมันเป็นส่วนประกอบของเซลล์นะและร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลตลอดเวลานะครับไม่ใช่แค่ว่าเราทานอย่างเดียวอัอนนี้เรื่องของ LDL, VLDL เคยได้ยินไปบ้างแล้วใช่ไหมครับ VLDL เนี่ย เป็นเรียกว่าเป็นผ่านะแล้วกันนิโปโปรตีนเนี่ยมีมีหน้าที่ในการขนส่งไขมันเข้าไปในเส้นเลือดซึ่งเป็นน้ํานะครับมันจะมีหลายๆายชนิดชนิดแรกเนี่ยเรียกวไคโลไมครนตัวนี้ทําหน้าที่ขนส่งไขมันจากลําไส้สู่ตับอันนี้เปรียบได้เป็นรถรถบรรทุกพันใหญ่มันจะขนน้ามันได้เยอะเลยนะแต่พอมันเข้าในตับแล้วเนี่ยตับจะมีหน้าที่ในการแจกจ่ายไขมันไปทั่วร่างกายเรานะครับออกจากตับเนี่ยจะเป็นรถตู้ VLDL นะครับมันก็จะไปตามที่ต่างๆ ไปถึงโกรดังเก็บก็คือเซลลไขมันมันก็จะเอาไขมันไปเก็บไปถึงเซล์สมมุติเป็นกล้ามเนื้อก็ออยากได้พลังงานใช่ไหมเอาเอาไขมันไปนะครับเจอเซล์อะไรก็ตามที่มันต้องการคอเลสเตอรอลมันก็จแจกคอเลสเตอรอลให้ด้วยเพราะในรถตู้นี้มีทั้งไขมันไปคิดสลด์แล้วก็มีคอเลสเตอรอลนะครับแต่ออกจากเซลเนี่ยเซลลเราไขมันที่ใช้แล้วมันก็ต้องถับออกไปเหมือนกันนะครับมันก็จะสมมติไซ์เนี่ยบินกับกันเนาะนะครับมอเตอร์ไซคันแรกนี่เรียกว่า hd l ที่เราได้ยินกันนะครับ อันนี้อันนี้ก็จะส่งกลับเข้าไปในตับอันนี้เป็นรูปหน้าตาของตัวลิโปโปรตีนนะครับมันก็จะมีเปลือกข้างนอกเป็นลิโปโปรตีนแล้วข้างในก็จะมีมีไขมันมีคอเลสเตอรอลนะครับอันนี้เป็นชาร์ตเทียบลำดับเทียบขนาดกันนะครับจะเห็นว่าเนี่ยครับตัวไคลโลไมค์อนได้ใหญ่มากอันนี้ VLDL พอมันเข้าไปในร่างกายมันก็จะเล็กลงเลยจเป็น LDL ส่วนนี้ HDL ก็เล็กสุดนะครับ อันนี้จริงๆไม่เกี่ยวกับเรื่องความอ้วนมากแต่อยากแค่พูดทิ้งทายไว้พอพัดิยเราคุยกันเรื่องลรคเสื่อมนะครับก็ให้ให้เห็นภาพนิดนึงโอเคอ่าต่อเลยเดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวขอน้ําปลาให้ผมด้วยได้ไหมนะครับโอเคนะครับต่อไปก็เรื่องของโลคโรคอ้ว น, นแล้วนะครับอันนี้ก็ยังคุยเรื่องโรคอ้วนเมื่อกี้รู้จักไขมันกันแล้วใช่ไหมครับอ่าคําถามขอขอโทษครับ <laughs> เผิงไฟรแรง <laughs> โอเครู้จักเรื่องไขมันกันแล้วนะครับต่อไปก็มารู้กันว่า ร่างกายเราสะสมไขมันยังไงนะครับอ่าไขมันสะสมที่ไหนในพุงใช่ไหมครับใต้ผิวหนังลงไปเนี้ยก็คือเป็นเนื้อเยื่อเป็นไขมันเป็นเซลล์ไขมันติดติดกันอย่างนี้นะครับไขมันเนี้ยก็จะ ก, ก็จะสมวนมาก็จะอยู่กันตามแล้วแต่คนนะครับตามพุงตามสโพกนะครับแล้วก็อยู่ตามอวัยวะภายในนะครับอ่าเดี๋ยวจริงๆช่วงแรกเนี้ยผมจะคุยเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เยอะจริงๆอยากอันนี้ไม่ไม่ต้องรู้ลึกมากก็ได้นะครับ อันนี้อยากให้เห็นภาพนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเซลล อ, อันนี้คือตัวหน้าตาของเซล์เก็บไขมันแล้วนะครับไขมันในร่างกายเราทั้งหมดเนี้ยอยู่ในไอตัวเนี้ยมันสามารถใหญ่ได้ถึงจ mm. ุดสองมิลเมตรแทบจะมองเห็นด้วยตานะผมว่า <c oughs> นะครับคนทั่วไปนี่มีประมาณสามสิบล้านล้านอ่าสสา ม, สามอันนี้ต้องสามหมื่นสามหมื่นล้านเซล์ไขมันนะครับแต่ละตัวนี้อยู่ได้สักประมาณสิบปี เซลล์ไขมันนี้ไม่สามารถแยกตัวได้ดังนั้นคนเราจะไม่เป็นมะเร็งจากเซลล์ไขมันมแต่เวลาเราต้องแต่เวลาเรามีไขมันเยอะเนี่ยเซลล์ไขมันมันจะเกิดมันตัวใหม่มันจะเกิดขึ้นมาได้นะดันั้นคนที่อ้วนมากๆแบบเขาเรียกว่าอ้วนเลยเนี่ยเวลาลดจะยากตรงที่เขาจะมีเซลล์ไขมันเยอะกว่าคนทั่วไปนะครับคนเราเนี่ยมีไขมันอยู่ถึงหนึ่งแสนแคลอรี่อ่านะครับก็คือจริงๆก็คือถ้าเราไม่ขาดน้ํา หรือาสารอาหารอื่นๆเนี่ยแค่ไขมันเราก็อยู่อยู่ได้นานมากนะครับมี้มีพลังงานเก็บไว้เยอะมากอ่าตรงนี้ถึงตอนสนุกละถ้าผมไปเรายัางติยังบอกบอกผมได้นะอ่าสมมติโฮเมอร์นะครับมีโฮเมอร์สิงสารเขาทานอาหารเข้าไปนะครับอาหารก็จะย่อยในลำไส้นะครับในระหว่างนั้นเนี่ยอันนี้อันนี้คือหลอดเลือดของเราในหลอดเลือดคนเราก็จะมีสารอาหารเยอะแยะไปหมดนะครับ สอย่างที่มีหลักๆที่ผมพูดตอนนี้คือมีอะมิโนแอซิดคือโปรตีนนะครับมีไขมันเป็นไตรกลีเซอไรด์ซึ่งจริงๆอยู่ในรูปของ L D L v L D L หรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็มีน้ําตาลฟรูคอสตนะครับที่ล่องลอยอยู่พอเราทานอาหารเข้าไปเนี่ยสารอาหารพวกนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเพราะเราเพิ่งย่อยอาหารพวกนี้เข้าไปนะครับแต่พอฟรูคอสต์มันสูงขึ้นเนี้ยตับอ่อนก็จะส่งอินซูลินออกมาอินซูลินเปลี่ยนสัญญาณบอกให้ตับกับเซลล์ไขมันเนี้ย เอากรูโคสกับเอาไขมันไปเก็บนะครั บ, บก็คือที่เห็นเมื่อกี้ครับก็คือกูโคสออกมาอินซูลินออกมาปุ๊บกระบวนการเก็บไขมันก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับอ่าต่อไปสมมติเราทานเสร็จแล้วโฮเมอร์หลับแล้วก็อาจจะย่อยอยู่สักพัดหนึ่งจนย่อยอาหารหมดแล้วใช่ไหมครับระหว่างที่เราย่อยอาหารเสร็จแล้วเนี่ยถ้ากรูโคสยังสูงอยู่อินซูลินก็ยังออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับ แต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอคูลโพสต์มันต่ําพอแล้วเนี่ยตับอ่อนก็จะบอโอเคพอละเก็บพอละที่เหลือเนี่ยปล่อยทิ้งไว้ในเส้นเลือดนะครับอินซูลินก็จะหยุดพออินซูลินหยุดเนี่ยเซลล์ไขมันก็จะหยุดบริโภคไขมันเหมือนกันนะครับก็คือจะหยุดอยู่แค่นี้แล้วก็เราก็จะมีสารอาหารเหลือคงเหลืออยู่ในเส้นเลือดนะครับไขมันเนี่ยเก็บได้ในเซลล์ไขมันน้ําตาลเก็บได้ในตับนะครับส่วนโปรตีนเนี่ยจะสามารถตับสามารถ แป้งเปลี่ยนเป็นไขมันได้นะครับแต่ตัวโปรตีนจริงจะไม่มีคลังในการเก็บเก็บโปรตีนนะครับมันก็จะร่างกายเราก็จะเปลี่ยนเป็นรูปไขมันนะครับแล้วก็เก็บไว้ในเซลล์ไขมันโอเคส่วนเซลล์ไขมันเนี่ยก็รับส่วนมากก็ร้บแต่เพศนะครับผู้ชายนี่ส่วนมากมักจะมีเซลล์ไขมันอยู่ตามพุงนะครับก็คือพอเราอ้วนเนี่ยเราก็จะพุงยื่ดก็จะมีหุ่นที่เรียกว่าเป็นแอปเปิลนะครับส่วนผู้หญิงเนี่ยเซลล์ไขมันจะอยู่ตามตามสะโพกนะครับ ก็คือพอถานไปเรื่อยๆนี่ก็สะโพกก็จะใหญ่นะครับก็เรียกว่าเป็นรูปแพนะครับการการวัดว่าเราอ้วนแค่ไหนเนี่ยส่วนมากเขาจะใช้ดัชนีที่เรียกว่า body mass index นะครับซึ่งก็คือเอาน้ำหนักไปหารกับส่วนสูงกำลังสองนะครับอันนี้เป็นแบบคร่าวๆนะครับแต่ว่าถ้าสมมติดัชนีเราเนี่ยต่ำกว่าสัก20ก็จะถือว่าผอมเกินเกณฑ์นะครับคนปกติจะอยู่ระหว่าง 20-25 นะครับ ผมเคยคำนวณของผมสุกตอนนี้ประมาณยี่สามตัวกว่าอ่าก็ถือว่าโอเคเนาะดูหุ่นก็ดู้ละ <c oughs> คะแนนอยู่คะแนาอยู่นะครับถ้ายี่ห้าถึงยี่เาเนี่ยก็จะถือว่าเริ่มอ้วนนะครับส่วนสามสิบขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นโรคอ้วนคือเป็นโอบิซิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นหุ่นโดยโดยโดยคร่าวๆนะครับแต่ก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องของการชั่งน้ําหนักกับความสูงนะครับไม่ได้ไม่ได้แบ่งแยกเรื่องกล้ามเนื้อไขมัน นะครับดัง น, นั้นมันมันก็ไม่ได้แม่นเสมอไปว่าถ้าคุณมีตัดชนีเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณจะอ้วนหรือผอมนะครับแต่ก็เป็นการประเมินคร่าวๆอ่าเมื่อกี้ดูเรื่องการสะสมไขมันมีคําถามอะไรไหมครับตอนนี้จริงๆตรงนี้เนี่ยจําแค่อย่างเดียวครับไขมันจะเก็บได้ต้องมีอินซูลินนะครับไม่มีอินซูลินไขมันจะไม่เข้าไปในเข้าไปในเซลล์ไขมันนะครับก็จะอยู่ในเลือดเราแล้วร่างกายเราก็จะเอาตัวนี้ไปใช้นะครับนั่นคือคกลไกหลักๆ อ่ามาดูการเราผาผลาญไขมันบ้างในเวลาที่เราออกกําลังกายครับกล้ามเนื้อเราก็จะมีการผลแล้วก็ยืดอย่างนี้ครับซึ่งมันต้องใช้พลังงานมันสามารถดึงพลังงานมาได้โดยการดึงไขมันกับน้ําตาลไปเาผาผลาญนะครับหรือจะดึงโปรตีนไปก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากเนี้ยมันจะไม่ได้ดึงโปรตีนหรอกเพราะเราจะมีไขมันกับน้ําตาลเหลือเฟือนะครับถ้าน้ําตาลเราลดลงเนี่ยตับเราก็จะปล่อยน้ําตาลออกมา นะครับในขณะเดียวกันตับอ่อนก็จะปล่อยอะดรีนาลินก็เป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งอะดรีนาลินเนี่ยจะบอกเซลล์ไขมันว่าโอเคต้องการไขมันแล้วนะให้ไขมันเนี้ยขายออกมาเซลล์ไขมันก็จะขายออกมานะครับก็กลับขึ้นไปอย่างนี้ น, นอกจากอะดรีนาลินแล้วเนี่ยมีฮอร์โมนชนิดอื่นๆ อ, อ, อีกที่ปล่อยไขยมันได้นะครับมีโกรทฮอร์โมนตอนเราเป็นเด็กเนี่ยร่างกายเราเติบโตต้องใช้พลังงานเยอะมากนะครับโกรทฮอร์โมนก็จะเป็นตัวควบคุมนะครับ ไทรอยครับต่อมไทรอยเนี่ยช่วยในการาควบคุมอุณหภูมิของร่างกายนะครับก็จะปล่อยฮอร์โมนออกมาเพื่อให้เอาไขามันเนี่ยเอาไปเผาผลาญสร้างเป็นความร้อนได้เหมือนกันนะครับต่อมาก็มีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งชื่อ ACTH ตัวนี้จะเกี่ยวกับหลายๆเรื่องเลยครับแต่ปัจจัยหนึ่งก็คือการที่คนอดนอนเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับตัวตัวฮอร์โมนตัวนี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยที่เวลาที่เราเคยได้ยินกันนะครับเรื่องของหิงเหยลดูสไลด์นี้เลยแล้วกัน ปัจจัยที่ทําให้เราอ้วนแน่นอนมีเรื่องของอาหารใช่ไหมครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องของเพศมีเรื่องของกรรมพันธุ์มีเรื่องของความเครียดมีเรื่องของการออกกําลังกายถ้าพูดในเชิงเซลล์เหรครับพวก น, นั้นก็คือทั้งหมดก็คือฮอร์โมนนะครับเราเครียดเนี่ยฮอร์โมนเราก็ออกมาผิดปกตินะครับเวลาเราออกกําลังกายร่างกายเราก็สั่งให้ฮอร์โมนออกมานะครับกรรมพันธุ์เราเพศเราเนี่ยก็อาจจะมีปฏิกิริยาก็อาจจะเป็นตัวกําหนดว่าฮอร์โมนแต่ละชิ้นของเราเนี่ยจะออกม า, มามากน้อยแค่ไหนกรรมพันธุ์บางคนอาจจะ ผลิตอินซูลินน้อยหน่อยเวลาเจอน้ําตาลก็อาจจะไม่ไม่สะสมไขมันเยอะเป็นต้นอย่างนี้นะครับและแน่นอนอายุเราใช่ไหมครับตอนเราเด็กๆเนี่ยเราก็ปล่อยกรดความอมออกมาเยอะดังนั้นเราก็เผาผลาญไขมันได้ง่ายนะครับถึงก็ยัมีเรื่องอื่นอย่างอย่างเช่นเรื่องของคอคิวเนะครับเรื่องของอการเผาผลาญพลังงานนะครับแต่โดยรวมๆเนี่ยวิธีการลดไขมันสะสมเนี่ยก็จะอยู่ในชาต น, นี้ทั้งหมดนะครับที่ระดับมนุษย์ก็คือระดับตัวเราเนี่ย ก็มีเรื่องของไดเอทเรื่องของการเปลี่ยนนิสัยการทานนะครับมีเรื่องของการใช้ยาลดความหิวอันนี้เดี๋ยวจะพูดเพิ่มอีกนิดนึงในระดับอวัยวะเนี่ยมีเรื่องของการต้องการการดูดซับไขมันหรือน้ําตาในระดับลําไส้นะครับซึ่งก็ทําได้ผ่านอาหารเสริมยาหรือว่ากาแฟบางชนิดนะครับแล้วก็มีเรื่องของการควบคุมอินซูลินนะครับเพราะอินซูลินเป็นกุญแจสำคัญในการเก็บไขมันนะครับและที่อีก อีกฝั่งหนึ่งก็คือการควบคุมการปลดปล่อยไขยมันนะครับซึ่งก็มีเรื่องของฮอร์โมนมีเรื่องของการออกกําลังกายอันนี้เป็นสิ่งที่เราทําเองได้ใช่ไหมครับและแน่นอนที่เหลือก็มีเรื่องของการผ่าตัดผ่าตัดล้วงไขมันออกไปเลยนะครับเรื่องของการใช้สปาลดน้าหนักนะครับสองอันนี้เดี๋ยวผมคงคงจะไม่ไม่พูดมากในวันนี้นะครับที่อยากให้ดูก่อนเลยคือเรื่องของยาอันนี้เป็นยาลดไขมันที่ป๊อปปูล่าตนหนึ่งชื่อออลิสตัดนะครับอันนี้ทำทำหน้าที่ในการบล็อกไขมันนะครับ แต่ก็ทําให้เราดูทซับวิตามินน้อยลงอย่างเช่นวิตามิน A D E นะครับตัวนี้ก็จะทําให้เรามีน้ํามันในอุจจาระเยอะอาจจะทําให้ถ่ายยากหรือเหม็นนะครับก็ไม่ไม่ค่อยใช่แต่ตัวตัวที่อันตรายที่สุดก็คือตั ว, ตวนี้นะครับตัวนี้ชื่อเพนเพนมีนเป็นยาลดความหิวมันลดความหิวโดวยการไปกดประสาทเรานะครับยาที่อะไรก็ตามที่กดประสาทเราเนี่ยก็เป็นอันตรายมันทําให้แน่นอนว่ามันส่งผลโดยตรงกับประสาทเราแล้วก็อาจทําให้เรามีนิาสัยที่เปลี่ยนไปได้ด้วยนะครับ ที่เวลาได้ยินว่าคนเสียชีวิตจากยาลดความอ้วนเนี้ส่วนมากจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ต้องหมอจ่ายนะครับห้ามทานเกินสามถึงหกเดือนอ่ะเรื่องของฮอร์โมนบ้างบางคนเนี่ยครับจะมีฮอร์โมนไทรอยน้อยเขามีเขามีปัญหาในการผลิตเอ่อไทรอยะครับก็จะมียาช่วยเขาเป็นไทรอยฮอร์โมนนะครับอันนี้เนี่ยมีคนคิดว่าเฮ้ยไทรอยเหรอดีสิเอามาให้ฉันกินด้วยฉันจะเอาตัวเนี้มาลดความอ้วนนะครับ การที่เรามีฮอร์โมนไทรอยเนี่มันจะทำให้เราหายใจเร็วขึ้นหัวใจเต้นแรงขึ้นแล้วการที่เราหายใจเยอะๆนี่ยจริงมันช่วยเผาผ่านไขมันนะอยากเผาผ่านไขมันเนี้ ย, ย, า ห, ห, นนยหายใจเยอะอันนี้ช่วยได้แต่ว่าคงจะหมดแรงก่อนนะครับแต่นี้ก็คือมันจะเพิ่มความตึงเครียดให้เราอาจจะทําให้เรานอนนอนอนไม่หลับอันนี้จริงแนะนําให้ใช้กัก่อนในนี้คุณขาดไทรอยถ้าคุณไทรอยปกติอยู่แล้วเนี้ยก็ไม่แนะนําให้ใช้แล้วอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรด้วยนะครับอันนี้ป๊อปปูล่ามาก สำหรับดาราฮอลลีวูดอันนี้ลัมโบนะครับเคยเคยไปโดนจับที่ออสเตรเลียเพราะเขามีฮิวแมนโกลฮอร์โมนอยู่ในเต็มกระเป๋าเลยซึ่งมันผิดกฎหมายที่ออสเตรเลียอันนี้ค่าใช้ค่าใช้จ่ายสูงครับหนึ่งพันอาจจะถึงหนึ่งพันเหรียญต่อเดือนอันนี้ไม่สามารถทานได้ถ้าคุณอยากใช้ฮอร์โมนฮิวแมนโกลฮอร์โมนเนี่ยแล้วมีคนมาขายคุณเป็นเม็ดเเนี่ยโดนหลอกเพราะฮิวแมนโกลฮอร์โมนจะโดนกระเพาะเราย่อยทางเดียวที่ใช้ได้ต้องฉีดเนี่ยครับฉีดเข้าผงอย่างเงี้ยครับ อันนี้ปฏิสิทธภาพก็ไม่แน่นอนครับแม่แน่นอนพอเราโตเนี่ยเราไม่มีโกลฮอร์มนก็เพราะเราไม่มีความจำเป็นที่เราต้องโตละการไปใช้ฮอร์โมนเนี้ยอาจจะส่งผลที่ไม่ดีให้กับเราได้อย่างเช่นทำให้ปวดข้อปวดกล้ามเนื้อแขนขาบวมจริงๆก็คล้ายๆกับการฉีดสเตรอยครับก็จะมีผลเสียอ่มาพูดเรื่องไดเอทกันเลยดีกว่าไดเอทโยรมเนี่ยจะมี2แบบโลว์คาร์บก็คือทานคาร์โบไฮเดรตน้อยๆนะครับกับทานแคลอรี่น้อยๆ ในกรณีของการทานคาร์โบไฮเดรตน้อยๆนี่ก็คืองดแป้งงดน้ําตาลนะครับพอเรางดแป้งงดน้ําตาลเนี่ยเราก็จะไม่มีกรูโคสเข้าไปในเส้นเลือดเยอะร่างกายเราก็จะไม่ผลิตอินซูลินออกมาพอเราไม่ผลิตอินซูลินเนี่ยเซลล์ไขมันก็ไม่เปิดรับไขมันนะครับสมมติเขาจะบอกว่าถ้าคุณทําแค่เนี้ยไม่กินคาร์โบไฮเดรตเนี่ยคุณจะกินเนื้อกินไขมันเท่าไหร่ก็ได้อ่าอันนี้เป็นเป็ น, นเสน่ห์ของการลดความอ้วนแบบนี้คือเขาบอกว่า กินอะไรก็ได้ขออย่างเดียวอย่ากินแป้งซึ่งจริงๆยากเนาะเราชอบแป้งนะครับแต่ผลเสียของมันก็มีก็มีอยู่เหมือนกันล้างสมองเร า, าครับต้องใช้น้ําตาลเท่านั้นหรือไม่ก็ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าคีโทนคีโทนเนี้ยแปลได้จากกรดไขมันแล้วก็โปรตีนนะครับซึ่งจะเกิดการแปลงมันที่ตับของเรานะครับก็เข้าไปอยู่ในเส้นเลื อ, เเลอดเรียกว่าคีโทนนะครับแต่การมีคีโทนเยอะๆนี่นอาจทำให้ลมหายใจมีกลิ่นเหม็นนะครับ แล้วก็มีการถกเถียงกันว่าการที่เราทานไขมันและเนื้อสัตว์เยอะๆเนี่ยมันจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคทางหัวใจไหมนะครับตัวชีทนเองก็ก็ถกเถียงกันว่าถ้าเราผลิตเยอะๆเนี่ยมันจะมีผลเสียไหมอันนี้พูดตามตรงก็คือแพทย์เขาก็ยังถกเถียงกันอยู่นะครับแต่พอมาถึงจุดนี้สิ่งที่ผมอยากจะสื่อให้เห็นก็คือการลบความเลือกหลายๆอย่างเป็นการเรียกว่าเป็นดีเทลเล็กๆะครับเขาเจาะจงไปที่ปัญหาใดปัญหาหนึ่งแล้วพยายามแก้ตรงนั้น นะครับอย่างเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยก็จับเจาะจงลงไปที่ฮอร์โมนตัวใดตัวหนึ่งนะครับแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายเพราะว่าฮอร์โมนเนี่ยฮอร์โมนหน่ตัวจริงๆทําหน้าที่หลายอย่างมากนะครับและการที่เราไม่มีมีโกลฮอร์โมนน้อยอย่างเงี้อยอยู่ดีเราไปปั๊มมันขึ้นมามันจะดีจริงไหมอ่อมันก็เป็นอะไรที่ผมว่ามันมันน่าคิดนะคือผมว่าคนเราไม่ควรลองไปลึกขนาดนั้นน่ยแล้วคิดว่าเราสามารถเล่นแร่แปรธากับร่างกายตัวเองได้นะครับดังนั้นวิธีลดน้าหนักที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับ นจริงก็น่าจะเป็นวิธีที่ได้ผลกับทุกคนที่สุดก็ง่ายๆครับก็คือการลดลดแคลอรี่นะครับร่างกายเราจะทำอะไรก็ตามมันมันไม่สามารถอ้วนได้อะถ้ามันมันไม่มีแคลอรี่เพียงพอนะครับก็คือเราเนี่ยแทนที่เราทานเยอะแล้วก็ทานให้มันน้อยลงถ้าพูดง่ายๆครับลดไขมันลดคาร์โบไฮเดรตลดโปรตีนเพราะสามตัวนี้เป็นพลังงานให้กับเราได้ได้ทั้งหมดนะครับหมดหมูพวกนี้ให้มันน้อยลงน้อยลงใน แต่ส่วนมาสิ่งที่ตามมาก็คือเราก็จะทานผักผลไม้น้อยน้อยตามด้วยนะครับถ้าเราถ้าเราไม่เข้าใจการลดที่ถูกต้องแล้วถ้าเราสูญเสียวิตามินมินเนอรัลพวกนี้ครับหรือแม้แต่ไขมันจะเป็นบางอย่างอย่างเช่นโอเมก้า3นะครับหรือเราขาดโปรตีนเนี่ยร่างกายเราก็จะเอิดโรยนะครับถ้าเราขาดถ้าเราอดอาหารแล้วร่างกายเราขาดสารอาหารเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในสภาวะที่มันฉุกเฉินร่างกายมันจะรู้ะครับว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่มีอาหารเดี๋ยวอาหารมามาเมื่อไหร่นะฉันจะเก็บมันเต็มที่เลย ร่างกายเราครับธรรมชาติมันถูกสอนมาดีมันมีสัญชาตญาณในการเอาเอาเอาตัวรอดของมันนะครับและการที่เราทําลดถ้าเราลดสารอาหารลดอาหารอย่างเงี้ยครับจะเกิดโยโย่เอฟเฟกก็คือจะเห็นในบางคนที่ลดลดอาหารปุ๊บไดเอทสองอาทิตย์โอโหผอมเพรียวเลยกลับมาทานอีกทีน้ําหนักขึ้นมากมากกว่าเดิมอีกนะครับเพราะร่างกายมันเก็บเข้าไปเยอะนะครับการจะลดน้ําหนักเนี่ยหนึ่งกิโลกรมเราต้องลดให้ได้เจ็ดพันแคลอรี่นะครับ ซึ่งส่วนมากที่แนะนํากันก็คือขอว่าอย่าลดเกินครึ่งกิโลต่ออาทิตย์นะครับไม่งั้นจะหนักเกินไปสําหรับร่างกายนะครับครึ่งที่เต่ออาทิตย์นี้ก็เป็นจำนวน 3,500 แคลอรี่ต่ออาทิตย์นะครับหรือ500แคลอรี่ต่อวันนะครับก็คือเราอยากมีแคลอรี่สุทธิเนี้ติดลบ500นะครับแคลอรี่นี้ก็มีแคลอรี่ที่แคลอรี่สุดที่นี้ก็มีกําลังกายที่เราใช้ออกไปนะครับลบกับจํานวนอาหารที่ทานนะครับ มาดูกันเรื่องกำลังกายที่ใช้แค่เรานอนแค่เราหายใจเนี่ยเราก็ใช้พลังงานแล้วตัวนี้เรียกว่า basal metabolic rate ก็คืออัตราการใช้พลังงานขั้นต่ำสุดเลยถ้าเราไม่ทำอะไรเลยแค่นั่งอยู่เฉยๆนะมีชีวิตอยู่ไปวันวันอันนี้เนี่ยมันมี equation ที่มีสมการที่คิดที่มันจะยุ่งยากนิดนึงแต่คิดง่ายๆก็คือมันประมาณน้ำหนักเราคูณ20บอย่างผมเนี่ยตอนนี้เจิกิโลนิดนิด นะครับก็คุณยี่สิก็แสดงว่าผมใช้พลังงานโดยพื้นฐานประมาณพันสี่แคลอรี่ต่อวันนะครับอันนี้โดยโดยประมาณนะครับโดยโดยประมาณนะครับอ่ะต่อไปก็เรื่องของ Activity ถ้าเราเป็นคนที่นั่งเฉยๆทั้งวันเนี่ยเราก็จะใช้เพิ่มอีกประมาณ 20% ิบเซตของตัวนี้ถ้ า, าออกกำลังกายตลอดเวลาอาจจะ้าสิบอร์ซ็ตของตัวนี้เลยนะครับอย่างผมตอนนี้ก็จริงๆก็ประมาณนั่งนั่งนั่งเฉยๆอะ่ะเพราะตอนนี้ผมจ็บอยู่นิดนึง มาอีกอย่างนึงที่เราใช้เยอะก็คือในการย่อยอาหารนะครับก็จะมีสามตัวนี้หลักๆในห น, นึ่งวันเนี้ยเราก็ใช้พลังงานอยู่กับอันเนี้ย<ม>นอนเดินไปเดินมากินครบหมดนะครับอย่างผมเนี้ยผมคำนวณตามสูตรพวกนี้ผมอยู่ที่ประมาณสองพันแคลอรี่ต่อวันถ้าต่ำๆเลยนะหรือ อ, อันนี้ผมไปเร็วๆอันนี้ก็แค่อัตราแคลอรี่ครับกับ c ิ i ว i ต y ที่เราทำทำงานบ้านเนี้ยสามสิบนาทีเราก็เบิร์นแคลอรีไ่ได้ระดับหนึ่ง อันนี้จริงๆในในอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลเยอะแยะมากเลยนะครับก็จะขอสกิปอ่าเมื่อกี้พูดเรื่องกําลังกายที่ใช้ไปแล้วต่อมามาดูอีกฝั่งหนึ่งพลังงานที่เราใส่เข้าไปอาหารที่เราทานนะครับอันนี้เนี่ยผู้ชายเนี่ยตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณพันแปดถึงสองพันห้าคนทั่วไปนี่คืออาหารที่เราทานวันหนึ่งผู้ชายจะทานประมาณขนาดนี้นะครับผู้หญิงจะทานประมาณพันห้าถึงสองพันก็จะเห็นนะครับถ้าสมมุติผมใช้พลังงานวันละสองพัน ล้วผมทานวันละสองพันเหมือนกันน้ำหนักผมก็ไม่ขึ้นอ่าผมก็ถึงมีหุ่นดีอย่างนี้ตลอดเวลาเอ อ, อหอลอดยาวมากอ่ะไขมันนะครับหนึ่งหนึ่งกรัมเนี่ยให้พลังงานประมาณเก้าพันแคลอรี่โปรตีนกับน้ำตาลให้พลังงานสี่พันเอ้สี่แคลอรีต่ต่อกรัมนะครับ อันนี้เนี่ยเราเอาไปคํานวณได้ต่อไปเวลาเราทําอาหารเนี่ยเราก็ดูเราใส่น้ำมันใส่ใสไขมัน่นใส่โปรตีนไปเท่าไหร่เนาะเป็นจริงก็ยุ่งยากนิดนึงดูเลยดีกว่าอ่ะรัาหน้า400แคลอ ร, รี่โดยประมาณนะครับก็ผมว่าจริงๆอ่ะมือม้อกลางวันคนเราเราก็น่าจะทานสักอาจจะ500 600ะเนาะบทโนมบทนี้เข้าไปแต่พออาหารเ ย, ย็นโอ้โหจัดเต็มอ่าฟันสองขึ้นไปผมจําได้มีร้านอาหารที่อเมริการ้านหนึ่งผมชอบมาก ชื่อชีสเค้กแฟคทอรี่พาสต้าเขาอร่อยมากบังจาน 3,000 แคลอรี่และเค้กมันประมาณ600แคลอรี่โหแบบเห็นแล้วโหอยากกินมากคุ้มอ่ะเนาะจ่ายนิดเดียวได้ทั้ง 3,600 เออใช่ป่ะแล้นี่นี่ยังไม่รวมพวกอ่าอันนี้ฟาสต์ฟู้ดอันนี้นี่โอ้โหน่ากลัวมากสตาร์บัคสเปปเปอร์มินไวท์ฮอตช็อกโกแลต700แคลอรี่ ครับโค้กกระป๋องหนึ่งเนี่ยร้อยสีสิบแคลอรี่อันเนี้ยถ้าไม่คิดไรหนะ้าวันเดียวสามกระป๋องยังสบายสบายเย่ยใช่ปะเออน้ำมันมือหนึงเต็มเต็มเลยครับดงนั้นตอนนี้ผมจะระวังเรื่องโซดามากนะครับอ่ะแต่เราบอกเราอยากลดอาหารโอเคตอนนี้ผมก็ดีทอ็อกอยู่เนาะผมก็ไม่ทานอาหารพวกนี้นะผมก็ไม่ได้รับแคลอรี่พวกนี้แต่ถามว่ามันมันมันเฮลที่ไหมอะ่ะถ้าเราไม่ทานเนื้อไม่ทานอะไรเลยทานแต่ผักสองวัน เราก็ได้วิตามินได้ได้เกิืแร่นะครับแต่เราจะขาดโปรตีนอ่าลองมาดูกันผมเนี่ยน้ําหนักโปรตีนเนี่ยเราต้องการถ้าเรามีน้ําหนักหนึ่งกิโลกรมัมเราต้องการโปรตีนเอ้ยหนึ่งกรมัมนะผมเนี่ยเจ็สิบกิโลผมต้องทานโปรตีนประมาณเจ็ดิบกรมัมเนื้อวัวเนี่ยให้โปรตีนจริงประมาณสีสิเปอร์ซ็นที่เหลือเป็นไขมันเป็นโปรตีนที่ ย, อย่ยอยไม่ได้อะไรก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าผมหนักเจ็ดสิกรัมเนี่ยจริงผมต้องทานเนื้อกับาสองอยกรัมเลยต่อวัน ที่บ้านผมเนี่ยเป็นร้านขายสเต็กนะครับชิ้นหนึ่งเนี่ยประมาณสองร้อยกรัมพอดีๆๆเลยชิ้นนี้น่าจะมาถ่ายที่เท่าไหร่เ อ, อ้โอ้ยรูดีทำหน้าแบบเขืองเขืองด้วยเนี่ยถ้าผมต้องทานแบบนี้ทุกวันโอ้โหแบบแฮปปี้นะแต่กระเป๋าแฟบแล้วพุงกลางแน่เลยเพราะแคลอรี่มันเยอ ะ, อะมันมีไขมันเยอะนะครับส่วนผลไม้เนี่ยผมจริงผมพยายามอยากคำนวณมาให้ทุกท่านได้เห็นนะว่าวันนึ่งเราต้องทานเท่าไหร่ แต่ข้อมูลมันเยอะมากอะ่ะชนิดผลไม้จํานวนผลไม้เขาคูณคูณไปผมบอเลิกเลยคือแค่คิดเรายัางไม่อยากคิดเลยว่าวันหนึ่งเราต้องทานเท่าไหร่อะแล้วผมว่าไ ม, ไม่มีใครที่นี่ที่ที่คิดได้ทันทีเหมือนกันมันใช้เวลานานมากอะ่ะดังนั้นในการลดน้ําหนักทั่วไปเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราได้อาหารเพียงพอหรือเปล่านะครับทางเลือกหนึ่งเนี่ยจริงๆก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ก่อนผมว่าะในบรรยากาศเนี้ไม่เคยคิดว่าจะทําก็คือการใช้อาหารเสริม พผมมองว่าหนึ่งมันจะปลอดภัยหรือเปล่าสองเฮ้ยฉันฉันเก่งพอเนะ่ยถ้าฉันอยากลดฉันก็ครบคุมได้อ่ะใช่ปะถ้าฉันอยากทานอาหารพอฉันทําได้อ่ะอืมแต่ใงความเป็นจริงทําได้ไหมครับนี่ผมโชคดีมากเลยที่ตอนนี้ผมทําดีท็อกซ์แต่ที่บ้านผมเป็นร้านอาหารเพราะเขาจัดชาลัดให้ผมได้ <c oughs> ผมดูผัดที่อยู่ในนั้นเนะ่ยถ้าผมต้องมาจัดเองทุกวันเนี่ยโอ้โห ม, มีทางเป็นไปได้ครับการที่เราจะทานอาหารให้ครบ แล้ยิ่งเราควบคุมเรื่องไดเอทด้วยเนี่ยคงเป็นเรื่องยากมากนะครับแต่นั้นการใช้อาหารเสริมเนี่ยจริงๆเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีมากแต่เราต้องขอให้เจออาหารเสริมที่ดีด้วยนะครับอ่ะมาดูผลิตภัณฑ์แรกนะครับ n u t r i l e a Post Trim นี่ครับในซองเนี้ยมีสารปริมาณสารอาหารครบตาที่ต้องร่างกายต้องการใลหนึ่งมือ้อนี่คือไม่ไม่อยากเรียกว่าอาหารเสริมเลยนี่คือผลิตภัณฑ์แทนอาหารนะครับอันนี้สมมุติมื้อนึงเราไม่มีเวลาทานอาหารเราทานนี้แทนถือว่าครบเลย นะครับแต่ส่วนาคือในนี้มีแค่ร้อยแปดสิบคลอรี่ครับยิงโปรตีนไม่ถึงกับเยอะมากธรรมดาจะทานบวกกับโปรตีนนะครับแต่จะมีวิตามินกับเมนเนอรลในปริมาณที่เพียงพอนะครับถึงไม่ถึงไม่ใช่คนที่ลดน้ําหนักอยู่ก็ทานได้ถ้าเรารู้ว่าไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยบางทีตื่นเช้ามาไม่ทํา ง, งานรีบออกไปเลยเนี่ยก็ควรทานตัวนี้นะครับอ่ะเวลาเราลดน้ําหนักเนี่ยสมวนมาเราก็จะาอาจจะเราอาจจะทานไขมันน้อยลงอร า, อา จ, จะทานโปรตีนน้อยลง ช่วงนั้นเนี่ยจะมีความเสี่ยงในในแง่ที่ว่าเราจะสูญเสียกล้ามเนื้อเราอยากสูญเสียไขยมันแต่ดันไปสูญเสียกล้ามเนือไม่ดีครับหุ่นก็ไม่สวยด้วยนะครับตัวนึ่งที่ช่วยได้ก็คือตัว CoA ห้าร้อยนะครับเป็นตัวนี้เรียก conjugated linoleic acid นะครับก็เป็นอยู่ในเป็นไขมันอยู่ในกลุ่มเดียวกับโอเมก้าหกอ่าถ้าเป็นโอโอเมก้าหกเป็นไขมันอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวไม่อิ่มตัวใช่ไหมครั บ, รบก็เป็นต่อยก์กรีสลายที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะครับ ผลิตภัณฑ์นี้ยสกัดจากดอกดอกคำฝอยนะครับแต่จริงพบได้ในในในเนื้อสัตว์ร่างกายเราเองก็สร้างได้ด้วยนะครับเป็นเป็นกรดตัวหนึ่งที่ช่วยในการที่ให้ร่างกายเราเนี้ยรักษามวลกล้ามเนื้อไว้แล้วก็ช่วยเผาผลาญไขมันนะครับอันนี้ก็เหมาะสรับคนที่ทั้งลดความอ้วนด้วยทั้งคนที่อยากจะฟิศขุนนะครับอ่าอีกตัวหนึ่งที่ช่วยได้ครับอันนี้ทํางานในอันนี้แคโร่ครับเป็นสารสกัดจากถั่วขาวแล้วก็ถั่วเหลืองหมักแล้วก็มีเต้าเต้าฉีด้วย ตัวนี้ครับคือยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ตัวหนึ่งอย่างเช่นนี้ครับอัลฟากลูโคซิเดสนะครับซึ่งเอนไซม์ตัวนี้มีหน้าที่ในการย่อยน้ำตาลเราทานพวกน้ำตาลได s ซลเชอร์ไอย่างเช่นซูโคสหรือน้ำตาลจากแป้งหรือผลไม้บางตัวเข้าไปเนี่ยทานค a ร o l เข้าไปด้วยจะไปช่วยบล็อกการแตกตัวของน้ำตาลพวกนี้ได้นะครับอ่นี่ก็เป็นตัวอย่างโปรแกรมลดลดน้าหนักครับสมมติ ตอนนี้ผมแปสิผมอยากลดสิบกิโลนะครับผมก็มทําตามสูตรนี้ครับคำนวณเรื่องอาหารนิดนึงคํานวณแคลอรี่ของการออกกาลังกายนิดนึงลดอาทิตย์ละครึ่งกิโลซึ่งสูตรนี้จะช่วยได้นะครับเพราะผมทานโพสตีมแทนอาหารผมก็ลดมือหน้านไปได้แล้วมือหนึ่งนะครับแคลอรี่ทำตามสูตรนี้ครับจนกว่าเราจะลดน้าหนักไดต้ตามที่เราต้องการนะครับถ้าผมอยากลดสิบกิโลเนี่ยตามหลักจุดห้าครึ่งกิโลต่อาอาทิตย์ก็จะใช้เวลาประมาณเกี่บอาทิตย์เลย ยีอาทิติป่ะอ่านะก็ใช้เวลานิดนึงก็ถ้าอยากลดเยอะเนี่ยก็ต้องมีมีความอดทนนิดหนึ่งนะครับอ่าจริงๆต่อไปเดี๋ยวจริงๆเรื่องของการลดความอ้วนเนี่ยมีมีเยอะครับมีมีทริกมีเทคนิคหลายอย่างใช่ไหมครับอย่างเช่นเรื่องของการการเคี้ยวนานเรื่องของอ่าจิตวิทยาในการในการลดน้ําหนักนะครับแต่นี้จะขอไม่พูดตรงนั้นมากนะครับเพราะวันนี้อยากจะพูดถึงเกี่ยวกับกลไกของมันมากกว่านะครับ นี่ก็ขอต่อไปเลยนะครับต่อไปก็เรื่อเป็นเรื่องของสุขภาพแล้วก็ภาพลักษณ์ภายนอกนครับไหนๆเราก็พูดกันถึงเรื่องการลดความอ้วนแล้วนะอะคนเรานะครับสวยสวยตรงไหนโอ้ยโอเคไม่ไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มแล้วเออต้องเรียนรู้เพิ่มครับแต่ในในวันในวันศุกร์นะครับในวันศุกร์เรามาเรียนรู้กันเรื่องแนวคิดครับทํางานให้เราเป็นคนน่ารักขึ้นใช่ไหมครับ แต่ระหว่างนี้เราเรียนรู้เรื่องภายนอกอนะครับอวัยวะที่ใหญ่ที่สุด ข, ของเราก็คือผิวหนังนะครับก็แล้วก็เป็นแน่นอนเป็นสิ่งที่เรามองเห็นตัวเราใช่ไหมครับผ่านทางผิวหนังผิวหนังครับก็ประกอบด้วยหนังสามชั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปดูต่ อ, อปัญหาที่พบได้ของผิวหนังเนี้ยโดยคร่าวๆก็คือมันเหี่ยวย่นพอเราพอเร า, พอเรามีอายุนะครับมันอาจจะบอกบางแพ้ง่ายเป็นผื่นแดงเป็นผดใช่ไหมครับ หรือมันมีสีที่ไม่ไมสดใสสีไ ม, ไม่ไม่สม่ําเสมอนะครับอ่ะนี่เป็นตัวอย่างของผิวหนังนะครับก็มีสามชั้นมีหนังนี้เรียกว่าหนังกำพร้าเอ๊ไม่ใช่อันนี้หนังเป็นชั้นบนนะครับหนังกำพร้านะครับก็อันนี้ก็จะลอกออกไปได้เรื่อยๆใช่ไหมครับอืมอันนี้ชั้นเดอร์มิสชั้นเดอร์มิสภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะอ่าหนังแทะอ่ะแล้วอันนี้ใต้สุดคือ ชั้นไขมันใช่ครับชั้นไขมันอันนี้ครับก็คือร่างกายเราเนี่ยอะข้างบนก็คือผิวหนังที่จะสัมผัสได้จริงจบางมากใช่ไหมครับแต่ภายใต้นั้นเนี่ยก็จะมีเริ่มจะมีเส้นเลือดแล้วในชั้นที่สเนี่ยชั้น dermis เนี่ยครับก็จะมีพวกคอลลาเจนมีพวกไฟเบอร์ที่ให้ความแต่งตึงของร่างกายนะครับส่วนข้างข้างใต้นี่ก็คือไขมันที่เราเพิ่งพูดกันเมื่อกี้นะครับก็บางทีเนี่ยจะเห็นบางทีคนโดนอุบัติเหตุเระโผเห็นลงไปผมเคยตอนเด็กๆเคยเป็นแผลเป็น แล้วมันเฉือนแล้ไปถึงข้างล่างดูลงไปโอ้โ oh, หขาวโจ๊้เลยเออไขมันทั้งนั้น <laughs> แต่นั้นอันนั้นไม่เจ็บครับมันเป็นอุบัติเหตุที่แปลกมากอพอเราขาดไฟเบอร์เนี่ยก็ทําให้เราหนังเราอ่ะเหี่ยวย่นได้นะครับพวกคอลลาเจนนะครับหรือข้างบนเนี่ยข้างบนหนังชั้นบนนี้จะมีพวกเม็ดสีโดนแดดโดนอ่อสภาวาแวดเราเปเรยเรื่อยเนี่ยก็เริ่มเป็นบางจุดก็เป็นสีดําบางจุดก็เป็นสีขาวนะครับผิวเราก็จะไม่ไม่ผ่องใสเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นปัญหาของผิว อ่ะต่อไปมาดูเรื่องผมผมคนเราเนี่ยครับมีอายุประมาณสองถึงห้าปีก็จะล่วงนะครับแต่ละหนึ่งปีเนี่ยยาวได้ถึงสิบห้าเซนติเมตรที่อ่านมาคือมันมันจะไม่ยาวเกินกินกว่านั้นแล้วนะครับเพราะมันถึงจุดหนึ่งมันก็จะหมดอายุแล้วมันมันก็จะไม่ยาวแต่ผมก็เคยเห็นพวกโยคียที่เขาโอ้โหผมเขายาวมากอยากรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแบบนีน้นะครับเส้นผมเนี่ยครับก็เป็นเซลล์ที่ไม่มีชีวิตเป็นสารเคลาตินนะครับอันนี้ก็เป็นรูปของเส้นผม นะครับก็จะมีจริงๆก็อันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายมากก็ได้ก็อันนี้ก็เป็นโครงสร้างของมันนะครับแต่ดูภายนอกเลยเลยดีกว่าผมที่ดีะครับก็จะมีความเรียบนะครับมันก็จะเงานะครับและผมที่ไม่ดีเนี้ยจะเห็นว่ามันจะเป็นเกล็ดเกลดพวกนี้มันจะเริ่มแตกออกนะครับพอเริ่มแตกออกเนี้ยก็ทําให้ผมเราเปราะบางหักง่ายนะครับหรือผมแตกปลายนะครับอ่ะต่อไปเรื่องเล็บจริงอันนี้ผมเพิ่งเรียนรู้มาส่วนตัววันก่อน นั่งทานอาหารกับที่คนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยผู้ชายไทยต้องดูแลเล็บดีๆนะรู้ไหมผู้หญิงเขามองอยากถามว่าจริงหรือเปล่าครับจริงเหมือเนี่ยโอ้โ oh, หนี่ความรู้ใหม่มากเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> คือตอนเด็กๆอาจารย์สอนคือใช่ไหมเขาจะดูตอนประถมว่าให้เล็บยาวไหมแต่ไม่เคยคิดว่าผู้หญิงเขาละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> ดีเนี่ยตัดเล็บมา <c oughs> อ่านะครับเล็บมือคนเรานะครับยาวได้กว่าเล็บยาวโล่งกว่าเล็บเท้าสี่เท่านะครับ ประมาณ3มิลเมตรต่อเดือนนะครับเล็บเนี่ยจะสามารถแสงออกถึงอาการป่วยโดยเฉพาะอาการการขาดสารอาหารได้คิดง่ายคือมันเป็นอวัยวะที่จริงๆก็ไม่ค่อยจําเป็นมากแล้วก็อยู่ปลายมือปลายเท้าเลยเลยใช่ไหมครับดังนั้นสารอาหารก่อนจะไปถึงเนี่ยถ้าส่วนอื่นต้องการเนี่ยมันจะดึงไปก่อนแล้วนะคนที่ขาดสารอาหารเนี่ยบางทีจะดูได้จากเล็บนะครับเล็บ ก, ก็เป็นเซลล์ไม่มีชีวิตนะครับเป็นสารเคลาตินคล้ายๆกับเส้นผมจริงตอนแรกผมสงสัยว่าเล็บเนี่ยมันเป็นกระดูกหรือเปล่าแต่จริงไม่ใช่นะครับ อ่าตัวที่สามารถช่วยสามอย่างนั้นได้เลยครับบำรุงผมผิวหนังผมแล้วก็เล็บได้นะครับก็คือ Nutri l i SHN ชื่อมันเท่เนอะ SHN ย่ อ, ยอมาจาก Skin Hair Nail ผมรู้ครั้งแรกที่ผมไก่หน้าผ่านเลยโอ้ใครคิดเนี่ยจเนียส <c oughs> มากเข้าใจง่ายมากไม่เหมือนเคอ Complex แต่แรกเข้าใจผิดหนือว่าทำให้ผิวใส <c oughs> โอ้ไม่ใช่ครับเค Complex ช่วยเรื่องอะไรเอ่ย ภูมิแพ้นะครับอ่านั้นผมโดนสับขาหลอกครั้งแรกแต่ S H N นี่ยตรงมากนะครับ S H N ครับก็มีมีสารอาหารพวกนี้ครับ Hydrolyzed Collagen นะครับ Grape Seed Extract ไ i โอ i ิวนวิตามิน c ีกรา i ีนไ i ซิลิกแอซิดซิสเตอินโดยผมรู้หลักๆเลยเนี่ยก็อย่างคอลลาเจนคอลลาเจนแน่นอนครับทำให้ผิวเราเนี่ยต่งตึงนะครับก็เราก็ทานเข้าไปก็ไปเป็นไปเป็น uh, Raw Material ไปเป็นวัตถุดิบให้เราครับ วิตามินซีเดี๋ยวจะมีการพูดถึงเรื่องวิตามินซีเยอะวิตามินซีเนี่ยมีส่วนสำคัญในการสร้างคอลลาเจนนะครับคนที่ขาดวิตามินซีมีอาการเป็นยังไงใครรู้บ้างถ้าขาดอย่างหนักเลยถ้าคิดถึงสมัยที่คนอังกฤษเขาเดินเรือออกไปหาอเมริกาเป็นอะไรนะใช่เรือออกตามไรฟันโรคสกิร์วี่ครับภาษาอังกฤษเรียกสกร์ีก็คือคนที่ขาดวิตามินซีเนี่ย นา น, นานเนี่ยพอวิตามินซีเขาหมดจากร่างกายเขาเขาจะไม่สามารถสร้างคอลลาเจนได้ลุนแรงถึงขั้นที่ผิวหนังเขาเริ่มปแตปกอะ่ะอืมอะไรนะครับสะเก็เงินภาษาอังกฤษจะซรารอยซิสหรือเปล่าเอ้ยถ้าเป็นซรารซิสนี่ไม่ใช่ครับซรารซิสเป็นเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับแต่ว่คือเนี่ยถ้าไม่มีวิตามินซีนี่ไม่น่าเชื่อครับน่ากลัวขนาดนั้นนะครับโดยรวมเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ เสริมสร้างการสร้างคอลลาเจนนะครับช่วยเรื่องให้ผิวเนี่ยไม่เป็นจุดด่างดำเรื่องทำให้เส้นผมกับเล็บเนี่ยแข็งแรงขึ้นและมีเงางามด้วยนะครับแต่พะหลักต่อ ต, ต, ต่อไปนะครับก็จริงๆก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพของท่านผู้หญิงละและส่วนใหญ่นะครับก็มี Evening p น i m r o s e นะครับก็เป็นกรดไขมันชนิดหนึ่งถ้าเป็นกรดไขมันก็คือก็พวกตระกูลเดียวกับก็เป็นไตกีสลายแต่ก็มีกรดไขมันที่ต่างกันนะครับตัวนี้นะครับช่วย เรื่องของโรคของสุภาพสตรีได้หลายๆเรื่องนะครับส่วนมากเนี่ยเป็นบรรเทาโรคที่เกิดจากอาการที่ฮอร์โมนไ ม, ไม่ปกตินะครับเนี่ยคุณสมบัติเยอะมากเลยครับปรับฮอร์โมนภายในนะครับเมื่อกี้เราคุยเรื่องฮอร์โมนกันมาเยอะใช่ไหมครับฮอร์โมนในร่างกายคนนี้นับไม่ถ้วนครับเยอะมากจริงๆนะครับอ่ะก็เดี๋ยวอันนี้อ่านได้เนาะอันนี้โดยหลักๆครับบรร เ, เ, เทาเรื่องอาการไวทองของผู้หญิงนะครับเรื่องช่วยรอบเดือนมาปกติขึ้น ซึ่งนี้แน่นอนผมโชคดีไม่ไม่เคยรู้สึกเองแต่คิดว่าก็คงเป็นเป็นอะไรที่ทรมานใช่ไหมครับต้องถามผู้หญิงนะครับช่วยข้อมูลเรื่องมวลกระดูกด้วยนะครับเพราะผู้หญิงเวลาเวลาที่สูญเสียเลือดเยอะสมมุติอย่างเงี้ยครับเอ้จริงเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บไว้นิดนึงเดี๋ยวเอาไปพูดต่อนะครับถ้าขาดตัว e ิม n ิเนช m l o ลสเนี่ยครับก็จะมีอาการปวดประจาเดือนหดหดง่ายะคายเคืองแพ้ง่ายหดหดง่ายนี่ ถ้าไม่ขาดถ้ามี EP ตัว Evening Primrose จะไม่หมุนอิดเลยใช่ไหมครับเพราะถ้าจริงผมจะได้ซื้อให้ผู้หญิงแค่นั้นแล้วจบบ <laughs> อดเธอทานนี้นะแล้วก็ไม่ต้องหมุนอิดทุกเรื่องเลยร <laughs> ิงผมไม่ใช่ครับแ <laughs> หล่งที่มาของตัวน้ำมันตัวนี้นะครับก็สกัดได้จากหลายๆที่นะครับก็น้ำมันตัว Primrose เองเลยนะครับแล้วก็มาจากตังกุยมีขิงนะครับอ่าส่วนในผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี้ยมีโอเมก้าหกด้วย นะครับซึ่งโอเมก้าหเนี่ยเหมือนโอเมก้าสาคือร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้นะครับโอเมก้าหกเนี่ยก็จะช่วยกับตัว in n i n g p r พ m ม o ร e ในการปรับสมดุล น, นะครับก็ทานตามนี้นะครับอ่าอีกตัวหนึ่ง p i n a c h Plus อันนี้ก็เป็นเรื่องของการให้อ่สารเหล็กเป็นเป็นหลักนะครับเดี๋ยวจะกลับไปตรงนั้นนะครับถ้าเหล็กเนี่ยถ้าเหล็กอ ย, อยู่อยู่ในไหนเอ่ยเนตับแล้วอยู่อยู่ในไหนอีก อยู่ในเลือดครับที่ที่เราได้ยินที่สําคัญที่สุดคืออยู่ในเม็ดเลือดแดงใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีเหล็กเนี้ยเม็ดเลือดแดงเราจะไม่สามารถขนออกซิเจนไปได้นะครับการขาดเหล็กเนี้ยอันตรายมากนะครับดังนั้นสําหรับถ้าผู้หญิงที่สมมติสูญเสียเลือดประจำจะประจําเดือนบ่อยๆเนี่ยร่างกายก็ต้องสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาทดแทนใช่ไหมครับมันก็จะต้องการทาตเหล็กเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราทานสเปนจิ้งพลัเนี้ยก็ช่วยไปส่งไปไ ป, ไปเสริมในตรงนี้ได้นะครับ ซึงถ้าเราไม่ทานอาหารเสริมตัวนี้เราก็สามารถทานได้จากอาหารตามนี้ครับอย่างเช่นพวกนี่นะครับอ่าเมื่อกี้ใครต่อกว่ตับนี่ทานตับได้เลยนะครับเครื่องในสัตว์ต่างๆครับคือตรงไหนที่พูดง่ายๆที่ตรงไหนมันเข้มๆสีมันเข้มๆเลือดมันเยอะๆนะี่เหล็กทั้งนั้นนะครับผักใบเขียวต่างๆอย่างเช่น s p ปนนิชนะครับอ่าเดี๋ยวขอกลับนิดนึงอ่าและในนี้มี plus ครับก็คือนอกจากเหล็กนี่ก็มีอย่างอื่นด้วยมีโฟเลตนะครับซึ่งเป็นสารอาหารที่จําเป็นต่อ DNA RNA นะครับ RNA เนี่ยเป็นเป็ น, ปนตัวที่ทำให้ DNA ของเราเนี่ยทำงานได้มันเป็นตัวนำข้อมูลจาก DNA เนี่ยออกมาให้เซลล์บอกว่าเฮ้ต้องไปทำอะไรนะครับก็ช่วยในการสร้างเอนไซม์นะครับทำให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆอันนี้สำคัญมากครับต้องการมากกว่าวิตามิน B12 ิบถึงห้าสิบเท่านะครับแล้วก็สามารถพบได้ในผักผลไม้ถั่วทั่วไปนะครับอโอเค จึงผมเหลือเวลาเท่าไหร่เอ่ยขอเช็คหน่อยนะครับเมื่อกี้ก็คุยเรื่องของโรคโรคอ้วนแล้วก็เรื่องโรคของภาพรักษณ์มาแล้วนะครับที่เมื่อกี้ผมอยากสรุปนิดนึงก็คือเราก็ได้เห็นแล้วครับว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันมีนกลไกอะไรเยอะมากใช่ไหมครับเรื่องของความอ้วนอย่างเงี้ยก็เป็นจริงๆก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนนะครับจริงๆทุกอย่างในร่างกายคนเราก็คือก็ทํางานด้วยฮอร์โมนฮอร์โมนเป็นตัวส่งส่งสัญ ญ, ญาณนะครับ ในชีวิตเราเราส่งไลน์บอกคุยกันใช่ไหมแต่เซล์เรามีมันมีไอโฟนไหมมันมีมันมีมันทํำยังไงอ่ะมันมันติดต่อกันยังไงอะติดต่อกันผ่านระบบประสาท ห, หรือเปล่าอ่าจริงๆ ร, ระบบประสาทเนี่ยอย่างผมขยับแขนเนี่ยคือสมองผมส่งสัญญาณไฟฟ้าไปทางรบประสาทให้ร่ังกายให้ไอกรรมเนื่ยผมทํางานนะครับแต่จริงการที่เซล์เราคุยกันในร่างกายเนี่ยผ่านฮอร์โมนทั้งนั้นนะครับการที่ เซลมันจะรู้ให้ตรงนี้เราต้องแยกตัวเราเนะก็เป็นฮอร์โมนเก๋ฮอร์โมนอย่างนี้นะครับซึ่งฮอร์โมนเราเนี่ยผลิตจากทั่วร่างกายเลยนะครับไม่ได้ผลิตจากที่สมองอย่างเดียวผลิตจากตอมท้ายร้อยผลิตจากตับเซลล์ไขมันก็ผลิตฮอร์โมนนะครับอันนี้จริงๆเมื่อกี้ลืมพูดไปตอนนั้นเซลล์ไขมันผลิตฮอร์โมนชื่อเลปตินเลปตินเนี่ยระยะยาวเนี่ยลดความหิวอย่าเพิเ่มลดความหิวด้วยลดความอยากอาหารคนที่บางทีไปเรามีเซลล์ไขมันเยอะๆเนี่ยมันก็จะผลิต ฮอร์โมอนตัวเยอะมากแต่ทำไมเขายังทานเยอะเพราะจริงความหิวมันมีหลายๆแฟกเตอร์ครับแต่เลปตินเนี่ยเป็นส่วนช่วยในการระ ง, งับความความหิวแต่บางทีคนเราพอเราไปคนที่เขาอ้วนมากๆเนี่ยเขาไปผ่าตัดแล้วเขาเอาไข่เซลล์ไขมันพวกนั้นออกไปเนี่ยเลปตินเขาก็จะตกควบเลยนะครับบางทีทำให้เขาอยากอาหารมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับอันนี้แค่พูดให้ฟังคือฟังแล้วงงไหม<อ>จริงๆคาตอบคืองงง ง, งหน่อยก็ดีนะ เอาจริงคือผมอยากให้เห็นนะครับว่าปรต์ฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะครับถ้าใครดูดราม่าเรื่องฮอร์โมนตอนนี้กําลังกําลังร้อนแหลเนี่ยก็จะรู้ว่ามันซับซ้อนมากใช่ไหมครับคือร่างกายเราอ่ะมันมันซับซ้อนจริงๆแต่มันก็สามารถทํางานของมันได้นะครับถ้าเราดูแลมันอย่างถูกถูกวิธีนะครับซึ่งวิธีดูแลเนี่ยก็คือนอนหลับให้พอออกกําลังกายให้ให้สม่ําเสมอที่สมคคือทานอาหารให้ครบนะครับซึ่งอาหารพวกเนี้ยผมพูดมาหมดแล้ว ต่อไปเนี่ยผมจะขอพูดแต่เรื่ององของสารอาหารอย่างเดียวเลยนะครับอ่ะทำไมต้องเป็นสินค้าแบรนด์นี้ New n u t r i f e Product อันนี้ขอก่อนหนึ่งขอพูดเลยเรื่องอาหารเสิร์ฟเนี่ยคงได้ยินกันมาเยอะใช่ไหมครับคำเตือนจากหมออย่าทานเยอะนะอันตรายแต่ว่าอันตรายยังไงบางทีก็บอกมันสะสมสารพิษ <ver> แล้วก็จะบอกว่าอาหารที่เราทานประจำวันก็พอแล้วจริง อ, อันแรกนี้ตอบ ถามต้องถามเขากลับว่าแล้วคุณหมอรู้ไหมครับว่าผมทานอะไรอยู่ใช่ไหมครับเพราะผมเนี่ยโตมาสามสิกว่าปีแทบผมไม่ทำทานเป็นคนทานผักน้อยมากชคไม่รู้รอดมาขณะนี้ได้ได้ยังไงนะครับส่วนเรื่องสารพิษเนี่ยเป็นอะไรที่ผมสงสัยมากเลยทําไมวิตามินเป็นสารพิษได้ผมสงสัยมากเลยผมถามว่าหรือว่าเวลาเขาผลิตมาให้เราทานเนี่ยมันมีสารพิษอย่างอื่นแทรกซึมเข้ามาด้วยมันวิตามินมันอาจจะไม่ใช่วิตามินที่เป็นสารพิษแต่เป็นอย่างอื่นมั้ง นะคำตอบพวกนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับยิงก็จะบอกว่าวิตามินเนี่ยตอนนี้มีสองแบบดูตามการผลิตวิตามินธรรมชาติอย่างเช่นของเราแอเซอร์ราเชอรี่มาผลิตวิตามิน C นะครับแล้วเอาไปใส่ใน fruit vegetable concentrate แล้วก็จะมีวิตามินสังเคราะห์นนีน่น่าตกใจมากครับสินค้าในตลาดสมัยนี้ครับ9 0้าสิบเ้า้าเปเ็นเนี่ยเป็นวิตามินสังเคราะห์หมดแล้วนะครับ เพราะนมันเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากครับว่าการทำแบบสังเคราะห์เนี่ยสามารถผลิตได้มากในต้นทุนทีนท่ถูกนะครับก็จะมีอย่างเช่นแบรนด์นี้เป็นต้นไม่รู้แบรนด์อะไรมีมีคาดตานะแบรนด์นี้เป็นสังเคราะห์เพียวๆเลยครับอ่ะจริงๆอันนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวผมจะเฉลยว่าอันอนเนี้ยคืออะไรนะครับแต่มาดูกันความแตกต่างระหว่างวิตามินธรรมชาติกับวิตามินสังเคราะห์ อันนี้ Nutrilea Acerola Concentrate ครับก็คือเอา Acerola Cherry เนี่ยไปทําให้แห้งเป็นผงมาแล้วก็มาดูนะครับของเป็นธรรมชาติเนี่ยครับนอกจากตัวิตามินซีเนี่ยมันก็จะมีสารเคมีอย่างอื่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ของที่เป็นสินเตติกเนี่ยของที่เป็นสังเคราะห์เนี่ยคือวิทยาศาสตร์มันเจ๋งอย่างหนึ่งคือคนเราเจ๋งอย่างหนึ่งคือเวลาเราสังเคราะห์อะไรเราสมักจะสังเคราะห์าาะะได้เพียวมากเลยอยากได้แค่นี้ก็ได้ได้แค่นั้นเพราะนั้นนั้นนัน้นเป็นเป้าหมายอะครับ ถ้าผมในฐานะนักวิทยาศาสตร์ผมอยากได้วิตามิานสารเคมี A B C ผมก็จะผลิตแค่นั้นนีละถ้าผมได้ D E ติดมาด้วยเนี่ยมันถือว่าจบไม่เวิร์กนะครับดังนั้นวิตามิน C สังเคราะห์เนี่ยก็จะมีแต่ Ascorbic Acid นะครับอ่ะอันนี้ลองถามเนี่ยอันนี้ใครรู้จักคนนี้บ้างอ่ะคนนี้ชื่อฉายาคือตูนบอดี้สแลมใช่ไหมครับ <c oughs> เรียกกันตูนบอดี้สแลม วิตามินซีนะครับเรารู้จักวิตามินซีเนี่ยส่วนมากจะพูดนว่าวิตามินซีคือแอสคอร์บิกแอซิดนะครับก็เหมือนฉายาคือแอสคอร์บิกแอซิดวิตามินซี oh. นะครับแต่ในธรรมชาติเวลาเรารับวิตามินซีเนี่ยเรารับจากส้มเรารับจากเชอร์รี่นะครับมันมีสารอยูื่นมาเต็มไปหมดเลย oh. มันก็เหมือนนัดก็เหมือนสมาชิกวงที่เหลือครับซึ่งไม่รู้เลยว่าชื่ออะไรผมต้อง Google ดู oh. <laughs> ชื่ออะไรเนี่ยสามคนเนี้อ่ะ นี่ครับคุณชัดคุณปิดคุณยอดนะครับไม่มีครบสคนเป็นบอดี้สแลมไหมไม่มันบางคนก็อาจจะรู้จักแคตูนนะโอเคมีแคตูนคนเดียวก็ได้จริงๆก็คนสมาัครขงสนใจแคตูนนั่นแหละคนอื่นไม่ไม่สนใจเปลี่ยนได้นะครับวิตามินซีก็เหมือนกันนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราจะยอมรับว่าวิตามินซีคือแอสคอร์บิกแอซิดนะครับแต่ในการทํางานของวิตามินซีให้ครบเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยนะครับต้องมีมือกรองมือมือกีต้าด้วยนะครับ b i o f ฟ a า o n o i d l นอย i n ลู a ินท i n a s ลอซน่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าเหมือนเหมือนโปรตีนเหมือนกันนะครับอ่าโปรตีนมีอะมิโนแอซิดต้องมีกี่ชนิดเอ่ยเก้าชนิดใช่ไหมครับอันนี้ก็ได้น้องน้องแตกสาธิตไปแล้วเนาะเราก็ได้คุยเรื่องโปรตีนเป็นนิดหนึ่งแล้วโปรตีนเนี่ยเอามาแค่หกอันดีไหมไม่ ด, ไมดีไม่ครบครับไม่ครบทั้งวง ไม่ได้อ่ะออกออกทัวร์ไม่ได้อ่ะ <Wow. S 2> ใช่ไ่มอ่านะจะกินโปรตีนทั้งทีมมันต้องกินให้ครบหกคน <Wow. S 2> เอ้หกหกยังไปเก้า ย, ยังเก้าคนอ่าหยเลยอันนี้พสต์เรนดครับบวกโปรตีนเข้าไปนิดนึงนะครับครบแล้วเกิดเจเนเรชัน9ก้าคนอยู่ในควดเดียวเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่พูด <laughs> ถ, ถึงโปรตีนอยู่นะครับอ่ะกระโดดเข้าเรื่องเดิมวิตามินซีนะครับอย่างที่บอกครับคือ ตอนนี้เริ่มมีการศึกษากันแล้วแล้วก็มีการดูว่าถ้าเรามีรับแค่ Ascorbic a c i ออย่างเดียวเนี่ยคือเขาเขาศึกษาแล้วตอนนี้เขาศึกษากันว่าจริงๆพวก b i o f l a v o n o อยพวก Ascorbic Acid ดเนี่ยด้วยกันเนี่ยมันถ้ามันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันช่วยลดความเสี่ยงหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่อง Heart disease เรื่องมะเร็งทำให้เราอ่อนยางขึ้นคือคุณสมบัติดีๆหลายๆอย่างครับมีแค่อ s c o อเบตออย่างเดียวเนี่ยบางทีอาจจะไม่พอนะครับ เพราะนั้นการที่เราทานวิตามินที่เป็นซินเทติกอะครับก็ต้องมาคิดดูว่าเรากำลังทานวิตามิน C หรือเรากำลังทานแอสคอร์บิกแอซิดอย่างเดียวนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆเป็นที่ถกเถียงกันบางคนก็บอกว่าแอสคอร์บิกแอซิดเท่านั้นที่เป็นวิตามิน C นะครับบางกลุ่มก็จะบอกว่าต้องมีครบทั้งวงถึงจะเป็นวิตามิน C นะครับเพราะจริงๆเนี่ยคาว่าวิตามินเนี่ยมันมันเป็นคําที่มีมานานแล้วมันมีมาก่อนที่คนจะรู้ว่าอะไรคือแอสคอร์บิกแอซิดนะครับ ดังนั้นบางทีมันมันเป็ น, ม, น, ป น, ม, น, ปนมันเป็นคำที่ไม่ไม่กระชับมากนะครับวิตามินเอถ้าเป็นซินเทติกวิตามินเอนะครับสามารถจะผลิตให้เท่านี้ครับเลตินอลเลตินอยลเลตินอ่นะครับสามตัวนี้เนี่ยไม่ไม่เป็นแอนตี้ออกซิเดนต์นะครับและตอนนี้ก็มีการศึกษาถกเถึงกันว่าถ้าทานแค่สามตัวนี้ไม่ได้รับประโยชน์ของวิตามินเอจริงๆคือและวทานเข้าไปทําไมมันก็เข้าไปอยู่ในร่างกายเราอนุมณอิสระมันก็ไม่ช่วย กิจกรรมของการเป็นวิตามินมันก็ไม่ทําร่างกายเราต้องขับออกมาเสียเสียพลังงานเปล่าๆนะครับแต่นั้นมีมีการศึกษาคิดว่ามีบอกว่าอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเอ่อทูมเมอร์ก็คือเนื้อเนื้องอกหรือทําให้กระดูกพุ่นได้นะครับก็จริงๆเนี่ยถ้าเราอยากทานวิตามินเอเราควรทานทานให้ครบทั้งหมดนะครับซึ่งนี่ถ้าเราทานเป็นซินเทติกเนี่ยเราก็จะได้แค่ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็จริงๆหลายหลอย่างที่พูดมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ ทางวิทยาศาสตร์ยังต้องต้องพิสูจน์กันอีกเยอะนะครับแต่คือขอให้คิดว่ามันมันมีทั้งสองฝั่งแต่ถ้าให้เราเลือกได้เราจะเลือกอะไรถ้าไม่ชัวเราจะเอาแค่นี้หรือถ้าไม่ชัวเราจะเอาทั้งหมดนะครับแล้วเอาทั้งหมดเนี่ยเราก็อยากได้ที่มันมาตามธรรมชาติเท่านั้นนะครับอ่ะมาเฉลยกันเมื่อกี้อ่ะเฉลยละแต่เนี่ยวิตามินซีผลิตจากอะไรครับผลิตจากน้ําตาล น, นะครับที่อเมริกาเนี่ย จะใช้ข้าโพดไปทำเป็นน้ำตาลก่อนแล้วก็เอาน้ำตาลเนี้ยมาผลิตเป็นวิตามินซีนะครับเพราะวิตามินซีกับน้ำตาลจริงๆมีส่วนคล้ายเคยงกันเยอะมากนะครับก็คือมันมีกระบวนการทางทางอุตสาหกรรมนะครับที่สามารถเปลี่ยนน้ำตาลเป็นวิตามินซีได้แต่พูดให้ชัดๆชัดเจนก็คือเปลี่ยนเป็ี่ยนกลูโคสเป็นแอสคอร์บิกแอซิดนะครับและน อ, นอกจากว่าเขาจะใจดีบวกไบโอฟลาวมนอยด์มาให้เราด้วยเนี้ย ถ้าเขาผลิตแค่นี้แน่นอนครับเราได้อัลกอริทึมอัอย่างเดียวแต่นี้ถือว่ายังเป็นเคสที่เด็กๆมากเห็นแล้วผมก็ทึ่งในเทคโนโลยีมันแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันดูน่ากลัวอะไรมาก mm hmm. ก็สุดท้ายมันก็น้ําตาเนี่ยถ้ามันยังไม่ได้แปลรูปอ่ะวิตามิน b ีคอมเพลผลิตจากโคทาโคทาคืออะไรใครรู้บ้าง <S <S ถา่านจริงๆเหมือนเป็นพวกยางมาต่อยอะ่ะที่มันรัดรัดถน น, นอะไรพวกนี้ยหรือผลิตจาก p e t r o l เ u m โปรดักตก็ได้นะครับอันนี้คอมอันนี้คอมเพล็กซพอสมควร ผมไม่คือไม่น่าเชื่อเนาะสิ่งที่เราไม่สามารถกินได้อะแต่เขาเอาไปแปลรูปให้เป็นสิ่งที่เรากินได้นะแต่ถามว่ามันมีประโยชน์กับเราไหมก็ดูน่ากลัวอยู่อันนี้น่ากลัวมากวิตามินดีผลิตได้จากสมองของของวัวจริงๆจะบอกว่าวิตามินดีเนี่ยผลิตได้จากหลายอย่างมากเพราะวิตามินดีอะใครรู้บ้างทานธรรมาชาติผลิตยังไงทำยังไงเราจะได้วิตามินดีโดยเั่าไประงแดดครับ เวลาเราโดนแสงแดดเนี่ย UV light แสงแดด UV เนี่ยมันจะไปเปลี่ยนคอเลสเตอรอลให้เป็นวิตามินดีจริงวิตามินดีคอเลสเตอรอลใกล้เคียงกันมากถ้าไปดูรูปภาพโครงสร้างมันนะครับแต่งกันแค่จุดเดียวเองนะครับดังนั้นวิตามินดีเนี่ยจริงสามารถผลิตจากเรียกว่าจะผลิตจากเซลล์อะไรก็ได้อะ่ะแต่ส่วนใหญ่เขาใช้ใช้สมองเเพราะมันมันเหลืออืมอันนี้ผมเอาไปร้านผมก็ขายไม่ออกอะ่ะมันมันมันมันไม่น่ากินเนาะ แต่เนี้ยอันตรายอย่างหนึ่งจำได้ัหมครับแมสคาล์ดีซีโรคโรคหัวบ้าครับใครทราบบ้างว่าโรคหัวบ้าเกิดจากอะไรเป็นโรคติดต่อหรือเปล่าถ้าเป็นโรคติดต่อแสดงว่ามันเป็นไวรัสหรือแบคทีเรียใช่ไหมครับจริงๆไม่ใช่นะโรคหัวบ้าเป็นโรคของโปรตีนอันนี้เป็นโรคที่คนไม่ค่อยรู้นะครับโปรตีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างหลายแบบมาก แล้วมันจะพับไปพับมาได้เหมือนเวลาเราทอดไข่จากเหลวเกลายเป็นสีขาวเนี่ยคือโปรตีนมันเปลี่ยนรูปร่างนะครับโรคของวัวบ้าเนี่ยคือโปรตีนมันเปลี่ยนรูปร่างผิดแบบและอันหนึ่งผิดเนี่ยพอมันไปชนอีกอันหนึ่งมันก็ทำให้โปรตีนันนี้เปลี่ยนรูปร่างผิดแบบเหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันเราไม่สามารถฆ่าเชื้อตัวนี้ได้ผ่านวิธีธรรมดาครับเขาถึงรักษาวัวบ้าไม่ได้เจอวัวบ้าต้องทําลายทิ้งอย่างเดียวแต่คิดดูถ้าคุณเอาสมองวัวแล้วมันมีติดเชื้อไอ้วัวบ้าคือมีโปรตีนตัวเนี้ย ว่าคุณคิดว่าคุณเอามาฆ่าเชื้อแล้วคุณฉายแสงอยูวคุณใส่บลิชลงไปอะ่ะแต่มันมันไม่ทําลายโปรตีนตัวนั้นเนี่ยมันจะน่ากลัวไหมอะ่ะเนี่ยเขาถึงเตือนว่าเนี่ยให้ระวังอาจจะติดเชื้อวัวบ้าจากวิตามิน โ, โอ้ผมเห็นเนี่ยผมพูดแล้วผมขอลุกเลยะนะครับการผลิตก็ไม่ไม่ยากอะไรมากครับเพราะเอาพวกนี้เอาไปปั่นให้มันเหลือให้กลายเป็นเหลือแค่คอเลสเตอรอลครั บ, รบดึงคอเลสเตอรอลออกมาแล้วเอาไปฉายแสงก็กล า, ายเป็นวิตามินดีละนะนะครับ วิตามินดีผลิตจากนี้ก็ได้ขนแกะสุดยอดมากเอาขนแกะไปปั่นมันก็จะมีมันก็มีสารอย่างหนึ่งออกมาซึ่งประกอบด้วยคอเลสเตอรอลซะส่วนใหญ่เอาไปฉายแสงอีกวิตามินดีนะครับเอออันนี้สกิปอันนี้พลาดไปนิดหนึ่งอ่ะวิตามินอ e ีอันนี้รูปมันผิดนะครับวิตามินอ e ีเนี่ยสังเคราะห์เนี่ยวิตามินอ e ีจะมีหลายแบบนะครับยิงขอโทษทีอันนี้ตกภาพตกไปวิตามินอ e ีสังเคราะห์เนี่ย ต้องค้ำกับวิตามินธรธรมชาติอย่างหนึ่งคือเวลาเขาสังเคราะห์มันจะได้ประมาณสิบสองแบบหรือแปดแบบเนี่แหละแต่เราต้องการแค่แบบเดียวเวลาเราทานวิตามินอ e ีสังเคราะห์ก็คือเราได้ขยะไปเยอะครับที่เราร่างกายเราต้องกําจัดทิง้งนะครับแต่ที่พูดมาเนี่ยอย่างวิตามิน A d e ีพวกนี้ทําไมถึงน่ากลัวถ้าเราได้รับเข้าไปเนี่ยครับเพราะพวกนี้มันสะสมในไขมันแล้วก็สะสมเขาเ้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับถึงจุดหนึ่งมันก็เป็นอันตรายต่อเราแต่ถอย่างวิตามิน C ีอย่างเงี้ยสะสมยากกว่า เราถึงต้องทานวิตามินซีอยู่เรื่อยๆเพราะมั น, มนไปกับน้นะครับปัสสาวะทีก็ไปล้วดังนั้นเนี่ยสมมติว่าพวกวิตามินที่วิตามินที่เขากลัวกันจะเป็นพวกวิตามินที่ละลายในไขมันนะครับแต่นอกจากกระบวนการผลิตที่ดูหั่นหรือหดนะครับการที่เราได้รับโปรตีนที่ไม่ใช่ธรรมชาติอย่างที่บอกเนี่ยครับมันก็อาจจะมีสารแค่ตัวใดตัวหนึ่งแตม่มันอาจจะมาแค่นักล็อกนําอ่ะไม่ได้พามาทั้งวงนะครับสสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีอย่างวิตามินนะ วิตามินดีเนี่ยหน้าที่ทําอะไรทําอะไรบ้างใครจําได้วิตามินดีกับแคลเซียมทําอะไรกันเอ่ยกระดูกใช่ไหมครับมันมีการที่เรามีวิตามินดีเยอะเยอะไปเนี่ยแล้วเราไม่ได้ทานแคลเซียมเข้าไปด้วยเนี่ยมันมันเกิดไม่ไม่บาลานซ์กันขึ้นมาก็เป็นผลเสียกับร่างกายด้วยนะครับนี่คืออาจจะเป็นจุดที่ทําให้แพทย์เขาบอกว่าเฮ้ย hey, อย่าทานเยอะเพราะตอนนี้แพทย์เขาเข้าใจว่าวิตามินถ้าคุณพูดถึงวิตามินคุณต้องพูดถึงวิตามินสังเคราะห์นะครับ เพราะมันเก้าสิบห้า็นในใ น, ในตลาดตอนเนี้อืมและคนที่ทําการวิจัยออกมาส่วนมากจะเป็นการวิจัยเกี่ยวกับวิตามินสังเคราะห์ทั้งนั้นนะครับพระเจ้าที่เป็นวิตามินธรรมชาติเนี้ถือว่าน้อยมากนะครับอ่ะต่อไปมาดูกระบวนการผลิตของเรานะครับคอามยืดที่ไเนี้เป็นวิตามินธรรมชาติเพียวๆเลยนะครับอันนี้ก็ได้ได้เห็นไปในข่าวที่แล้วเนาะเรื่องของฟาร์มของเรานะครับอันนี้ยูโรมอนิเตอร์นะครับเป็นองค์กรที่เขาปกป้องผู้บริโภคนะครับ เวลามีบริษัทไหนมาบอกว่าเนี่ยอย่างแอมเอกมาพูดว่านิวทรไล์ hmm. <il> เป็น globally brand เด mm ียวเท่านั้นที่ปลูกเองผลิตเองทั้งหมดพูดออกมาปุ๊บเนี่ยยูโรมอนิเตอร์จะไปศึกษาดูว่าจริงไหมนะครับถ้ามันจริง mm hmm. เขาก็จะบอกโอเคจริงนะครับอันนี้อันนี้คือย e mm ูโรมนเตอไม่ได้พูดเองเขาพูดแค่ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับต้องเป็น g l o b a l brand mm hmm. ก็คือมี ม, มีมีการขายในหลายทวีปนะครับ เพราะถ้าวันนี้ผมไปปลูกผักเองแล้วมาทําวิตามินผมก็เคลมได้ผมเป็นแบรนด์หนึ่งแต่มันแต่มันไม่ใช่ระดับโลกอะ่ะอืผมไปเทียบแบบอันนี้ไม่ได้นะแล้วนี่เขียนด้วยว่าเซอร์ติฟายออร์แกนิกฟรมนะครับอันตรายของวิตามินธรรมชาติอย่างหนึ่งคือสารที่ตกค้างมาในอาหารนะครับถ้าเราปลูกอาหารด้วยสารเคมีนเนี่ยแล้วเอาอาหารนั้นไปทําวิตามินสารเคมี น, นั้นก็อาจจะตามเรามาด้วยนะครับเหมือนโปรตีนที่ตามมาในสมองสมองวัวเมื่อกี้นะครับอ่ะ อันนี้เราเคลมว่าเราเป็นเจ้าเดียวเมื่อกี้ยูรอนมอเตอร์บอกว่าใช่ discovery channel ก็บอกว่าใช่เหมือนกันนะครับก็ไม่ใช่คนคนเดียวนะครับที่บอกนะครับการผลิตของเรานะครับก็เริ่มจากอาหารที่มีโภชนาการสูงนะครับถ้าเราผลิตอาหารเม็ดเนี่ยแล้วเราบอกว่าไอเม็ดเล็กๆแค่เนี้ยดับเบิลเอ็กซ์เนี่ยมันให้คุณค่าคุณได้จริงอ่ะแล้วเราก็บอกเขาด้วยว่าเนี่ยมันเท่ากับสมมติส้มถุงนึงเลยแล้วเขาคนก็อาจจะคิดใช่ไหมเฮ้ยส้มถุงนึงคุณจะมายอเล็กแค่เหลือแค่นี้ได้ไง ก็จริงมันต้องเริ่มจากอาหารที่มีคุณภาพก่อนเซลลูลาเชอร์รี่ครับมีมีวิตามินซีจะ50หรือ80เท่าผมจ ำ, จำจำตัวเลขไปไม่นานบอกว่า80เท่าแล้วไงของส้มใช่ไหมครับเริ่มจากวัตถุดิบที่คุณคุณค่าทางสารมันเยอะจริงๆนะครับการหลักของเราก็ไม่ใช่การหลักธรรมดาที่เอาเอามาทำทำกับข้าวกันนะครับเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อของการหลักเลยนะครับสารอาหารเยอะมากนะครับคือทุกพันธุ์เนี่ย มันสารอาหารมันเยอะอยู่แล้วเราเริ่มต้นจากสิ่งที่มีสารอาหารเยอะๆนะครับเราก็ไปกันกองต่อนะครับอาหารพวกนี้เราเก็บแล้วก็นําเข้ากระบวนการผลิตในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเพราะเรามีฟาร์มตัวเองมีลงมีสวนผลิตของตัวเองะครับเราสามารถทําได้ครับก็เอาพืชผลไม้นี้คัดเลือกอบแห้งให้ออกมาเป็นผงอย่างนี้นะครับการเก็บนะครับเรามีลิขสิทธิ์อย่างเช่นตัวนี้บอกว่าถ้าจะเก็บ สารอาหารให้ให้ได้เยอะเนี่ยเราควรจะต้องเอ่อทำเอามันไปอยู่ในความร้อนเป็นเวลาเก้าสิบนาทีนะครับถึงจะได้สารอาหารเยอะเยอะที่สุดคือไม่ใช่บอกว่าอยากจะทํามีก็ทําะครับมันต้องมีวิวจัยจริงๆนะครับและพอเราวิจัยออกมามันก็เป็นลิขสิทธิ์ของเราคนอื่นก็ไม่สามารถก๊อปปี้ได้นะครับพอได้สัดส่วนที่สัดส่วนแล้วเนี่ยครับแล้วก็พอเราได้ผงพวกนี้แล้วก็ไปผสมในสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วกอ็อัดออกมาเป็นเม็ดคือมันมันไม่มีอะไรมากครับเอ า, อาหาร ทำให้แห้งอาจเป็นทาเป็นผงแล้วก็อาจอาจเป็นเม็ดนะครับสูตรต่างๆการเตรียมเพาะการเตรียมเมเล็ดตัวสารอาหารทุกอย่างครับก็มีลิขสิทธิ์นะครับอะตอนนี้ก็ใกล้จะจบแล้วก็คำถามสุดท้ายนะครับถ้าเราเลือกได้เราควรจะบริโภคสิ่งเหล่านี้ไหมน้ำตาลไม่แย่มากอะเนาะพอทานได้สมองก็พอทานได้เนาะ <laughs> เอาว่าจริงๆอะ ขนขนแก่นี่มันเอาไปใส่เอาไปใส่หมอนี่คงจะดีกว่านะครับส่วนเนี้ยเอาไปลากถนนเน่ยจะมากินหรอนะครับแต่พอมันลงเข้าไปในขวดเขาขวอ่างเงี้ยจะดูออกไหมไม่มีใครมาช่วยเราดูไหมไม่มีครับเพราะ FTA เขาก็ไม่ไม่ลงมาทําหน้าที่หนี้นะออที่อเมริกานี่เขาเขาไม่ได้ต้องลงมาควบคุมนะผู้บริโภคต้องดูแลตัวเองนะครับแต่ถ้าเรารู้ชัวร์เรามีทางเลือกที่เป็นธรรมชาติ สิ่เดี่ยวกินอาจจะเม็นเป็นเม็ดเหมือนกันหน้าตาอย่างเงี้ยคล้ายๆกันเป็นเม็ดเหมือนกันแต่การเป็นมาของมันมันคนละเรื่องะครับอืมอันนี้ไม่ใช่ของสังเคราะห์ครับเป็นของที่เราเลือกจากธรรมชาตินะครับแต่มันเบสก็ทําจากผักทั้งหมดนะครับที่เราปลูกเองนะครับแล้วมันปลาก็ผลิตจากปลาจริงๆที่เราไปจับมาจากที่ที่สะอาดนะครับเนี่ยครับก็เป็นก็จริงก็จบจบแล้วนะครับสำหรับพรีเซนเทชันวันนี้ครับก็อย่างอยากให้คิดะครับว่า ก็วันนี้ก็ขอให้เข้าใจเนาะก็เรื่องของเออเรื่องของไขมันเรื่องของโรคอ้วนนะครับกลไกในการทำงานของมันนะครับอยากให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถรู้รู้ได้ว่าเออเวลาเราไปอ่านในอินเทอร์เน็ตหรือเราไปหาข้อมูลที่อื่นเนี่ยเขาพูดมาว่าทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลดไขมันได้ลองมาดูกับที่ผมแนะนำไปเมื่อกี้ครับลองถามว่ามันทำงานยังไงอ่ามันทางานที่ อวัยวะมันทํางานที่เซล์ถ้ามันังทํางานที่เซลเนี่ยมันทำงานยังไงมันเป็นสารเคมีมันเป็นฮอร์โมนหรือไม่เป็นอะไรก็ว่าไปนะครับก็อยากให้เข้าใจจริงๆมันมีแค่ปริศนาไม่มีตัวเดียวนะเนาะพราะแฟเซลไขมันมีตัวเดียวอะเขาออกยังไงเราก็ ร, รู้รู้อยู่นะครับโอเคก็เดี๋ยวแต่นอกนอกจากอาหารเสริมที่ดีแล้วนะครับอีกอย่างหนึง่งจริงๆผมอยากพูดในเรื่องนี้มากเลยแต่ว่าไม่เพลินไม่มีเวลาเตรียมเห็นอาหารอย่างเงี้ยคิดว่าสารอาหารเยอะไหม แน่ใจหรือเปล่าอ่าตอนนี้อาจจะได้ยินใช่ไหมเรื่องที่ดินเริ่มขาดสารอาหารใช่ไหมครับแอมเบรเองกำลังจะย้ายฟาร์มที่แคลิฟอร์เนียเพราะบอกว่าดินไม่มีประสิทธิภาพแล้ว oh. อืมผมฟังผมก็ตกใจนะแล้วก็ไม่รู้ว่าพุทสารอาหารที่พูดถึงนี่มันคืออะไรจริงผมก็ อ, าอาธิบายแบบสดๆเลยผักอย่างเงี้ยสมมุติแครอทแครอทวิตามินเอเยอะนะครับแต่นอกจากวิตามินเอเนี่ยเราอยากได้อย่างอื่นด้วยเราอยากได้เกลือแร่ใช่ไหมครับ จากอาหารของเราแต่เกลือแร่เนี่ยถามว่าถ้าไม่มีเกลือแร่พืชมันโตได้ไหมจริงได้ครับเกลือแร่เนี่ยน้อยมากอันนี้พี่เยชานะน่าจะรู้ดีเลยการปลูกพืช น, นะครับพืชมัต้องการแค่จริงๆต้องการแค่สามอย่างถ้าพูดถึงสารอาหารไนโตรเจนฟอสเฟตโพแทสเซียมแอซ่าดีๆนี้เองขอให้มีสามอันนี้ครับดินคุณจะเป็นยังไงนะคุณปลูกได้เขียว็จีเลยสีสวยด้วย แต่อาจจะไม่มีไม่มีเกิดแรกนะครับเกล่าเนี่ยก็มันก็มามากับน้ําแล้วมันก็เข้าไปอยู่ในพืชเข้าไปอยู่ในดินก่อนแล้วค่อยเข้าไปอยู่ในพืชแต่พอเราปลูกพืชเยอะๆเราดูดสารอาหารมันมากกว่าที่เราจะใส่กับเข้าไปได้อ่ะจริงที่อเมริกา ร, รู้กันนานแล้วครับที่เซนเนตเขาก็เรียกว่าสภาสภารัฐบาลของเขาเนี่ยเริ่มรู้ปัญหานี้ตั้งแต่ปี1936เริ่มมีรีพอร์ตมาตลอดเกือบ70ปีที่แล้วอ่ะแต่เรื่องพวก น, นี้คนส ม, ม่าไม่รู้ครับ เพราะมันมีความจําเป็นนะครับคือที่ดินมันมันก็ไม่ได้ว่ามีมีไ ม, ม, ม่จะมีไม่จํากัดนะครับเขาต้องปลูกไปเรื่อยๆแต่พวกนี้คือเราก็ได้สารอาหารนะเราก็ได้วิตามินเราก็ได้เราก็ได้ก็วิตามิน ส, ส่วนใหญ่ได้โปรตีนตัวนิเวเทรนต่างๆแต่เราจะเริ่มขาดเกิืแร่แล้วถ้าเราทานแต่อาหารพวกนี้นะครับซึ่งก็เข้ามาเรื่องต่อไปเลยก็คือถ้าเราไม่ได้เกิืแร่จากอาหารเราเนี่ยเรายิ่งมันสําคัญมากที่เราต้องได้เกิืแร่จากน้ํานะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะสาธิตเรื่องของเครื่องกองน้ e ําอีสปิงให้นะครับเพราะเนี่ยอันนี้วันนี้ผมมีเพื่อนมาด้วยชื่อพี่หนุยพี่หนุยพูพดได้ดีมากเขาเจอคนคนหนึ่งนะครับเขาก็บอกเขาว่าเนี่ยเครื่องนี้นะผลิตน้าแร่ได้เลยค <Hey. S 1> ือนายห น, นุยมันเป็นน้าแร่เลยผมไม่เคยคิดเลยนะแต่จริงๆมันก็จริงนะครับจริงน้าแร่เนี่ยไม่ต้องไปถึงแอลฟก็หาได้นะครับไปถึงแค่เจ้าพยาก็เจอแล้ว คลองแสนแสบก็เจอแล้วน้ําเกิดแร่อย่างดีแต่ผสมยังเห็นมาให้เราด้วยนะครับก็คือน้ําน้ําตามธรรมชาติครับมันมีเกลือแร่เยอะเยอะเยอะมากอยู่ล้นะครับเราเลยจําเป็นที่เราต้องดื่มน้ําพวกนั้นนะครับแต่เดี๋ยวพอผมสาธิตตัวนี้ให้ดูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้กันว่าทําไมบางทีเนี้ยตอนนี้เราก็ไม่ได้ไม่ได้เกิดแร่จากน้ําแล้วเหมือนกันแล้วถ้าเราไม่ได้เกิดแร่จากน้ำแล้วไม่ได้เกิดแร่จากอาหารของเราอีกจะเกิดอะไรขึ้น นะครับถ้าเราไม่มีเกรือแรกมีโรคตามมาหลายอย่างเช่นโรค ก, กระดูกพรุนโรคหัวใจพองโตเป็นต้นนะครับก็โรคพวกนี้เป็นโรคของคนปัจจุบันจริงๆนะครับก็เดี๋ยวขอเข้าเรื่องเลยเนาะเดี๋ยวมาเราเรามาดูกันเรื่องเครื่องของน้ำโอเคอ่ะก็จริงๆ โอเคผมภาคครับผมภาคครับแนะนําตัวชื่อวินนะครับเรามีเวลาสิบนาทีพี่ิทําตามผมภาคเลยเพื่อความรวดเร็วนะคือเอ่อเนื่องจากพี่ลินอยากให้เรารับรู้อีกเรื่องหนึ่งที่มันสําคัญไม่แพ้กับอาหารก็คือน้ําซึ่งจริงๆแล้วอาหารกับน้ําเนี่ยน้ําเราได้เยอะกว่าด้วยนะครับแล้วมันก็เป็นส่วนที่สําคัญไม่แพ้อาหารเลยก็แหล่งที่มาของน้ําก็สําคัญเนะเดี๋ยว ผมมีเวลาสิบนาทีเพราะฉะนั้นมันจะเร็วมากใครตามไม่ทันไปเก็บเอาหลังเลิกนะครับก่อนอื่นก่อนอื่นนะครับึกภาแม่น้ําเจ้าพยานะครับมีหมาลอยเฮ้ยมีมีมีอ่ะมีบ้างแะอ่ะผมเคยเห็นอหละมีหมาลอยมีนู่นนี่นั่นมีผักตบชวาใช่ไหมครับน้าในแม่น้ําเจ้าพยาจะถูกนํามาทําบําบัดน้ําเพื่อให้เราใช้และดื่มกินนะครับนี่คือแม่น้ําเจ้าพยา แม่น้ําจ้พระยาจะมีสิ่งสกรปรกอยู่ในนั้นนะครับเราจะแทนด้วยสีผสมอาหารหนึ่งหยดเข้มข้นมากนะครับแล้วน้ําก็จะเปลี่ยนสีนะครับทําไมใช้โมเลก c ล l e ของสีเพราะว่ามันเล็กมากๆากแล้วจะพิสูจน์ให้ดูว่าอ e ีสปิงเนี่ยกรองสีได้นะครับอ่ทุกคนเห็นใช่ไหมครับแม่น้ํเจาพยาก็เริ่มสกรปรกก็จะมีสีชมพูเกิดขึ้นทีนี้วิธีการที่เอ่อกรมบําบัดกรมเขาเรียกอะไรกลมปลาปาใช่ไหมกลมปลาปลาประเทศไทยเขาใช้บําบัดน้ำเนี่ยเขาจะใช้คอรีน กรมป่าปาว่าตาทกยังไงกรมกันการป่าปาการป่าปานะครับดีมากทุกคนตั้งใจฟังมากการป่าปาจะบําบัดน้ําโดยการใช้คอรีดนแต่เขาจะเขาจะไม่ใช้คอรีดนที่เรากําลังจะใช้คือคอร์ดินน้ําเขาจะใช้คอร์ดินผงนะครับคิดภาพกระสอบเหมือนผงชูรสแล้วเทลงไปในหม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับประมาณนั้นต้องเทเยอะมากเด็ด อ่าวิธีการบาบัดเขาก็จะใส่คอรีนลงไปนะครับเราก็จะเทสให้ดูนะครับอ่าได้ได้อยากเช็คสีอ่าเช็คสีก่อนอันนี้ก็วิีกาจะอ่านอยแต่ว่าจะมีสีแดงอันน้ำน้ำที่ไม่ได้กรองรอ่าครับน้ำในแม่น้ำาจพยาส่วนน้ำที่กรองแล้วปล่อยไปไว้ข้างล่างเลยพี่เดี๋ยวขยิบส่วนน้าที่กรองแล้วนะครับก็จะไม่มีสีน้าที่ดีต้องไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสมีมมมละท่านะครับอ่า สังเกต oh. เห็นไหมครับถ้าเราเคยเราเคยใช้เครื่ององน้ำตามท้องตลาดไหมสองท่อสามสี่ร้อยบาทอะนะครับเ oh. ทน้ำแดงลงไปอะครับออกมาเป็นน้ำแดงนะครับอิตาอีสปริงกองน้ำแดงได้อ่าเห็นชัด น, นะครับต่อวิธีการบาบัดน้ำของประเทศไทยเขาจะใช้คอรี น, นะครับเราก็จะใส่คอรีลงไปใส่คอรีลงไปในการบาบัดนะครับเดี๋ยวทุกคนลองดูความพิเทลงไปเลยนั่นแหละ มันก็จะค่อยๆใสขึ้นเรื่อยๆเคยว่ยน้ําใช่ไหมครับว่ายน้ําอ่ะขึ้นมาเสร็จตัวเราจะเหียวเพราะอะไรพราะคอรีในนั้นนะครับ<อ>กิ่นคอรีก็กำลังโชยไปอ่านี่คือวิธีบําบัดน้ําเมืองไทยซึ่งจริงๆแล้วถือว่าล้าล้าหลังกว่ามาตรฐานระดับหนึ่งหลายประเทศที่เขาพัฒนานแล้วเลิกใช้คอรีแล้วอ่ะเรามาดูกันใหม่นะครับแต่กีนน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเฉยๆนี่คือน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่บําบัดแล้ว มาตั้งเรียงกันสามแก้วอ่าเห็นไห ม, <Ask S 2> ไมครับเริ่มใสขึ้นแต่เปน็นน้าปลาปลาเรามาใสเลยสมมุตินะครับสองแก้วนี้ตั้งอยู่ในตูเ้เย็นเรากลับมาหิวน้ํำเราเปิดตูเ้เย็นเราหยิบแก้วไหนแก้วที่เยอะกว่า<อ>กับ แ, แก้วที่เย็นกว่าถูกไหมครับ <erf> เราก็ไม่มีทางรู้ว่ามันแก้วไหนมันคือสะอาดหรือสปกปรกหรือสะอาดนะครับก็วิธีเทสเราอาจจะเทสไม่ได้แต่วินจะเทสให้ดูนะครับเทสคลอรีในน้ําคือกำลังพูดถึงคลอรีเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่าน้ำดื่ม ท, ที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยไม่ควรจะมีคอรีนอยู่นะครับวิธีเทสอบคอรีนเราก็มีตัวเทสอบคอรีนซื้อจากตูป้ปลาร้านขายตูป้ปลาครับถ้ามีคอรีนเนี่ยมันก็จะเป็นสีเหลืองเหลืองอเห็นไหมครับเหลืองเหลืองพิกิ้ใส่สักหยดสองหยดนะครับแปลว่าในนั้นมีคอรีนครับแล้วมาดูในน้ำอิสปริงที่กรองออกมานะครับว่ามีคอรีนไห ม, ไมไนะครับ ไม่ใส่แก้วอ๋อบบ น, นี่นี่คืออ e ีสปริงไหมครับอ่าพี่ย่อนเลยอีส e ปิงมันก็จะไม่มีสีเหลืองเพราะว่าอ e ีสปิงกองคอรีนออกไปแล้วนะครับคอลีนมีวิธีการบําบัดได้อีกวิธีหนึ่งคือทิ้งไว้กลางแดดทิ้งไว้เฉยๆอ่ะแล้วก็เปิดฝาแล้วมันจะระเหยออกไปแต่พอคอลีนนึกภาพผกผันนะครับคอลีนออกไปสิ่งที่เข้ามาคือเชลโลกอ่าเราก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะกินคอลีนหรือเชลโลกนะครับอีสปริงก็กองคอลีนออกไปนะครับออกไปแล้ว ตอนนี้ก็คือจะเป็นน้ําที่ไม่มีคลอรีนละเชื้อโรคเกิดไหมนะครับวิธีการดื่มน้ำที่ดีที่สุดที่จะแนะนําก็คือดื่มดื่มทันทีที่กองอะนะครับโอเคสองอย่างแล้วนะครับอย่างแรกกองสีอย่างนี้สองกองคลอรีนนะครับอย่างที่สามคืออ๋อย่างอย่างลืมครับแล้วเวลาเราซาวข้าวเราใช้น้ำอะไรครับน้ําปลาตาน้ําก๊อกนะครับเหมือนกันก็ใส่ข้าวลงไปมีใครชอบกินชาไหมครับชาถ้าใครใครอยากได้ภาพ ภาพนักกวัวน่กกวากลัวก็ดูแะ่กาวข้างหลังตามไปอันนี้คือท่อสมัยพ่อขุดลามไม่ถึงขนาดนะท่อที่เขาสร้างมานานแล้วอ่ะนะโอเคเลิกทาหดพอดีเลยคนเลยนะครับสาวข้าวเราก็เอาข้าวลงไปในน้ําปรับตาแล้วก็ซาวนะครับสีเหลืองหายไปปะครับนะ้ำหายไปไหนก็ไม่ได้หายไปไหนก็เข้าไปในข้าวนะครับแปลว่าอะไรครับข้าวมีคุณสมบัติการดูดซึมแบงพันเปียกเอาไปยัดถังข้าวสารวันรุกขึ้น หายบีเอาไปไม่ีทั้งของกินของกินยัดไว้นะครับข้าวมีคุณสมบัติการดูดซึมเพราะฉะนั้นมันเลยดูดคอรีนไปหมดเลยนะครับค่ะก็ข่าวดีนะครับก็คือเราใช้น้ำปลาปลาสาวข้าวใช่ไหมครับเราก็เอาคอรีนในน้ําเข้าไปในข้าวแล้วเอาเอาสารอาหารในข้าวออกมาในน้ําแล้วเราทำไงกับน้ําเทออกนะครับแล้วก็ใส่น้ําอีกรอบหนึ่งสักสองสารอบนะครับสารอาหารที่เราควรได้ก็หายไปกลายเป็น ข้าวผสมคอรีนเพราะฉะนั้นการเสาข้าวที่ดีนะครับควรใช้น้ำแร่สาไม่ควรน้บไม่ใช่น้ำที่มีคอรีนแล้วก็ถ้าจะให้ดีข้าวเอ็มวีไม่ต้องเสานะครับเป็นสุตรากาศแพคมาเลยโอเคเดี๋ยวใครมีคำถามอาจจะให้สักสองคำถามตอนเลิกนะครับต่อไปนะครับนอกจากสาวนอกจากสาข้าวแล้วมีใครดื่มชาไหมครับดื่มชาโอเคนี่คืออันนี่คืออีสปิงนะครับ ที่เทสคอรีนแล้วไม่มีนี่คือน้ำปลาปลานะครับผมเอาไว้จ่อมันต้องเป็นสีเหลืองนะเห็น oh. ไหมครับเ oh. พราะว่าในน้ำปลาปลามีคอลีนจะให้ดูอย่างหนึ่งคือชานะครับใครชอบกินชาวิธีการต้มชาเราก็เอาน้ำปลาปลาใส่เข้าไปในเขาเรียกว่าอะไรอีกแล้วนะการตา ก, การต้มน้ำไม่ใช่การหล็กการต้มน้ํานะครับแล้วเราก็เอาการานั้นไปต้ม oh. นะครับถึงคลายแม็กก์แล้ว แล้วคลอรีนมันอันตรายยังไงนะครับคลอรีนอันตรายก็คือคลอรีนเนี่ยเป็นเป็นสารที่เมื่อโดนความร้อนจะจะเปลี่ยนเป็นคลอโรฟอร์มนะครับและสารตัวนี้ก็เป็นสารก่อมะเร็งเวลาต้มชาเราใช้ในความร้อนนะครับเวลาหุงข้าวเราใช้ความร้อนคลอรีนผสมกับชาคือชาสักในน้ำํำนะพูดไม่ชัดดีกว่า <laughs> ไปดูดูนะครับเร็วกว่าข้าวอีกคราวนี้โอเคครับพี่พี่กี่คนเลยมันเหมือนเล่นกลนแหละมันฟึบหายไปเลยนะครับเพราะใบชามัน แขงกว่าข้าวาไงอ่าเพราะฉะนั้นเวลากินชาเนี่ยคือเต็มเต็มนะครับเข้าน้ําที่เรากินนี่คือเต็มเตมเลยพวกเนี้ยฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเริ่มเอะใจว่าทําไมคนบางคนชีวิตดูแลสุขภาพออกกำลังกายไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะครับแต่สุดท้ายเป็นมะเร็งเพราะมันมีเรื่องพวกเนี้ยที่อยู่ในชีวิตประจาําวันซึ่งเขากินทุกวันวันละสองลิตรกว่าอย่างเงี้ยครับผ่านไปสองอย่างนะเพราะฉะนั้นคอลีนไม่เหมาะสําหรับการ ดื่มเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรทานน้าที่มีคอรินควรเอาออกก่อนน้ำปลาปามีคอรีนไหมครับ <Okay. S 1> อ่าเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อนะครับเรื่องน้ำปลาปลาดื่มได้ไม่ต้องคิดถึงภาพคอรีนแค่คิดภาพท่อดอะไรเงี้ยกว่ามันจะมาถึงนะผ่านอะไรมาบ้างนะครับโอเคเรื่องที่สามพี่กิตพูดเรื่องแร่ธาตุแร่ธาตุเราไม่ต้องขึ้นไปภูเขาสูงๆเพื่อไปเอานะครับหรือว่าขุดลึกลงไปสิบกิโลเมตรไปเจอหรือว่าอะไรนะ มันอยู่ที่ไหนนะออร์ลน่ะอ๋อแม่ลิมนะครับไม่จําเป็นเพราะน้ําทั่วโลกนะครับยกให้น้ํากลั่นคือน้ําทั่วโลกนี่มันมีแร่ธาตุอยู่แล้วจะไปดื่มน้ําจ้าพยาก็มีแร่ธาตุแต่มันมีเกินแร่ธาตุที่เราต้องการนะครับก็คิดภาพตะเกียพี่พี่พี่คิดบอกตูนบอดี้สลัมใช่ไหมครับมาทั้งวงแต่เขานี่มาเกินนะครับมันก็คือวงดนตรีแต่มันมาเกินอ่ะเราไม่ได้ต้องการแร่ธาตุตรงที่อื่นวิธีการเทสอแร่ธาตุก็คือเราจะใช้ตัวเทดสแร่ธาตุนะครับ น้ำที่ดีก็คือไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีรสแล้วก็ต้องมีแร่ธาตุน้ําที่ไม่มีแร่ธาตุเช่นน้ําตามทองตลาดบางชนิดเดี๋ยวเราจะเห็นได้จากการสาธิตอ่านี่ก็ซื้อมาจากาซื้อมาจากบาลนะครั บ, <laughs> บ <laughs> โอเคแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับเราก็เห็นบ่อยๆยี่ห้อยี่ห้อไหนแพงกว่ า, าอ่าเพราะว่าอะไร อ่านะครับเป็นน้ําแร่มันเหมือนกับอะไรครับมันเหมือนกับมันเหมือนกับการตลาดคําว่าออร์แกนิกอะออร์แกนิกนี่คือมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะทําฟาร์มสุดท้ายก็อุตสาหกรรมเข้ามาแล้วก็ต้องมากับ back to basic นะครับอาหารออร์แกนิกแพงขึ้นสามสเท่าเหมือนกันเลยน้ําปกติเป็นน้ําแร่มาทําให้ไม่เป็นน้ําแร่แล้วก็ออกกลับไปเป็นน้ําแร่แล้วก็ราคาแพงขึ้นอ่าเทะง่ายๆมีตัวเทสตเอ่อตัวเทสและถ้าซื้อได้ตามปั๊มน้ํามันเข้าไปเทสต์น้ำกลัน่นเพราะว่าถ้าน้ํากลัน่น หยาบลงไปใส่น้ำกันน้ำใส่น้ำที่มีละธาตุลงไปในแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่ก็จะเสียเร็วนะครับเพราะฉะนั้นต้องเ e s t ว่าน้ำกันพอมหรือเปล่าตัวนี้นะครับวิธีการทดสอบถ้าน้ำนั้นไม่มีละธาตุมันจะออกมาเป็นสีน้ำเงินเห็น oh. ไ, ไหมครับออกมาเป็นสีน้ำเงินดำๆถ้าน้ำที่มีละธาตุจะออกมาเป็นสีม่วง <Yeah. S 1> อนะครับ oh. ทีนี้เรามาดูขวดนี้ขวดนี้เป็นน้ำที่ขายดีขายดีอเป็นยอด ต, ต้ต้นของประเทศเลยนะครับ ยังไม่หยดเลยนะครับอ่ามีไม่มีครับเพราะฉะนั้นไม่ควรดื่มเนอะจริงๆแล้วเนี่ยคุณสมบัติของน้ําตัวนี้เท่ากับน้ากัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบน้ําดื่มน้ำตัวนี้กินน้ํากรดก็ได้ถูกกว่าด้วยสรุปก็คือไม่เหมาะสําหรับดื่มเพราะอะไรเพราะน้ําที่ไม่มีแร่ธาตุจะทําให้นึกภาพนะครับเราเรียนมา4คอร์สละในเส้นเลือดเราจะต้องมีภาวะความเป็นกรดดื่มน้ําที่ไม่มีแร่ธาตุเข้าไป มันต้องดึงภาวะความเป็นด่างมาเพื่อเจอจางให้ให้ให้ละให้เดี๋ยวผมงงโอเคเอาใหม่เอาใหม่นะครับแร่าตุคือด่างและธาตุคือด่างถ้าเส้นเลือกเป็นเส้นเลือกเป็นกรดมากเกินไปจะไม่ดีนะครับมันก็ต้องมีด่างเข้าไปเจอจางให้มันอยู่ในสภาวะที่สมดุลถ้าเราดื่มน้ําที่ไม่มีแล่ธาตุเข้าไปเยอะๆมันจะมีภาวะความเป็นกรดสูงลองเอาน้ํากลั่นไปเทสนะจะออกมาเป็นกรดอ่อนๆนะเป็นกรดอ่อนๆเพราะฉะนั้นมันควรเราควรจะดื่มน้ําที่เป็นน้ําด่างเป็นน้ําด่างนิดๆ แล้วมันก็จะมีการตลาดเรื่องน้ำด่างด่างออกมาอีกเดี๋ยวถามทีหลังได้เยอะมากนะปัจจุบันน้ำดื่มประเทศไทยนี่มัวโซวามากนะครับโอเคสรุปจบแล้วน้ำดื่มที่ดีไอไม่หยด อ, อีสปิงอ่าอีสปิงมีละท่านไหมครับอ่าแล้วมันต่างไงกับออร่าโอ้มาต่างยังไงกับน้ำยี่ห้อนี้มีละท่านเหมือนกันนะครับไอนี้ใส่ขวดอีสปิงอยู่ในอยู่ในเครื่อง ไม่ใช่นะครับรอย่างแรกราคานี่เท่าไหร่ครับสิบบาทห้าร้ยมิลลิลิตรหนึ่งลิตรเท่ากับยี่สิบบาทตัวนี้นะครับตกเฉลี่ยออกมาลิตรหนึ่งอยู่ที่ประมาณหนึ่งบาทถูกมากนะครับลองติดต่อคนที่ชวนท่านมาได้นะครับไหนๆจะดูแลสุขภาพแล้วเนี่ยให้มันครบวงจรไปเลยแล้วเราจะได้ประหยัดเวลาซื้อน้ำข้างนอกด้วยนะครับแล้วเราจะได้เลือกถูกด้วยว่าน้ายี่ห้อไหนไม่ควรกิน นะครับไม่งั้นน้ำเชื่อผมนะไม่อีกห้า้าสิบปีข้างหน้าถ้าน้ำนี้ยังขายดีที่สุดในประเทศอยู่นะครับจะมีคนเป็นโรคหัวใจพองโตเต็มไปหมดนะครับเพราะมันมันทำให้ร่างกายแปรปวนอ่ะนะครับมันไม่ใช่ธรรมชาติที่มันควรจะเป็นจบนะครับอยากสอบถามสอบถามที่หลังได้นะครับเดี๋ยวขอขึ้นมาให้พี่กิษครับโอเคก็ขอบคุณวินมากนะครับที่ช่วยขึ้นขึ้นมาช่วยอธิบายให้นะครับแล้วช่วยช่วยสาธิตนะครับ ก็ขอเสรีมมินให้ eSpring ด้วยครับอืนะครับจริงๆก็วันนี้คือผมเองก็เตรียมข้อมูลมาเยอะมากถ้าใส่เยอะเกินไปหน่อยแล้วไปหน่อยก็ขออภัยด้วยด้วยนะครับแต่ก็คิดว่าทุกคนก็คงได้ความรู้เพิ่มใช่ไหมครับวันนี้โอเคนะครับก็อย่างที่วินพูดเมื่อกี้นะครับคือนอกจากอาหารเนี่ยแน่นอนว่าน้ําตอนนี้ก็สำคัญมากนะครับแล้วนอกจากเรื่องของอาหารเนี่ยจริงๆเนี่ยความรู้พวกนี้เป็นความรู้ที่ทุกคนสามารถหาได้นะครับ วันนี้เนี่ยผมก็แค่ทําหน้าที่ในการหาข้อมูลพวกนี้มามาให้ท่านก่อนนะครับแต่ข้อมูลที่ผมหามาไม่ใช่ข้อมูลที่เข้าจะยากขนาดนั้นนะครับเป็นข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาได้นะครับผู้บริโภคทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับเพียงแต่พวกเราไม่เคยได้คิดไม่เคยได้เข้าถึงในบางครั้งนะครับแต่ต่อไปนี้นะครับก็จะขอให้ตัวผมเองนี่ก็เป็นอืมถ้าเป็นอาหารก็คงเป็นแค่อาหารเสริมเล็กๆอนะครับคนต่อไปคือโต๊ะจินเออ นะครับคือความรู้เนี้ยเต็มเปี่ยน ม, มากกว่าผมอีกนะครับอาหารเสริมผมมีมีไวแค่แซมนะครับแต่ของคนที่คนนี้คือเมนคอร์สอ่าเนี่ยผมเป็นแค่ออปิทายเซอร์นะครับนะครับเพราะคนนี้นะครับก็แน่นอนนะครับอาจารย์ของพวกเราเองนะครับซึ่งทําไม่ไม่มีพี่ลินเนี่ยผมก็คงไม่เคยได้ศึกษาเรื่องเรื่องพวกนี้อืมและที่น่ากลัวคนนั้นถ้าผมไม่รู้เรื่องพวกนี้เนี้ยผมก็คงดื่มน้ําสิงต่อไปนะอาหารเสริมที่แม่ผมพยายามมาให้ผมทานผมก็บอกแม่พูดอะไรไม่รู้เรื่องไม่ฟังไม่ทัน อ่าเพราะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับอืมก่อนที่ผมได้เข้ามาบรรยากาศเนี้ยไม่ไม่เคยคิดสถานเลยนะครับก็ได้ได้อาจารย์นะครับแล้วก็ได้บรรยากาศที่นี่เนี้ยช่วยหล่อหล่อให้ผมเป็นผู้เรยพระที่ฉลาดขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับแต่ก็ยังมีหลายๆเรื่องนะครับที่อาจารย์เนี้ยสอนผมไปเยอะมากนะครับซึ่งวันนี้เนี้ยเดี๋ยวผมลงจากเวทีก็จะไปจดแล้วก็ไปฟังอาจารย์ท่านนี้สอนเหมือนกันนะครับก็ถ้าทุกคนพร้อมแล้วพร้อมหรือยังครับอ่าพอพร้อมแล้วขอยืนให้ทุกคนยืนขึ้นนะครับอ่ายืนยืนขึ้นนะครับแล้วก็ ขอเสียงปรบมือให้กับคุณลีรพัฒน์สัจพนกุลด้วยครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากยืนเล่นโต๊ะยืนเต้นต่อไหมคะเออยืนเต้นต่ออีกแป๊บหนึ่งดีไหมคะอ่าดีเจเปิดเพลงเอ้ยเอ้าพูดจริงนะ เพราะว่าต้องใช้เวลาในการแบบเคลียร์พื้นที่นิดหนึ่งนะคะเนา ะ, อะโอเคยอดมากมาทางนี้เนาะดีไหมเนอะเพราะว่าอากาศมันแบบว่ามันอบอบ น, นิดนิดเนาะวันนี้ทำไมก็ไม่รู้ นะวันบางวันก็แอร์เย็นซะจนแบบต้องเอาผ้าห่มมาห่มกันเลยทีเดียวแล้ววันนี้เนี่ยนะพอมีคนคือคืนหน่อยแอร์ตกใจทําไมคนเยอะนะแบบว่าแอร์ตกใจทํางานไม่ปกติเลยนะคะให้ใครร่างกายเราเนาะเวลาตกใจก็จะทํางานไม่ปกตินะคะภาะวะอะไรเกินอะไรขาดก็จะเป็นอย่างงี้นะคะอ่ะนะเดี๋ยวแนะนําตัวนิดนึงนะคะวันนี้ก็มีคนหน้าแปลกมาบ้างมีคนแปลกหน้ามาบ้างเออนะคะใครหน้าแปลกใครแปลกหน้าก็ว่ากันเอง <c oughs> นะคะก็เอ่อ คือยืนอยู่วันนี้นะคะก็เป็นคนที่ไม่ได้มีเครดิตอาจจะเป็นเขาเรียก อ, อะไรเราไม่ได้จบโภชนาการมานะหรือว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าคือจริงๆเป็นนักวิทยาศาสตร์น ะ, ะแต่ว่าไม่ได้จบด้านโภชนาการมานะคะแต่ว่ารู้กลไกคูลินเนอร์จบเคมีชีวเคมีคือมันมันเป็น มันเป็นเมเจอร์ที่ควบกันคือมันเกี่ยวกับทั้งชีวะและเคมีเนี่ยอไมะกลไกในร่างกายในเรื่องของการสร้างพลังงานเผาผลาญนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าการที่ยามีผลกระทบกับเราอะไรพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เรียนเรียนตอนที่เรียนปอตรีอยู่ที่ U C L A ที่อเมริกานะคะก็เรียนเรียน U C L A มาสี่ปีห้าปีนะคะก็เรียนละเอียดมากน ะ, ะเรียนเสร็จแล้วก็ค้นพบว่าวิทยาศาสตร์แม่งไม่ใช่คาตอบของกู <c oughs> นะใครเรียนไปสี่ปีนะคะรู้สึกแบบนี้น ะ, ะไม่ต้องเสียใจมีเพื่อนนะคะเนี่ยมิศว่าการบินไม่ใช่กู <c oughs> นะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าตอนที่เราเลือกคณะที่เราเลือกใช่ไหมคะเราเอาวุฒิภาว่าของเด็กอายุสิบเจิบปดไปเลือกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนนะมันไม่สามารถกําหนดชีวิตเราได้ตลอดชีวิตนะอย่าเสียดายสี่ปีนะคะจงเสียดายสีิบปีข้างหน้านะคะก็อยจะบอกว่านี่ก็คือเรื่องหนึ่งที่เราตัดสินใจว่า กูจะไม่ยอมเสียดาย5ปีนั้นนะคะไม่ยอมเสียดาย5ปีนั้นเด็ดขาดนะคะเพราะว่ารู้ว่าชีวิตจะต้องไม่เป็นแบบที่เราต้องการแน่นอนนะเพราะงั้นก็เลยตัดสินใจนะคะเป็นเข็มมาไปในทางของธุรกิจแทนก็ได้ฝึก ง, งานที่ธนาคารกรุงเทพนะคะแล้วก็ไปทํานู่นทํานี่แย้ทําทำจริงๆก็ไม่เยอะหรอกนะคะก็ไปทําคอนซิลล์อยู่ปีกว่าทำคอนซิลล์อยู่ปีกว่าไม่เกี่ยวกับอะไรกับ ชีวเคมีเลยนะคะอาจจะแบบดูเหมือนจะเกี่ยวข้องเล็กน้อยนะคะในเรื่องของโรงงานหรือบริษัทที่เป็นเคมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ให้คำแนะนำกับบริษัทใหญ่ๆซึ่งแบบเป็นร้านสะดวกซื้อขายซลาเปาขนมจีบนึกออกไหมคะในร้านที่แบบรับสาลาเปาเพิ่มไม่ค้าเนี่ยนะคะก็ทำกงส์เซ้ร์ให้บริษัทใหญ่ๆนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มาทำงานที่บ้าน ถ้าทากันที่บ้านนะคะเกี่ยวกับรถก๊อบนะคะก็ไม่เกี่ยวอะไรเลยนะคะกับอาหารกับสุขภาพหรือว่ากับความเป็นความกันที่เราเรียนจบเตรียมแพทย์มาฮะรถก๊อบขัดปดรถก๊อบขัดน้ํากลั่นนะคะแล้วก็ต้องขดัดเบาให้ขาวนะคะโคตจะไม่เกี่ยวอะไรเลยเก็บคู ป, ปองเอาตามสนามก๊อบนะคะเหนื่อยมากเลยนะคะตอนนั้นก็ ท, ทําธุรกิจที่บ้านนะคะทำหลายอย่างมากที่บ้านทําโซล่าเซลล์ที่จอรถอะไรต่ออะไรเยอะแยะเอาเป็นว่าถามว่าแล้ววันนี้มารู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไง นะคะจริงๆเราก็โชคดีที่เรามีพื้นฐานใช่ไหมคะมีพื้นฐานเพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่เราเรียนมาคือที่แม่รื้ว่าตอนที่ตอน ท, อนที่ตอนที่วันนี้นั่งอ่านอาร์ติเคิลต่างๆพวกเปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยในในอินเทอร์นเน็ตที่แบบนักวิทยาศาสตร์หรือโรงพยาบาลหรืออะไรพวกนี้ยเขาค้นคว้ามาตรงนี้ก็อี้นี่มันมีใครนั่งเหรอคะตรงกลางเนี้ยเพราะว่าข้างหลังเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นหน้ากันอยากให้ขยบขึ้นมาใกล้ๆอ่ะดีไหมคะมันมีที่นั่งอยู่สามที่ใครเสีย ใครจะพลีชีพเพื่อชาติอาหะกระเถิบเข้ามาดีไหมคะเออดีดีดีค่ะมากระเถิบเข้ามาใกล้ๆดีกว่าเพราะว่าเราอยู่ใกล้ๆจะได้เห็นกันชัดๆนะครับบางทีหลบอยู่ข้างหลังหัวพี่ดอมบ้างอะไรบางมองไม่เห็นนะคะพี่ดอมตัวสูงเนีย่ยทีหลังตัวสูงต้องไปนั่งหลังๆนะอุอ้ยรอเล่นโอ้ยพี่โยนวันนี้ตั้งใจสุดๆเลยโอ้ยที่นั่งวีพีนะแบบบาเอนต้องถอยคนพูดต้องถอยนะคะเพาจะสูงเออ กลหัวสูงไม่เป็นไรค่ะเราเล่นนะคะโอเคดีดูหนาแน่นขึ้นนะคะเราจะได้แบบว่าใส่ลงไปเยอะๆไม่ใช่จะไม่ได้ไม่ได้เล่นของนะคะโอเคเอาละ่ะนะคะก็ background เ, เล็กๆน้อยๆนะคะก็คือว่าพอเขามาทำแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ว่าพอเข้ามาศึกษาหารเสริมเดิมเนี่ยคือเรื่องจากว่าเราอ่ะรู้เยอะนึกออกไหมคะรู้เยอะ คือจริงๆก็ไม่ได้รู้หรอกคือเรามานั่งอ่านอย่างที่บอกอ่านอาร์ติเคิลวันนี้อ่านพวกเรื่องการลดน้าหนักสารพัดชนิดอะที่มีอยู่ในท้องตลาดที่เกิดขึ้นใหม่ที่เกิดขึ้นเก่าที่มันไม่ได้ผลแล้วที่ไม่ได้ผลแล้วเอากลับมาพยายามให้ได้ผลใหม่เนี่ยนึกออกไหมคะก็แบบหลายตลบหลายสิ่งมากนั่งอ่านเสร็จแล้วเนี่ยก็มาค้นพบ ว, ว่าเฮ้ย hey, ที่เราเรียนไปตอนมหาลัยนี่เราเรียนอะไรไปบ้างวะเนี่ยจําไม่ได้สักอย่างเลยนะแล้วก็คือแต่ว่าคือชื่อต่างๆที่เราได้ยินเนี่ยมันจะคุ้นหู ไม่ออกไหคะแบบว่าสารอะไรต่างๆภูมิต้านทานเอยเรื่องโรคเสื่อมเอยเรื่องการลดความอ้วนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือกระบวนการในร่างกายชื่อมันจะคุ้นแต่เราก็ต้องมาทําความเข้าใจกับมันใหม่เพราะว่าการเข้าใจตอนนี้ที่เราเรียนกับตอนที่เราทําความเข้าใจกับตอนที่มีผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วมีผลกระทบกับร่างกายยังไงเนี่ยมันคนละคนละด้านกันเพราะเราเรียนด้านทฤษฎีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ออกมาแบบให้เราเข้าใจแบบนั้น ก็โชคดีนะคะได้ได้ได้มีพื้นฐานตรงนี้แล้วก็เลยได้เคยสร้างต่อยอดต่อไปนะคะก็อันนี้ก็คือจุดหนึ่งนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เรนคิดว่าส่วนที่คุริฟายก็คือเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของตัวเองเลยโดยตรงตอนที่ตลอดระยเวลาตั้งแต่ศูนถึง30ิเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพไม่ดีมากๆหลายๆคนเคยฟังแล้ในเขาที่แล้วนะคะก็เกิดมาก็ชักไป3ามรอบไข้ขึ้นสูงมากนะคะแม่ผ่าโรงพยาบาลแทบไม่ทันนะคะผ่าตัดตาไปสามรอบกล้ามเนื้อตาไม่แข็งแรง ะะผ่าตัใช้ติ่งตั้งแต่อายุสิบเอดนะคะเป็นไข้เลือดออกและมาเลียเียพร้อมกันตอนอายุเจ็ดบปดขวบะนะคะตลอดระยะเวลานั้นถ้าเป็นเช้าวันจันทร์จะไม่สบายตลอด oh. อันนี้ไม่เกี่ยวกับไ ม, ไม่เกี่ยวกับสุภาพไอันนี้ไม่เกี่ยวสุภาพบแร็ษรเกี่ยวกับไม่ชอบไปโรงเรีย น, นะะแม่บอกเหมือนสั่งได้เลยจันทร์เช้าปุ๊บไขขึ้น oh. พอผ่านไปถึงสิบเอ็ดโมงปุ๊บไข้ลด S <S <S เป็นอย่างนี้ทุกวันจันทร์เลยโอ้ยชอบตัวเองจริงๆเลยนะคะก็นะคนที่เรียนไม่เก่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเกี่ยวกับกายภาพนะคะเพราะว่าเจอโรงเรียนแล้วกลัวใครขึ้นนะคะอันนี้เป็นแรงจิตเล็กน้อยนะคะเป็นคนไม่ชอบเรียนหนังสือนะคะก็เลยเป็นเรื่องอีกสาเหตุหนึ่งว่าทําไมถึงไม่เรียนต่อหมอเลยทำไมเพราะว่าเมืองนอกเนี่ยเรียนเตรียมแพทย์4ี่4ปีแล้วต้องไปเรียนแพทย์อีก4ี่ปีแล้วเรียนเฉพาะทางอีกอย่างน้อย4ปี แมงเรียนเย็นไม่หาผัวไม่ได้อนั้นนะก็ประมาณนั้นนะคะก็เลยคิดว่าโอ้โหสงสัยไม่ใช่เราแล้วเนาะทํำไมอย่างเราต้องออกมาเร็งล่าไปอยู่โรงพยาบาลกับคนป่วยโอ้ไม่ไหวใช่ไหมคะอย่างวันนี้ดูที่แค่มันจะมาสอนอาหารเสริมยังต้องม้วนผมเลยปกติไม่ได้เป็นทรงนี้นะคะไม่หอกก็บอกพี่กีบอกว่าเนี่ยเราต้องเหมือนกันมากขึ้นพี่ไปตัดบ๊อบหรือไม่ลิงก็ต้องม้วนผมปรากฏแกบอกว่าพี่ตัดบ๊อบไม่ได้ผมพี่เยอะมากก็เลยต้องม้วนผมนะ อ่าโอเคนะคะเอาวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการเอางี้ดีกว่าลินจะบอกว่าหลายๆคนในที่นี้ก็ไม่ได้อ้วนอ่ะอ่าลินบอกแล้วลินสุขภาพไม่ดีใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อปีประมาณสองพันเจ็ดนะคะก็ค้นพบว่าตัวเองเนี่ยเป็นเนื้องอกในบอลูกคือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขโมดปมทุกอย่างไเสร็จรวมเลยนะคะว่าหนึ่งคือโรคเกี่ยวกับโรคผู้หญิงเมื่อกี้เราเห็นหลายโรคใช่ไหมคะทั้งความสวยงามด้วยแล้วก็เกี่ยวกับโรคผู้หญิงด้วยเช่นประจําเดือนไม่ปกติด้วยเยอะแยะ แล้วเรื่องที่สองก็คือเรื่องของความอ้วนอ่านะคะก็เอาลิลลีฟ่ฟาร์มปี2007นะคะก็ค้นพบว่าตัวเองมีเนื้องอกคือค้นพบตั้งแต่ปีประมาณ2003 2004ว่าตัวเองเนี่ยมีเนื้องอกแต่คือเนื้องอกในมดลูกสำหรับผู้หญิงเป็นเรื่องปกติอย่าตกใจไปทุกคนจะมีหมดเลยโดยเฉพาะคนที่ไม่มีลูกหรือว่าคนที่แบบว่ามีลูกไปแล้วนานๆแล้วก็ไม่ได้มีลูกเลยเหนือไหมคะ อ่ะเป็นเรื่องปกตินะคะเรื่องธรรมดามากไม่ต้องตกใจสองเซนสามเซนปกติมากนะคะของลิ้นเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเื่อๆืๆนึกออกมอ่ะตบโตขึ้นมาจนไปกลายเป็นคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีผลอะไรเขาก็ตรวจแล้วก็ไม่ได้มีไม่ได้พบว่ามันเป็นเป็ น, เ, ป น, เ, นเนื้อเนื้องอกที่เป็นมะเร็งอ่ะมันเป็นเนื้องอกเฉยๆอ่ะนะก็ปกติแล้วสิ่งที่จะมาทําให้มันหายไปปกติใช่ไหมผู้หญิงอายุสักสิบ ห้าสมมุติสิบสี่สิบห้ามีประจำเดือนมีประจำเดือนใส่็ปุ๊บ ก, ก็ประมาณสักยี่สิบสามสิบมีลูกใช่ไหมคะพอยี่สิบสาสกว่ามีลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยคือช่วงที่มีลูกเนี่ยฮอร์โมนมันจะเปลี่ยนแล้วมันจะทําให้เนื้อ ง, งอกนั้นฝ่อตัวลงพอฝ่อตัวลงเสร็จพอคลอดลูกไปสักพักหนึ่งฮอร์โมนกลับมา ป, ปกติใหม่เนื้อ ง, งอกก็ขยายตัวใหม่แล้วเราก็เข้าวัยทองแล้วเนื้อ ง, งอกก็ฝ่อไปอีกนี่คือไซโครปกติของมนุษย์ใช่ไหม แต่ว่าของเล่นี้คือไ ม, ไม่ปกติเพราะว่าไม่ได้มีลูกใช่ไหมคะก็เลยเนื้อ ง, งอกมันก็เลยโตมาเรื่อยเรื่อเื่อยรื่อกว่าเราก็เลี้ยงดูมันอย่างดีเลยนะโอ้โหกินอาหารทุกมื้อใช่ไแฮปปี้นะแถมกินอาหารเสริมมีสุขภาพดีด้วยนะคะก็คนพบแล้วไม่มีมะเร็งแต่บางเอิร์นมันแบบมันไปเกิดผิดตำแหน่งมันไปอยู่ในตำแหน่งที่ไปกดท่อกอระเพาะปัสสาวะนึกออกไหมคะทำให้เราอะปะสัสสาวะบ่อยมาก แล้วก็บวกกับว่าการที่แบบผนังคือมันไม่ได้เป็นเนื้องอกเป็นก้อนมันทําให้ผนังเนื้องออ่ะมันเป็นหลายประเภทมันมีหลายประเภทแล้วเนื้องอกในเนื้อลูกเนี่ยเนื้อลูกเนี้ยมันเป็นเหมือนส้มที่แกนน่ะนึกออกไหมคะเคยกินส้มแกนแกนไหมเออมันก็มีเนื้อส้มมันก็มีน้ํานิดนี้แล้วก็แห้งแห้งแข็งแข็งใช่ไหมคะก็แทนที่มันจะเป็นเนื้อมันลูกนี่เป็นกล้ามเนื้อยืดได้หดได้ขยายได้ใช่ไหมเวลามีเด็กเข้าไปอยู่ในนั้นมันก็ขยายอ่าวเวลาไม่นํามันก็หดลงมาถูกไหมคะ อ่านะคะก็พอเสร็จแล้วเนี่ยก็ไอตัวเนี้ย ม, มันกลายเป็นเนื้อแกนแกนแล้วไอเนื้อแกนแกนเนี้ยมันก็ทำให้การบีบตัวของมดลูกเป็นไปนได้ยากมากเวลาจะบีบตัวเพื่อให้ประจำเดือนออกอ่านะคะประจำเดือนอันนี้สำหรับผู้ชายได้เรียนรู้ด้วยดีไหมคะเนาะถึงแม้ว่าตัเองจะไม่มีมดลูกนะคะแต่ลูกเราก็เกิดในมดลูกนะคะก็จะได้รู้ว่าถ้าเกิดมีเมียแล้วต้องดูแลยังไงเออดี่ไหมอ่านะคะมดลูกของเรานะคะ จะวาดรูปก็ยังไงอยู่วาดรูปไหมวาดเลยวาดเลยอโอเคนะคะโต๊ะนี้มันชั่งขัดลาบจริงอ่านะก็มื่ลูกเราจะสีเขียววันนี้อันนี้คือฉลามเมื่อสองอาทิตย์ทีท่แล้วเ <c oughs> มื่ออาทิตย์ทีท่แล้วฉลามเรานี่คลาสสิกมากมีคนมาเขียนตามรอยเดิมนะคะแล้วก็ถ่ายรูปไปด้วยนะคะท้องหนันนั่นเองโอเคมื่ลูกนี่หน้าเหมือนคาราบาลนิดนิด เหมือนไหมอุ้ยเหมือนหัวหวัวเออประมาณนี้นะคะนี่คือสบายว่าปกติเนาะแล้วก็ลงมาเป็นช่องคลอดใช่ไหมคะอ่าตรงเนี้ยคือที่เ้าเรียกว่ารังไข่รังไข่เนะี่ยโอเคไหมอย่าให้มันตกเวทีเป็นใช้ได้อ๋อบังพัดลมก็ยกพัดลมขึ้นมาเอาพัดลมเอาพัดลมยกขึ้นมาสิเออได้เลยนั่นแหละ โอเคค่ะก okay, ็คือมนลูกใช่ไหมคะนะเวลาเราจะมีประจำเดือนใช่ไหมร่างกายเราก็จะบวมอืมนะคะก็จะมีเยื่อบุผนังมนลูกจะเกิดถ้าสมมุติว่าไข่เนี่ยมันจะสลับกันทำงานเดือนเว้นเดือนเดือนเว้นเดือ น, อ น, อ น, อนขี้เกียจมากนะคะอันนี้ทำเดือนหนึ่งก็ไหลลงมาบางคนก็จะมีปัญหาไข่ไปติดอยู่ในเนี้ยแล้วถูกถูกอะไรนะถูกปฏิสนธิอะ ใช่ไหมคะอ้าก็จะมีปัญหาเรื่องกันบีลูกก็ ค, คือไข่มันไม่กระเด็นออกมาลงอยู่ในนี้ไข่มันต้องลงมาฝังตัวในผนังบนลูกนี่ใช่ไหมมันก็จะแบบเหมือนเป็ น, มนเมล็ดพันธุ์อ่ะที่มีดินอุดมสมบูรณ์อ่ะเสร็จแล้วพอวลาเจอสเปิร์มมาโป๊ะเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมมันปะกันเรียบร้อยแล้วมันก็กลายเป็นเด็กไปเลยใช่ไม่มถ้าในกรณีที่ไม่มีสเปิร์มมาปะอย่างนี้ก็จะกลายเป็นว่าอันนี้ก็จะลอกตัวออกแล้วก็ไหลลงมา การบีบตัวของมดลูกตรงนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นในช่วงที่เรามีประจำเดือนแหละนั่นคือคือแบบบางครั้งเวลาเวลาเลือดของเราเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ออกมาโดยโดยหมดหมดออกมาดีๆอไม่ได้ลอกตัวออกจะผนังมาง่ายๆนะคะมันก็จะไปติดเป็นลิ่มๆใช่ไหมคะแล้วถ่าติดเป็นลิ่มๆเนี่ยไปถึงปากมดลูกก็จะทําให้ปวดท้องเมนทางที่ดีนะคะก็คือให้ดื่มน้ําเยอะๆนะคะอ่าดื่มน้ําเยอะๆเพราะว่าน้ําเนี่ย จะช่วยแล้วน้ำเนี่ยต้องไม่เป็นน้ําเย็นนะคะบอกว่าสำหรับผู้หญิงนะคะดันดื่มน้ําเย็นไม่ค่อยดีนะคะให้ดื่มน้ําที่เป็นอุณหภูมิห้องหรือน้ําอุ่นแต่ว่าเรนไม่ไดยอมให้ดื่มน้ําอุ่นอะเรนว่าแบบบางครั้งมันอุ่นไม่เท่ากันอ่ะขอบคุณนะคะโอยสุภาพบุรุษนะคะโอเคอตบมือให้น้องวู ด, ดี้กับพี่โยอ่ะด้วย อ่านั่นแหละก็คือผนังบอลลูมมันมันแข็งตัวมันกลายเป็นแทนที่มันจะเป็นนิ่มๆแล้วเป็นกล้ามเนื้อธรรมดาเหมือนหัวใจเราอย่างนี้มันก็แข็งๆเพรเราบีบตัวเสร็จปุ๊บมันก็ไม่บีบแล้วมันก็เลยทําให้เราเนี่ยคือเหมือนเลือดเวลาไหลมันไม่ได้บีบมันไม่ได้ลอกออกมาทันทีเลือดมันไม่ได้ออกมาใช่ไหมคะมันออกมาเป็นก้อนๆเลยพอมาเป็นก้อนๆเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้เราปวดห้องประจาเดือนนานมากแล้วก็จะมีประจําเดือนนานมากและนี่คือกรณีที่เป็นปกติสําหรับทุกคนที่เป็นเนื้องอกในบมลลู เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีอาการนี้แต่ก่อนนี้เนี่ยเป็นประจําเดือนประมาณสามวันนะคะพอตอนที่ช่วงมีเนื้องอกเนี่ยนะคะก็มีประจําเดือนถึงเจ็ดวันถึงสิบวันแล้วคือเลือดออกเยอะทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือกรณีของของการที่เป็นเนื้องอกพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะคะหมอนะคะก็ปุ๊บคือเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเป็นก้อนๆอน่อะบางคนเป็นก้อนๆเนี่ยผ่าผานังม้วนลูกเสร็จปลิ้นออกมาก็จะมาเป็นก้อนขาวๆเหมือนลูกปิงปองอะ่ะ แต่ของลินเนี่ยมันกลายเป็นผนังมดลูกใช่ไหมสิ่งที่หมอแนะนำก็คือต้องให้ต้องให้ให้ยาเพื่อทำให้เกิดวัยทองให้ยาเพื่อทำให้เกิดวัยทองแล้วจากตอนที่เป็นวัยทองแล้วเนี่ยคือผนังไม่ใช่ผนังขอบเขตของเนื้อ ง, งอกมันจะชัดขึ้นคือตอนนี้มันเหมือนมันขยายไปเรื่อยๆแล้วก็จะไม่เห็นขอบมันน่ะแต่พอเรากินกินยาตัวนี้หรือฉีดฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะคะมันก็จะทาให้หยุด ฮอร์โมนผู้หญิงที่เรามีปกติแล้วกลายเป็นคนที่เป็นไวทองนะคะก็จะให้เห็นชัดขึ้นนะคะเห็นชัดขึ้นเสร็จแล้วค่อยผ่าตัดก็สรุปแล้วหมอเนี่ยก็คือตอนนั้นนะพ่อเราก็บอกว่าตัดทิ้งไปเลยมุลูก่ตัดทิ้งไปเลยพ่อไม่ต้องมีแล้วลูกมีทเยี่อะไรเออนะอ่สสเสียงในฟิล์มมีทเยี่อะไรบองมาเนี่ยขับรถไปด้วยกันหน้ารามคำแหงนึกออกไหมคะคนข้ามถนนแบบเป็นล้านน่ะนึกว่าชินจุกุ งว เ, เดินกันอุตลุดเยอะแยะไปหมดเลยนะเต็มไปหมดเลยพ่อบอกมึงเห็นไหมมนุษย์พวกนี้มันต้องแย่งกันแดกแย่งกันทำมาหากินเหนื่อยไหมมึงจะมีลูกอีกเหรอตัดทิ้งไปเลยมึงออกว่าเอ า, เอาชีวิตยากไหมคะยากนะลินก็แบบคือจริงๆนะบางทีเนี่ยเราต้องฟังประสบการณ์คนที่ประสบความสำเร็จแล้วจริงๆนะเพราะว่าคือวิญญขับพ่อแบบที้ มึงเห็นไหมไอ้พวกเนี้ยแล้วเวลาใครขับรถไม่ดีนะพราอแบบขับรถแบบนึกออกไหมว่าอาจจะขับรถแบบสับลังเคแบบจะพังอยู่แล้วอะ่ะนึกออกว่ารถจะจะจะรั่หรือเป็นทิ้นๆแล้วแล้วขับรถไม่ดีเพราะจะแบบ ee, นีน่นะมึงอุตสาหเก็บตังค์ซื้อรถเฮ<า>ี้ยๆแล้วยังขับรถเฮี้ยอีกๆๆ <laughs> <laughs> ไม่คือเขาไม่ชอบที่ขับรถไม่ดีไงคือแบบว่าประมาณว่านี่ดูซีรถก็ไม่ดีแล้วนี่ใส่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย แล้วแตาเอาไปว่าเรื่องพ่อนะคะก็คือบอกว่าพ่อเรนนี่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ได้เป็นชั่วโมงไงนะคือสามารถเล่าเรื่องพ่อได้ตลอดชีวิตขายขายกินได้นี่เป็นพระคุณอีกแบบอีกอย่างหนึ่งของคุณพ่อนะคะก็คุณพ่อเขาบอกว่าเนี่ยอย่าไปมีเลยเรนก็บ่าเอ้ยไม่เอาเผื่อนึกออกไหมตอนนั้นก็เราก็มีแฟนกําลังคิดอยู่ว่าจะแต่งงานกันอยู่แล้วมั่นกันเรียบร้อยแล้วก็แบบเอาเก็บไว้ก่อนแล้วมันมรุ่งนึกออกไหมรุ่งที่ตัดแม่งทิ้งไปแล้วนะลำบากลําบนกับชีวิตเหลือเกินนะคะเอาเป็นว่า สรุปนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยจะกลายเป็นคนที่น้ําหนักประมาณชักนห้าสิบสี่กิโลนะคะก็ก็เป็นหกสิบนะคะโอ้โหหกสิบนี่มันเป็นอะไรที่ทรมานมากคือไม่ต้องพูดถึงเสื้อผ้าอะไรก็ตามที่เราเคยเอางี้ดีกว่าเสื้อผ้าที่ลินเคยใส่ตอนอายุตอนหนักหกสิบกโลตอนนี้เนี่ยให้ผู้ชายใส่ได้ไอบิอ๊กอ่ะใส่เกงยีนลินตอนที่ตอนที่ลินเป็นอายุเนื้อไหมตอนที่อายุ ตอนที่อายุ60ตอนที่น้ำหนัก60อยู่ในวัยทองเพราะอยู่ในวัยทองแล้วเนี่ยคือระบบการเผาผลาญ น, นะคะการกินการอะไรตอนแรกขี้งุนหงิดมากไม่เคยไม่เคยไว้ผมเลยท้ายทอยเนี่คือมัดผมขึ้นตลอดเพราะว่าร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแต่คงเรนจะร้อนเยอะกว่าหนาวแล้วก็จะหงุดหงิดอยู่นีก็จะเหมือนแบบไม่ได้ฉีดยามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะแบบโอ้โหเห่าใส่ชาวบ้านเขาตลอดเวลา นะแล้วก็งุนหิดมากแล้วก็ขี้ร้อนแล้วก็แบบไม่ยอมใส่ส้นสูงเลยคือแบบปกติเรนจะเป็นคนที่ไม่ใส่อะไรนอกจากส้นสูงนึกออกไหมคะตอนนั้นเนี่ยใส่รองเท้าแตะอย่างเดียวเท่านั้นใครจับบังคับฉันใส่รองเท้าสูงไปงานแต่งงานเลยกูใส่แตะนึกออกว่าไม่สนใจนะอ้วนได้ใจมากตอนนั้นโอหแบบบวมไปหมดทั้งตัวเลยแล้วคือโชคดีมากเลยที่มันอ้วนทั้งตัวนึกออกว่าไม่ได้อ้วนแค่บางส่วนน่ะนะคะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยโอ้โหตอนลดเนี่สิวันนี้มันก็เลยมาถึงเรื่องเนี้ย เรื่องเรื่องร่างกายของเราเรื่องฮอร์โมนเรื่องสุขภาพนะคะที่เกี่ยวข้องกับน้ําหนักที่เกินคือเรนน่จากหกสิบนะคะก็ภายในประมาณสักหกเดือนนะคะลดลงมาเหลือสี่สิบเก้าอ่านะคะหกเดือนนะคะก็โอ้โหตอนนั้นเนี่ยคือไม่ใช่แค่เรื่องควบคุมการกินแต่ว่าวันหนึ่งนะเชื่อไหมว่าไอ้เรื่องพวกนี้นะมันเหมือนมันเหมือนความสําเร็จในชีวิตชีวิตความสําเร็จในชีวิตนี้ไม่มีใครบังคับเราได้นะคะ เชื่อไหมคว่าไอการที่เราไม่คิดว่าเราจะประสบความสําเร็จในชีวิตมันก็เป็นการตัดสินใจหนึ่งอย่างอะชีวิตเราต้องตัดสิต้องต้องยอมรับแล ะ, และเห็นผลลัพธ์ของทั้งสิ่งที่เราเลือกและสิ่งที่เราไม่ได้เลือกเพียงแค่เพราะว่าเราไม่ได้มองว่าเราอยากจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าไม่ได้หมายความว่าถ้าเราไม่ประสบความสําเร็จมันเราไม่ได้เลือกมันมันก็คือสิ่งที่เราเลือกเหมือนกัน นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกันเลยนะการลดความอ้วนเนี่ยนะมันมันมันสอนอะไรหลายอย่างมากเลยอนะ่ะในในการลดในในในการดูแลตัวเองหรือว่าในการดูแลชีวิตอนะ่ะคือมันก็อ้วนไปเรื่อยเืยนึกออกไหมคะอ้วนไปอ้วนมาแล้วก็แบบว่าคือแบบเหมือ น, นไม่รู้ว่าผู้หญิงเป็นโรคจิตเนาะก็เหมือนทดสอบว่าแฟนเรารักเราจริงไหมอ่ะ ก็ฉันอ้วนอย่างนี้แล้วเธอยังรักฉันอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้เธอไม่แบบถูกสีกับฉันเลยทําไมอะไรอย่างเงี้ยเนอะว่าเรก็อวดเอาอวดเอาแหมเหรอเราอวดเอาอวดเอาแล้วก็แบบคาดหวังว่าเขาจะต้องมาอีอ๋อกับเราเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันก็นะเห็นน่ะอึ้มอึงขนาดนี้แล้วแบบว่ามันก็ต้องไม่มีอารมณ์แน่นอนเนอะว่ามันนื้ยค่ะคือที่จะบอกก็คือว่าพวกเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าเอ้ยเราจะเป็นยังไงก็ได้นี่มันไม่ใช่นะคะ คือเราก็ต้องดูแลตัวเองเน้ mm. อหรอไหมสุขภาพก็เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะความสวยความงามทุกอย่างต้องดูแลหมดเพียงแค่บอกว่าตอนนี้มีแฟนแล้วมั่นแล้วคิดว่าหมูในอวยแน่นอนเสร็จโกโูเน้อชีวิตนี้ไปไหนไม่ได้ไม่จริงนะเน้อหรอไหมคะก็เราก็ต้องคอยดูแลตัวเองเมนเทนตัวเองดีๆนะคะมันก็เป็นบทเรียนอันที่หนึ่งนะคะบทเรียนอันที่สองก็คือเรนรู้สึกเลยว่าไอ้ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้สึกว่าเราอ้วนอะ่ะหรือเราไม่รู้สึกว่าเราไม่แข็งแรง นึกออกเราจะไม่เราจะไม่ทําอะไรไเด็กๆวัยรุน่นส่วนใหญ่เนี่ยนะคะสักยี่สิบต้นต้นโอ้โหกำลัง น, นึ้ออกมโอ้ยสมัยเล่นนึกบอกว่าสมัยเล่นในมหาลัยเนี่ยนะอ่านหนังสือเจ็ดวันเจ็ดคืนแบบไม่นอนอนะ่ะกินคาเฟอีนเป็ น, เ ป, นเป็นเม็ดอ่ะอ่าตอนตอนสมัยเรียนวัยรุ่นฮิตมากกาแฟหนึ่งเม็ดเท่ากาแฟสองแก้วกินเข้าไป ง, าไง่วงเมื่อไหร่กินเงื้องเมื่อไหร่กินง่วงเมื่อไหร่กินนึกออกไหมคแล้วก็อ่านหนังสืออย่างเงี้ยเจ็ดวันเจ็ดคืนนึกออกมคะแล้วสอบไฟแนลอ่ะ แล้วก็ทําอย่างเงี้ยระบบ UCLM มันเป็นควอเตอร์ทุกสิบอาทิตย์สอบไฟแนลหนึ่งอาทิตย์ก็สอบอาทิตย์ที่สิบเอ็ดแล้วก็พักไปสองอาทิตย์สมอาทิตย์แล้วก็เริ่มใหม่สิบอาทิตย์สอบหนึ่งอาทิตย์นึกออกไหมคะก็เจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยสอบแม่งเอาให้ตายให้ไปข้างเลยนึกออกไหมสอบสอบเสร็จปุ๊บพอหยุดทอริเดย์ปุ๊บนะเช่ารถตู้ไปเลยบอกเพื่อนเฮ้ยไปซันฟานกันนึกออกไหมขับรถเองหลังจากที่ไม่ได้นอนเจ็วันเจ็ดคืนกลางฝนเหยียบสุดฤทธิ์ห้าชั่วโมงถึงซานฟาน เขาขับกันแปดไปฝนตกก็ตกเงื่อจะอยากเที่ยวพอถึงเวลาสอบเสร็จเที่ยวอย่างเงี้ยเมื่อไหร่เสร็จแล้วกลับบ้านมานะคะกลับมาถึงกลับมาถึงเอลเอสเสร็จปุ๊บแล้วปาร์ตี้ต่ออีกกินเหล้าเด็กแฟดบ้าบอนึก อ, ออกไหมคะเออว่าอยู่ได้ไม่ป่วยไม่อะไรเลยนึก อ, ออกไหมแข็งแรงเพราะอะไรคะอายุไงนะคะอายุก็รู้สึกว่าแล้วเป็นคนที่กินอะไรก็ไม่อ้วนยังไงก็สี่สิบเจ็ด แลคือแบบถ้าช่วงแบบฟิตฟออกกำลังกายด้วยนะสี่สิบห้าเดี๋ยวนี้ม่นขาสองข้างกับ45ห้าเนื้อตัวไม่ต้องเอาตัดทิง้งนะคะก็เนี่ยแหละประมาณนี้นะคะก็คือการใช้ชีวิตตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้สึกหรอกว่าร่างกายเราอะจะจะโทมหรือว่าจะจะเสื่อมลงไปยังไงเราก็ใช้ชีวิตต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะเอาาะว่าตอนที่เราเราอยากลดความอ้วนเนี่ยคือมันเป็นมันเป็นจังหวะ จังหวะที่เราเดินนะนึกออกไหมจังหวะเดินแล้วรู้สึกมันกระเพื่อมมาตั้งแต่ต้นขาขึ้นมาถึงคอแล้วแบบกูมไม่ไหวแล้วเนี่ยเมื่อกี้มปนอะไรกระเถือนวะเนี่ยนึกออกนึกว่าแผ่นเดินไหวเปล่าเดินมาเสร็จปวดขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ๊ยไม่เอาแล้วนึกออกไหมทุบทนตัวเองไม่ได้เสร็จแล้วคือมันมีมุกเนี้ยมีมุกแบบเวลาอาบน้ำต้องแก้ผ้า ย, ยืนหน้ากระจกนึกออกไหมแล้วแบบกูทําไมทุนเลทขนาดนเนี้ยเฮ้ยรักษาเวิร์ฟนิดหนึ่ง รักษาเวิมนิดหนึ่งเราก็ไปยืนอยู่หน้ากระจกแล้วก็แบบโหอะไรของกูอันนี้เนื่อองบบว่าแบบมันเป็นอย่างงี้ไปได้ยังไงอะคือมันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงใช่ไหมอู้แต่ก่อนนี่แบบสวย ส, สาวๆเรียนมหาหลัยนี่แบบมีแต่คนกรี๊ดอะผู้หญิงยังกรี๊ดเอางี้ดีกว่าไม่ต้องผู้ชายกรี๊ดอะผู้ชายผู้ชายขอให้จับไม่มีหางก็กรี๊ด oh <my> ผู้หญิงเนี่ยเอองผู้หญิงมันก็ต้องแบบโหต้องแบบมึงต้องเจ๋งจริงๆอะถึงจะมีคนชมนะอราก็รู้สึกว่าอู้หแต่ก่อนนี้มีแต่คนอิจฉ มีแต่คนพูดถ้าเกิดพูดถึงคนนี้ชื่ออะไรต้องอธิบายว่ารูปร่างเป็นยังไงอย่างเงี้ยเสร็จแล้วตอนนี้มันเป็นอะไรเนี่ยเนอะตอนนี้มันเป็นอะไรเนี่ยคือกูไม่เข้าใจแล้วเนี่ย เ, เนอะเออ ก, ก็ก็ทนตัวเองไม่ได้ไ อ, อ้วันที่ทนตัวเองไม่ได้นั่นแหละมันต้องมีมันต้องมีมุกนี้อ่ะคือเรนจะว่าแบบความสําเร็จในชีวิตน้ําหนักรูปร่างสุขภาพคือกูบอกว่ามีมีมีสิ่งที่รอไม่ได้อยู่ไม่กี่อย่างมีสี่อย่างใช่ปะรอไม่ได้ต้องทําเองสุขภาพเนาะ อืมความสำเร็จใช่ไหมคะความกระตันยูเนาะแล้วก็การช่วยเหลือผู้อื่นนะคะก็คือมันต้องแบบมาถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกได้อะว่าแบบอรอไม่ได้แล้วอ่ะต้องต้องจัดการละก็ทันทีที่ตัดสินใจปุ๊บนะคะก็มีเมมเบอร์ซื้อเมมเบอร์ไวแคลิฟอร์เนียไว White, จงิงแอะแคลิฟอร์เนียไวจิงนะ นะะ ค, คือซื้อเมมเบอร์ที่แคลิฟอร์เนียไว้เจ๊งไปแล้วนะคะก็มีแบบตลอดชีพอ่ะคอ่โอ้โหครเสียดายเลยแล้วกูจะชีพใครอะเนี่ยตลอดชีพบริษัทไม่ตลอดชีพกูนะคะก็ไปซื้อไปเรียบร้อยก็เลยไปเปิดตารางดูเลยมันมีคือเขาบอกว่าชก ม, มวยสนุกก็ไปกับเพื่อนเกย์ก่อนอีเพื่อนเกย์ก็ชกเนี้ยโอ้ยโชค เพื่อนเก๋แล้วเวลาเตะก็เตะเงี้ยแบบเห็นมาแล้วแบบโอ้กูหม็นไส้มากเลยกูเตะแมนกับมึงนะก็ไปกับเพื่อนเกก่อนทีแรกนะคะตอนหลังก็ไปเองเลยนี่ตรงลงก็คือเหมือนกันเราไม่ได้คุยเรื่องความสุขภาพมันขำเกินพี่กัดอ่ะขำเกินราคาบัดมากเลยโอเคนะคะก็เออก็ไปไปออกกําลังกายก็เริ่มชกมวยแล้วชกมวยประกอบเพลงนี่แหละชกมวยประกอบเพลงต่อได้ body เป็น b ดี y combat กับ body ปั m p นะคะ ก็ พ, พูดได้แล้วเพราะว่ามันคาร์ดิโวรีไว้เจ็งมาแล้ว <c oughs> นะก็ก็ยกน้ําหนักด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็คือมันมีทั้งคาร์ดิโอด้วยแล้วสิ่งที่ช่วงนี้หนคนพบตอนนั้นก็ทำรีเสิร์ชเรื่องกรารลดความอ้วนเยอะมากเพราะว่าสิ่งที่กลัวที่สุดคือกลัวยานนึกออกไหมคะเวลานหนักมันหายไปเสร็จแล้วอ่ะตัวเราไม่กระชับหรือว่าร่างกายเราไม่กระชับแล้วหนังเหี่ยวอย่างเงี้ยแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันลดเร็วๆเนี่ยโอ้โหแบบคือสิ่งที่ทนไม่ได้คือเวลาก้นยานนึกออกไหมก้นห้อยอ โอ้ยทรมานมากคิดจะทํทำยังงดีวะเอาครีมลูดเนื้ครีมเอาครีมทาแม่งฉโลมทั้งตัวเลยคือกลัวมากกลัวแบบคือแบบเวลาคนท้องแล้วคลอดลูกเนออะเห็นท้องไหมหนังมาเป็นแบบเอามาตบหน้าตัวเองได้เลยแกว่งมาทีไงแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วอ่ะูทาครีมอัดสุดชีวิตเนื้ออะไรมี a h a ทามหมดอะตอนนั้นจะชื่อไหมถ้าลินซื้ออ e ี essential อะ่ะ essential บำรุงผิวหน้าอืมไม่ essential คือไฮเดรตติ้ Moisturizer เพราะมีเอ a ออยู่ในนั้นเอามาทาซื้อมาทาทาขากับทาท้องนึกออกไหมแบบจะเอาเออก็เกรงใจตัวเองนะเกงใจตัวเองนะคะก็เลยแบบซื้อเนี้ยมาพเพื่อมาทาเพราะแต่ก่อนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไม่มีเอชเอมอยส์เจอรแล้วแต่ก่อนมันมีบอดี้มอยส์เจอร์มีเอ a อไงแล้วทุลินชอบมากเลยเพราะว่ารอยแตกรอยอะไรพวกนี้มันดีขึ้นเยอะมาก คือมันจางไปเยอะมากไม่รู้ว่าเป็นพวกหนังมันยืดใหม่อีกรอบนึงหรือว่าอ๋อไม่ใช่เราเล่นไอเอิร์ดเคทอยู่คนเดียวอะมุกชั้นี้เมื่อวานนี้เรื่องนั่นบวมก็เกทอยู่คนเดียวก็ไหนนั่งฮะโอเคเอาเขาเรื่องเขาเรื่องเดี๋ยวจะถามว่าแบบที่เตรียมมาสองหน้ายไม่พูดสักอย่างเลยอ่านะคะก็ไม่เล่าให้ฟังว่าประสบการณ์จริงเนาะแล้วก็ในช่วงการทานตอนนั้นเนี่ยคือ มันจะบอกว่าลินใช้อาหารเสริมเนี่ยคือใช้อาหารเสริมในการดูแลแล ะ, แ ล, ะลดน้าหนักของตัวเองอะ่ะคือลิน specialize ไว้สําหรับตัวเองมากๆเนื่องไงเนื่องจากว่าเราสอนคอสนี้มาแบบเป็นสิบครั้งแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าอะไรมันคือเหมาะกับอะไรอะ่ะใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเองนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงชวนชวนเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคือเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรลินอยากให้ผิวกระชับใช่ไหมคะอ่ะเรื่องผิวมีอะไรบ้างเนี่ย S H N ถูกไหม ลดความอ้วนมีอะไรบ้างแบบ CEA นี่มีอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเรายังไม่รู้เรื่องการเพิ่ม m e แทบ o l i z e มโดยการใช้จินเซงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือเราใช้จินเซงทั่วไปไม่ได้นะถ้าเราใช้สมเกาหลีสมจีนที่เราเห็นกันตามท้องตลาดที่มาเป็นลูกคนเนี่ยโอ้โหกินเข้าไปร้อนตายเลยนึกออกป่ะคะเพราะว่าสมไซบีเรียเนี่ยผสมจิงโกรเนี่ยนะคะมันจะเป็นสมไซบีเรียที่เป็นสมที่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยเผาผลาญได้ดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ทําให้มี side effect เลยเห็น ไ, ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่รินลดความอ้วนนคะคะก็คือ customize อาหารเสริมแล้วก็กินโปรตีนเยอะมากคือรินทานโปรตีนเนี่ยเพราะว่าด้วยเหตุผลคือโปรตีนตัวสร้างของทุกอย่างอะไรที่น้ําหนักเราลดลงไปเนี่ยให้มันไปซ่อมแซมส่วนที่มันสึกหลอไปข้อสองก็คืออีกส่วนหนึ่งก็คือให้มันเนี่ยเข้าไปสร้างผิวเราใหม่อีกทีหนึง่งแล้วให้ผิวเราเนี่ยกระชับขึ้น แล้วก็ให้กล้ามเนื้อที่เรากำลังสร้างเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นไม่เหอไหมะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนลดความอ้วนเนี่ยนะเรจะบอกว่าไม่กินโปรตีนไม่กินโปรตีนหรือแบบบางทีคือโอ้ตอนนี้ตอนนี้เนี่ยบานปลายกันไปใหญ่โตละที่เราเห็นเนี่ยมีแต่ก่อนนี้นะคะตอนที่เริ่มสอนคอสเนี่ยจะมี high fat diet ตลกมากแล้วตอนนั้นเนี่ยเริ่ม Hit high fat diet เสร็จแล้วก็มา low fat diet แล้วก็ no fat diet แล้วก็มา low carb diet ที่เราได้ยินกันนี่มันจะมาเป็นเฟสเฟสทีแรกเขาบอกว่าให้ทานให้ทานไขมันเยอะเพราะเราทานไขมันเยอะเราจะรู้สึกอิ่มมันเลี่ยนอะ <S <S 1> <S 1> ใช่ไหมเวลาทานแามเฟรนช์เห็นปะเวลามันมีมันๆเยอะๆเนยๆเยอะ ๆ, ๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกเลี่ยนและอิ่มพออย่างงั้นเราก็จะกินได้น้อยคือการจํากัดแคลอรี่โดยการเอาประเภทอาหารมาจํากัดใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพวก no fat diet แล้วคนก็จะเข้าใจผิดว่าโอ้ถ้าเป็นโน o ฟ a ได i e t กูกินได้เต็มที่เลยทีเนี้ยนะึกออกไหมคะความเข้าใจที่ผิดอีกเหมือนกันคือแคลอรี่คือแคลอรี่นะมันจะมาจากโปรตีนคาร์โบไฮเดรตหรือไขมันมันก็คือแคลอรี่แคลอรี่มีค่าเท่ากันหมดเพียงแต่ว่าสิ่งซอร์สของแคลอรี่ที่เราได้มาเราได้มาจากไหนแล้วเราจะรู้ว่าไอซอร์สของแคลอรี่นั้นมันเกิดมาใช้เมื่ อ, อไหร่ ร่างกายเราเนี่ยเจอธรรมชาติเลยทุกอย่างในร่างกายเรานะคะคือใช้โปรตีนเป็นตัวสร้างแต่ใช้ใช้ได้ได้น้ํามันน่ะน้ํามันเดินเครื่องเดินรถเดินเดินรถ เ, เนี่ยได้น้ํามันจากกลูโคสก็คือน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวได้หมดเลยนะฟรุกโตสโกลโโสูโคสมัลโตสสิ่งนี้เนี่ยฟรุกไอฟรุกไอพวกน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวทั้งหลายนี่คือนี่คือเหมือนกับน้ํามันอะ่ะ เหมือนเวลาเอารถไปเติมน้ำมันเม่เห็นไหมคะแต่สิ่งที่มาสร้างเครื่องจากเครื่องยนต์ทุกอย่างแบบอวัยวะชิ้นส่วนของเราเนี่ยคือมาจากโปรตีนใช่ไหมการสร้างน้ําย่อยเนื้อเยือ่อเอนไซม์อะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายก็มาจากโปรตีนแล้วก็มีส่วนผสมของน้ํามีส่วนผสมของสารเอนไซม์ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราลดคลอปอ้วนเราต้องคิดก่อนเราจะสูญเสียอะไรบ้างหนึ่งเนี่ยคือเราต้องกินแคลอรี่ให้น้อยลง คือมันมีหลายวิธีนะเราอยากลดความ้วนเนี่ยนะคะเมื่อกี้นี้คุณกิ๊กเขาพูดถึงเรื่องเบโซ่เมทบอลิกเรตใช่ปะคะอ่าไม่ใช่อ่านะคะ BMR วู้ยนี่ไม่กี่ใดแบรนด์มองไม่เห็นนะดิโอเค โอเคโอเคเขาบอกว่าร่างกายเราเนี่ยใช้ประมาณยี่สิบหกแคลอรี่กิโลแคลอรี่นะคะต่อหนึ่งกิโลน้ำหนักน้ำหนักตัวแต่ว่าอะไรหนักห้าสิบกิโลคูณยี่สิบหกเป็นคัน ส, สามะ เฮ้ยกิโลแคลอรี่โอเคนี่คือนั่งหายใจบนคิดลบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช้ประมาณนี้1 3 0 0สามถ้าคิดลบมากหน่อยอาจจะใช้พลังงานเยอะขึ้นคิดบวกใช้พลังงานน้อยลงนะ <laughs> โอเคไหมอ่านะคะทุกคนเริ่มคิดลบกันใหญ่เลยอยากลดความอ้วน <laughs> ไม่ใช่นะล้อเล่นโอเคค่ะก็ หนึ่งกิโลนะคะต่อหนึ่งกิโลน้ำหนักเราเราใช้พลังงานในการหายใจให้สมองทำงานให้น้ำเหลืองไหลไปไหลมาหัวใจเต้นแล้วก็เผาผลาญนู่นนี่นั่นทั่วไปทำให้ร่างกายเราอบอุ่นนะคะอาอยู่ที่ยี่สิบหกแคลอรี่ใช่ั้มพอเราคิดถึงยี่สบกแคลอรี่สิ่งที่เราต้องคิดก็คือตอนนั้นหนักหกสิบตอนหนักหกสิบกิโลใช้เท่าไหร่คะช่วยคุณเลขหน่อยไม่เก่งใช้พันห้าร้อยหกสิบใช่ป่ะคะ ฉันอยากลดน้ําหนักสิ่งหนึงที่ต้องทำคืออะไรเอาเอ็นตัวแรกเนี้ยกับตัวแรกนี้ยไปลบกันใช่ป่ะก็คือ เ, งงเรียกง่ายๆว่าราต้องกินเท่าเนี้ยเพื่อให้มันติดลบอันนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกๆแคลอรี่ทุกๆเจ็ดันแคลอรี่จะเท่ากับชายหนึง่งกิน้ําหนักเพราะฉะนั้นทุกวันต้องสะสมบวกกับออกกํบบาลังกายถ้าอยากเร็วถ้ากินลดอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเฉยๆมันก็ลดได้เหมือนกันนะ แต่ว่าเราก็จะไม่ได้ไมันไม่ได้เร็วถูกไหมคะแล้วก็การออกกําลังกายมีมีข้อดีอย่างหนึง่งเพราะว่าเนี่ยเราก็สงสัย CLACLA จะเอาไปทําอะไรนึกออกไหมคะ CLA นี่สําหรับนะักกล้ามไม่ใช่หรอนะคนที่เล่นกล้ามเนี่ยเขาจะทาน CLA ทาน CLA เพื่อให้กล้ามเนี่ยขึ้นเร็วขึ้นเห็นชัดขึ้นทาน CLA เพื่อให้ <c oughs> เพื่อให้รักษากล้ามเนื้อมุนกล้ามเนื้อดันไว้ได้ให้มากที่สุด นะคะพนเพราะฉะนั้นนเี้คือก่อนหน้าเดี๋ยวเรนะขอขอทดเรื่องก่อนหน้านี้ปิดฉากเริ่มต้นใหม่อีกทีหนึ่งตอนที่อายุประมาณซักคือก่อนเข้ามาทำช่วยกิจอาเมเนี่ยคือเรนเคยอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นจากจากสี่สิบเจ็ดเนี่ยแหละจากสี่สบห้าสี่สเจ็เนี่ยแหละขึ้นไปเรื่อยๆเลยเพราะเอ็นจอยอิตตมากเนี่ยเหรอคะโอ้โหใช่ไหมลรนนะ่ะนั่งกินโต๊ะจีนกันสองคนนะ <S <S อืมทั้งเป็ดปักกิง่งหมูหันในหนึ่งมือ้อกินสองคน ยังมีขนมปังหน้ากุ้งมีนือออ้ออะไว้น้ำไลายไห ล, ไลไกันอย่าง ไ, ไรนะคือแบบอะไรนะไอ้แมงกะพรุนน้ำมันงาไก่แช่เหล้าเนึอเออ้ออะไรคิดอย่างเงี้ยกินแบบคือทุกอย่างจานเล็กอะแต่กินประมาณสิบกว่าจาอ น, นอ่ะกินสองคนเนี่ยแล้วก็ไม่ออกกําลังกายเท่าไหร่ก็นี่แหละกินอย่างเี้ไปเรื่อยๆนะคะเริ่มอ้วนสิ่งที่เรนทําสิ่งแรกเลยตอนที่อ้วนแล้วเนี่ยนะคะพอประมาณสักห้าสิเอดห้าสิบสองก็คือประมาณเนี้ยตอนเนี้ย หนึ่งก็ตัดสินใจอดอาหารจากเดิมที่เราเคยกินอาหารเราก็อดอาหารอาการอดอาหารเป็นการลดความอ้วนที่อันตรายที่สุดไม่ใช่อันตรายกับสุขภาพเราจะบอกว่าร่างกายเราเนี่ยอย่างที่พี่คิดพูดเนี่ยเมื่อกี้ร่างกายเราเนี่ยเก็บไขมันเอาไว้ตุนสําหรับหน้าหนาวเนอะได้หลายได้หลายปีเลยนึกออกไหมคะเพียงแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้สารอาหารใหม่ๆสาอาหารที่ละลายในน้ำสาอาหารที่มันเฟรชแล้วต้องตายเร็วไปอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าคือร่างกายเราสามารถมี energy ให้เราแน่นอนอยู่เฉยๆได้เป็นปีแต่ประเด็นที่จะพูดก็คือว่าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรร่างกายเราเนี่ยนะไอ้ตัวระบบเผาผลาญแม้ทบอลิซึมเนี่ยที่เราพูดกันนะแม้ทบอลิซึมของเราควรที่จะเด็กกว่าวัยเราสิบปีนะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราหยุดกินการกินอาหารร่างกายเราเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในสตฟโหมดคือโหมดของการหิว โหมดของการขาดอาหารขาดสารอาหารมันก็จะทันทีเลยนะแทนที่ปกติเผาผลาญเนี่ยปกติเผาผลาญยี่สิบหกใช่ไหมต่อกิโลน้ําหนักมันจะเพิ่มขึ้นมันจะมันจะมันจะลดเออมันจะลดลงทันทีมันจะทําให้ร่างกายเราที่อยู่ในสเตตปกติอย่างเงี้ยสามารถลดการกินการต้องการความต้องการการแคลอรี่ลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะชินกับการโอเปเรตในระดับที่ต่ํากว่านะครับเนี้ย แล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยคือ efficient มากขึ้นคือมีประสิทธิภาพมากขึ้นกินน้อยแต่ใช้พลังงานได้เยอะขึ้นเนึ้ออกไหมคะเพราะว่ามันจะเผาผ่านน้อยลงนั่นแหละคือสิ่งที่อันตรายมากคนถึงเป็นโยโย่กันเยอะมากเพราะเวลาเราหยุดอดอาหารเพราะว่าเราไม่กินเราจะลดความอ้วนเนืน้อออกป่ะเนี่ยปัญญาอ่อนมากเนื้อออกว่าคือแบบห้ามเด็ดขาดอยากลดความอ้วนห้ามอดอาหาร สิ่งที่ควรจะทำนะคะคือลดไซส์ของการกินลงลดไซส์การกินลงแล้วแบ่งมื้ออาหารให้ถี่ขึ้นแต่ว่าต้องวางแผนให้ดีนะคะว่าเวลาเราจะกินอะไรเนี่ยในแต่ละวันแต่ละมื้อใช่ป่ะนะคะกินอะไรในแต่ละวันแต่ละมือ้อเช่นมื้อเนี้ยเราจะกินอาหารประมาณเนี้ยตักมาหนึ่งจานแล้วพอให้ได้แค่นั้นปัญหาคืออะไรรู้คะเวลาไปกินข้าวกับคนอย่างหนันน้องหนันนี่คือจัดเต็มหรือเปล่า ไม่อิ่มขออีกจานไม่อิ่มอีกจานเนื่อหอวะคะแบบคือเหมือนมันอนันลิมิตสป라이อะพี่ว่าหนูดหนโกดันไม่อิ่มนะคะไม่คือมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมาสั่งแบบเอาอีกจานเอาอีกจานยเงี้ยคือแบบไม่เป็นไรมีคนแย่งฉันฉันขอสั่งอีกเนื้ออวะเปลนลมนะคือบางทีเราต้องแบบประเมินอาหารนนาเนะ่เวลาลิมไปสั่งสมมตินั่งกินกับข้าวกับเพื่อนสองคนเงี้ย คือจะไม่เคยสั่งเกินสามจานก็บอกสองคนสั่งสามจานถ้าสามคนก็สั่งสามจานถ้าสี่คนก็สั่งสี่จานสั่งตามจำนวนคนนั่นคือพอชั่นที่เราต้องกินตามปกติแต่สองคนสามจานนี่ถือว่าเยอะถ้าเหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ว เ, เวลาไปทานอาหารเนี่ยให้ประมาณตัวเองอ่ะถ้าเราหิวมากหน่อยนะคะเราลองทำวิธีนี้ดูนะคะก็เอาโปรโตีนเนี่ยนะคะทานไปก่อน ถามว่าทำไมต้องกินโปรตีนก่อนอาหารกินโปรตีนก่อนทานข้าวนะคะถ้าอยากลดความอ้วนอยากมีประสิทธิภาพหนึ่งคือไม่โซรมเฟรชผิวหนังสดใสนึกออกหมคะสุขภาพแข็งแรงทานโปรตีนก่อนโปรตีนเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในการไปหยุดศูนย์หิวศูนย์ที่ไม่ได้แปลว่าโมโหศูนย์ที่แปลว่าศูนย์ควบคุมความหิวนะคะสารอาหารอื่นทําบหน้าทีนี้ไม่ได้มียาบางชนิด นะมียาบางชนิดที่เราหาซื้อได้ตามท้องตลาดจะไปกดศูนย์หิวนี้เพื่อทำให้เราไม่หิวอันตรายมากนะคะเพราะสารเคมีพวกนี้เนี่ยนะคะบางทีแล้วมันก็มีตกค้างบ้างนะคะทำให้ระบบประสาทเสื่อมบ้างนะคะบางคนก็กลายเป็นโรคไทรอยไปเลยเออยาตัวหนึ่งนะคะที่อลิสแตด ท, ที่ที่ที่คิดขึ้นจอไว้ชื่อทางการค้าคือเซนิคอลเซนิคอลเนี่ยเมื่อประมาณสักสิบปีที่แล้วฮิตมาก โรงพยาบาลใหญ่ๆอย่างบมรุงลาดนะคะสั่งให้กินตามปกติเลยแล้วสิ่งที่น่าอายที่สุดนะคะเวลากินยาตัวนี้นะคะดิฉนแนะนําให้ใส่ผ้านาา้าไมเพราะตดออกมายังเป็นน้ํามันเลยนึกออกไหมคะอ่าสิ่งที่มันไปทําที่น่ากลัวที่สุดนะคะคือมันจะเป็นรีเซพเตอร์อยู่ในจำได้ไหมในในท้องเราดิฉเคยเล่าให้ฟังว่าในท้องเรามันจะมีแขนยื่นออกมาแล้วแขนเนี้ยมันจะมีแบบเหมือนกับฟิตติ้งไว้สําหรับโปรตีนฟิตติ้งไว้สำเนื่องรากดอะมิโนฟิตติ้งสำหรับ คาร์โบไฮเดรตฟิตติ้งเนี่ยแต่ละมือมันจะใช้ไม่เหมือนกันหน้าตาไม่เหมือนกันมันก็มีหน้าที่จับอันนี้ยแล้วก็ดูดเข้าไปแล้วก็เอาไปใช้นึกออกไหมคะอ่าแต่มันมีแขนยื่นออกมาในกระเพาะเราเนี่ยแหละอิเซนิโคเนี่ยมันก็เอามันเป็นตัวมันเป็นริเซปเตอร์ที่ดึงเอาไขมันออกจากระบบอาหารของเราทั้งหมดเพราะเรากินไขมันอะไรเข้าไปก็ตามเนี่ยมันก็จะไปจับไขมันตัวนั้นไว้แล้วดึงออกมาเลยโดยที่ไม่ได้เอาไปย่อยไม่ได้เอาไปผ่าน คือร่างกายเราเนี่ยเซลล์มันเล็กมากสิ่งที่มันต้องทําคือมันต้องมันต้องเอามันต้องเอาไขมันน่ะเซลไขมันไปสับสับเสร็จแล้วเนี่ยก็ยักย้ายถ่ายเทเข้าเส้นเลือดออกเส้นเลือดเข้าเซลล์ออกเซลล์นึกว่าเข้าไปเข้ามาจนกระทั่งมันออกไปเลยอ่ะแล้วบางร่างกายเราก็จะดูดเอาพวกกรดไขมันจําเป็นบางอย่างเอาไว้เก็บเอาไว้แล้วก็ไขมันบางส่วนก็เอาไปเก็บนะคะไขมันบางส่วนก็เอาไปทิ้ง นะคะแต่ว่าไอตัวไขมันที่เซนิเคลมันทําเนี่ยมันเอารีซ็ตเตอร์ยื่นออกไปเสร็จปุ๊บมันจับเอาน้ำมันออกมาเลยแล้วมันจับเอาน้ำมันออกมาเยอะมากขนาดที่แบบเวลาเราไปนั่งชักโครกเนี่ยนะคะแล้วก็ไปเอ่อหรือไปถ่ายหรือว่าแม้กระทั่งเราจะหายลมเนี่ยมันจะออกมาเป็นน้ํามันเป็นหยดๆอ่ะแล้วมีกลิ่นแรงมากมันไม่ได้ไปเจ็บปวดเลยเลยนะเราจะรู้สึกหูดีมากเลยฉันไม่ได้กินไขมันเนื้อไอ้ค่ะ เพราะว่าเรารู้สึกว่าดีไงเราไม่เราลดการกินไขมันไขมันเนี่ยทําไมเขาถึงบอกว่าในการกินไม่ควรกินเยอะเอางี้เริ่มต้นนะคะก็คือเอาไขมันเบสิกพื้นฐานก่อนที่เราเห็นตามท้องตลาดไขมันไม่อิ่มตัวเดี๋ยวก่อนไขมันอิ่มตัวนะไขมันอิ่มตัวก็คือพวกไขมันสัตว์อะนี่เหรอคะไขมันมันจากไก่กากหมูมันเนื้อย่างอะไรเงี้ยนะคะไม่ควรกินเกินสี่กรัม ต่อวันนะคะเคยเห็นสี่กรัมไหมคะมสูตรเข้าจมูกก็หายหมดแล้วโอยเวลาที่ฉันกินเนื้อย่างทีงก็กัดมันเป็นคำแล้วน้ำมันเยอะใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่ให้ทานเยอะเกินสี่กรัมนะคะแล้วก็ trans fat ควรจะเป็นศูนย์อ่ะเดี๋ยวขอขึ้นสไลด์อันนั้นที่ฝากกันนิดนึงเปิดทิ้งไว้นะโอเค ขออนุ ญ, ญาตใช้สไลด์นี้นิดหนึ่งนะคะคือร่างกายเราถ้าเราทันจำได้ไหมที่ลินเคยพูดพูดแล้วพูดอีกธรรมชาติไม่ทำร้ายธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเราทานอาหารในห้าหมู่นี้ตามปกตินะห้าหมู่ไม่มีโอริโอ้เนอะมีไหมไม่มีไม่มีใช่ป่ะห้าหมู่ไม่มีโอริโอ้นะคะคือแนะนํานิดนึงว่าอาหารที่มัน p r o c e s มาเนี่ยอย่างเช่น ชีสที่เป็นแผ่นๆเราเห็นแบบคราฟซิงเกิลมีใส่นมใสน่นุ่นใสน่นี่หรือว่าพวกขนมขบเคี้ยวต่างๆที่เราทานเนี่ยนะคะพวกนี้คืออาหารสร้างใหม่ถึงอรอวะเป็นอาหารแปรรูปอะปง่ายๆก็คือเรารู้กันจังในในใ น, ในนามของอาหารแปรรูปเวลาเราอ้วนนะคะเราจะไม่เราจะลดคลอรี่เราจะออกกาลังกายหรืออะไรก็ตามนะคะสิ่งที่ทําก็คือเราไปลดพื้นที่ในการเก็บสะสมเชืชชเอ้อไอเรียอะไรนะสารพิษ สารพิษเนี้ยก็คือที่ร่างกายเราคลองออกมาจากไขมันชนิดต่างๆจากสารตกค้างหรือสารอาหารที่มันไม่ไม่ควรจะกินอ่ะอย่าง trans fat อย่างเงี้ยใช่ไหมคะที่เราเรียนกันเขาที่แล้วเรื่อง trans fat เรื่องอะไรพวกนี้มันจะไปสะสมอยู่ในส่วนของไขมันเวลาเรากินพวกนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเคยเห็นฝรั่งที่มันอ้วนแบบแบบไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะอ้วนแบบ แบบเนื้อเอามาเขย่าเขย่าอย่างเงี้ยแบบเพื่อต้องเอาฟอกลิฟมาแซะแล้วไปหาไปหาหมออ่ะเพราะว่ามันลุกไม่ไหวแล้วอ่ะจริงๆนะคะเขาต้องเอาฟอกลิฟนะคะมาแซะไอ้คนพวกนี้ออกจากบ้านนึกออกไหมเพราะมันติดอยู่บนโซฟาแซะออกไปเพื่อไปหาหมอแล้วไขมันส่วนเกินพวกนี้เนี่ยเนี่ยแหะมันก็คือจะเก็บสารพิษอยู่แล้วเมื่อร่างกายจะสร้างฟ a t c ล l l เพิ่มขึ้นร่างกายเราส่วนใหญ่จะไม่สร้าง fat c ล l l เพิ่มขึ้นมันจะ f a ไอ้เซลล์ไขมันเราจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเฉย น ะ, ะแต่ว่าก็ใหญ่ขึ้นถึงอะไรนะจุดสองมิเมตรหรืออ่าประมาณนั้นนะคะมันจะใหญ่ขึ้นเฉยๆเราเกิดมามีเท่าไหร่เท่านั้นเว้นแต่เราทานไอ้พวกอาหารพวกเนี้ยแปรรูปทั้งหลายเนี่ยเยอะๆแล้วเกิดการตกค้างในร่างกายร่างกายเราก็จะสร้างฟเซลเพิ่มเพื่อมาเก็บไอสารพิษพวกนี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นในการที่เราทานสารอาหารปกติเนี่ยแทบจะมีโอกาสอ้วนได้น้อยมากเพราะว่าถ้าเกิดเราทานบาลานซ์ดีอะ ใช่ไหมคะเราทานในเหมาะใน ส, ส่วนที่สมดุลน่ะคือเราก็จะอิ่มอยู่แล้วแต่ปัญหาคือเราทานพวกนี้่ะคะไฮฟุกโตสคอนซีรัปอยู่ไหนคะอยู่ในน้ำหัตโลมทุกชนิดนี่คือตัวอย่างมีอีกเหื่อไหมคะพวกคุณคุกี้พเซีชอะไรพวกนี้พวกนี้นี่คือแบบพวกไฮโดรเ e เนตออยล์ก็คือออยล์น้ำมันพวกน้ำมันน้ำมันอิ่มตัวทั้งหลายอะ่ะ นะ้ำมันอิ่มตัวทั้งหลายนะพวกของทอดของอะไรพวกนี้นะพวกอาหารที่ไม่ใช่เป็นอาหารสดพวกนี้เนี่ยถ้าเราทานเข้าไปนะโอกาสที่เราจะแบบว่าเนี่ยเหอมโอกาสที่เราจะอ้วนอนะ่ะจะสูงขึ้นเยอะมากแล้วฝรั่งอเมริกันนะ่ะทาไมมันถึงอ้วนกว่าเราขนาดนี้ก็มันตื่นเช้ามาก็พับทาร์ตเนี่ยเหอไหมก็ขนมอาหารแต่รูปทั้งนั้นล้วนๆแทบจะไม่ทานอาหารดําธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นคนไทยหรือคนเอเชียที่อ้วนแบบนั้นอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเราลดความอ้วนลง เท่ากับว่าเราอะไปลดน้ําในแฟตเซล์ลงเราลดตัวเราเนื้อไหมคะเผาผลาญกล้ามเนื้อไขมันอะไรต่างๆของเราโล่งเวปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายไปล้นนี่อีกเหตุผลหนึ่งว่าทําไมเราต้องทําดีท็อกซ์เนื้อไหมคะเพราะเวลาเราลดไปแล้วแต่สารพิษยังอยู่ในร่างกายเราแสดงว่าแฟตเซล์ของเราเต็มไปด้วยสารพิษพวกเนี้ก็คือพวกอาหารที่เรากินเนี่ยอ่าเพราะฉะนั้นในการที่เราทําดีท็อกซ์เสร็จแล้วเนี่ยมันจะกําจัดสารพิษออกไปทําให้ร่างกายเราบาลานซ์มากขึ้น นั่นแหละนะคะคือบทสรุปจบกลับไปถึงวันดีท็อกซ์อีกรอบหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราอะรักษาความสมดุลของร่างกายเราไว้ได้เนี่ยเราก็จะลีนตามธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องรักษาแต่ปัญหาคือเราได้กินปากไม่เลือกเลยใช่ไหมคะเข้าร้านนะเข้าไหนก็จะไปกินเท่าแก่น้อยไปกินชิปไปกินขนมสแนค็คแจ็คนนึกออกไหมลงเลบ้าบอแล้วก็มาพร้อมบิ๊ ก, กอปหนึ่งถ้วยโอ้โห ชอบนะลินบอกตรงนะลินเป็นเด็กที่โตมากับอาหารแบบนี้นึกออกไหมคะคือถ้าให้ลินเลือกเดินเข้าเดินเข้าเซเว่นปุ๊บสิ่งที่ลินเลือกอย่างแรกคือเลมีรถอะไรเรรถอะไรเสร็จแล้วมีน้ำมาลมอะไรบ้างแล้วถ้าอยู่อเมริกานะโหว้วินไปช บ, บินกลับไปอเมริกาทุกครั้งนี่คือสเกจดูของเราเครื่องบินบินลงปุ๊บเอากระเป๋าเก็บขับรถออกไปซูเปอร์ที่เปิดยิบสี่ชั่วโมง ขับรถไปซูปเปอร์เปีด24ชั่วโมงโปเตทนโรชิปรถไหนฉันยังไม่เคยชิมหยิบมาอย่างกะถุงและถุงมึงน่องนะคะไม่ใช่ถุงแค่นี้นะคะถุงแม่งเท่านี้นะคะคือกินกันได้ทั้งครอบครัวและหมู่บ้านสามหมู่บ้านกันข้างนึกอ <c oughs> อกปะนะคะก็กินไปเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็น้ำบัตอร์ลมบางทีเวลาซื้อเป็นซื้อเป็นกระป๋องบางทีมันแพงเพราะแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันจะคิดค่ากระป๋อง <c oughs> ก็เลยซื้อเป็นขวด <c oughs> ขวดสองลิตรแต่นึกออกปะ แล้วเมืองเน้่อาไม่ขายไม่ขายโค้กเป็นกระป๋องนะคะแบบหนึ่งกระป๋องไม่ขายขายทีละหกกระป๋องคือต้องมาเป็นแพ็คอะต้องคีบขึ้นมาจากถูกบัติอย่างนี้นะก็เนี่ยหดูไม่ซื้อหกกระป๋องนะบางทีอย่างล่าสุดนี้ที่ลืงกลับไปงวดที่งวดที่แล้วเนี่ยพี่เพิ่งกลับมาเดือนมิถุนาเนี่ยซื้อแบบแฟมิลี่แพ็คยี่สิบสี่กระป๋องเชอร์รี่โค้กกินวันละกระป๋องแล้วก็เผื่อดาวไลาด้วยใครอยากกินกินด้วยกันชอบนะคะนั่นแหละ นั่นก็คือการสะสมสารพิษที่ดีมากเลยในชีวิตประจําวันเราบางทีเราแยากไม่ออกหรอกมึงออกไหมคะเราจะไปรู้ได้ยังไงว่ามันมีไขมันชนิดไหนบ้างที่ที่เรนเขียนมานะบางทีเรยนยิ่งคิดแบบคนจะรู้ไหมเนี่ยว่าเราหมายความว่าอะไรนะคะเอาเป็นว่าเรนจะบอกว่าสิ่งที่เราเห็นชัดๆนะคะเฮยเคยได้ยินเขาบอกน้ำมันมะกอกดีอวคาโดดีแล้วเมืองไทยกิ่แ ม, มอวอวคาโด กินกนะไรอะเขาบอกว่าแบบมึงได้กินกะไรอะกะเพาเหรอไม่ได้อะมันแบบบางทีมันก็ไม่ได้เหมาะกับอาหารของเราใช่ไหมคะน้ำมันมะอกเนี่ยไปทอดไข่เจียวแม่งจะอร่อยอยังไงยังคิดไม่ออกเลยอะ่ะน้ำมันนะคะที่ทอดไข่เจียวอร่อยที่สุดนะคะคือน้ำมันมู๊เออโอเคนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคือในเรื่องของการที่เราจะสเตย์เฮลตี้ขนาดนั้นเนี่ยคะ่ะโอกาสยากมากให้เราเลือกเรื่องอาหารสดก่อน ะะอาหารที่แบบว่ามันเคยมีชีวิตมาเมื่อไม่านานนี้ไม่ใช่แบบดูหน้าเสร็จแล้วตกลงมันเคยเป็นอะไรมาก่อนนึกออกไ<ช>หมคะบาง <ๆ S 2> ทีเราเห็นอาหารบางอย่างแล้วเรานึ่งไม่ออกว่าชาติที่แล้วมันเป็นอะไรก่อนมันตายเนี่ยนึกออกว่ามันพรีชีพมาเนี่ยมันเป็นอะไรมาก่อนนะคะ <S <S <ๆ>ถ้าเป็นอย่างงั้นเนี่ยคือพยายามอย่าทานมันก็จะไม่เหมาะกับเรามันก็จะเป็นตัวที่เพิ่มสารพิษเพิ่มสารพิษเนี่ยมันก็จะวนกลับมาอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเราเพิ่มสารพิษเสร็จเราไม่กําจัดสารพิษออกจากร่างกายมันก็วนกลับไป ไข่เซลล์เซลล์แฟตเซลของเราเนี่ยก็จะเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะมีบ้านให้กับสารพิษเราอยู่เหนื่อยจริงๆเลยเนาะเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมถ้าเราเกิดเป็นสิงโตง่ายไหมคะล่ากกวางลากระต่ายอย่างงี้เนาะก็กินไปอย่างเงี้ยกินมันทั้งหนังทั้งกระดูกไม่เป็นไรไม่ต้องทําอาหารให้สุกเดี๋ยวสุกเกินไปมันก็มีดําๆก็กลายเป็นสารก่อมะเร็งอีกใช่ไหมเออดูดีทํำไมเสือมันโชคดีขนาดนี้ เหรคะเกิดมนุษย์นี่ยากเหลือเกินอาหารแปลรูปมาหลอกล่อสารพัดอาหารแปลรูปหลอกล่อไม่พอนะอาหารเสริมมาแปลรูปหลอกล่ออีกนะคะตลกมากนะคะมึงจีนจนิวทีไรส์ขายดีขนาดไหนด้วยเมึองจีนทําปลอมอะ่ะมีคนจีนทําปลอมฉลากของนิวทรีไรส์ต้องเปลี่ยนเรื่อยๆนะคะแล้วเวลาเปลี่ยนต้องแจ้งนอทออเนื่อมาจากแจ้งบรรทกธุรกิจอเมริกาทุกคนนะว่าฉลากเปลี่ยนแล้วนะนะระวังของปลอมนะตอนนี้นะตั้งแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนฉลากอะไรอย่างเงี้ยเนื่องมากหรือทําสั ญ, ญลักษ โอ้ยแสดงว่ามันไขาดีจริงใช่ไหมเพราะมันยังปลอมไข่เลยใช่ไหมคะมันปลอมไข่เรนก็ไม่รู้แต่นั้นซื้อสตรอเบอรี่อร่อยมากสงสัยอยู่สตรอเบอรี่มันปลอมเปล่า mm hmm. คือมันหวานแบบเรนดกินคือคือร้านที่เินชอบไปทานใช่ไหมคะร้านอาหารญี่ปุ่นมารุเนี่ยวันละวันเกิดเรนเขาจะรู้เลยเขาจะซื้ออะไรให้เินเ้าจะซื้อแบบเป็นถาดใหญ่ๆสตรอเบอรี่แบบลูกเท่าเนี้ยแบบที่เขาเอาจิ้มช็อกโกแลตอะ่ะ mm hmm. แต่ลูกเท่าเนี้ยแล้วกัดไปแล้วแบบหอมหวานแบบ เอาไวคือแบบทุกลูกเป็นอย่างนั้นหมดเลยอย่างเงี้ยมาถึงปบบยี่สิบสี่ลูกแบบพออย่างดีหอเหมือนลูกลูกแพเลยแบบมีโฟมหอยอย่างเงีนะ้ยเนาะเออแล้วไปกินที่จีนแม่งอร่อยว่าที่ญี่ปุ่นทีกะแล้วไปยังไง ร, รู้ไหยคะแม่ค้าหามมากู <c oughs> <c oughs> ชัวยได้นเนี่ย <c oughs> ต้องไปรีบฟอร์มแน่เลยหรือไม่มันต้องฉีดอะไรเข้าไปเนี่ยน่า ก, กลัวมากก็ไม่รู้เหมือนกันโดนแต่ท่านกูกินอร่อยมากเนะรีบลงจากรถบสัสไปซื้ออีกอ่ะ คือด้วยความที่มันอร่อยจัดขนาดนั้นอ่ะโอ้โหคุยถึงอันตรายอะไรน้ำลายไหลอย่า ก, กินสตรอเบอร์รี่บอมโอเคเดี๋ยววหลังพาไปนะคะโอเคเอามาเรามาคุยถึงเรื่องโรคอ้วนก็แน่นอนอยู่แล้วทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะว่าผลผลกระทบของโรคอ้วนมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะ <c oughs> โอยบ้าคนอ้วนมีแฟนเยอะแยะ <c oughs> เอาจริงนะ <c oughs> ขอให้รวย ไม่ใช่ไม่ก็คือเยมีเพื่อนเพื่อนไม่เพื่อนลูกพี่ลูกน้องเลยนะตอนที่มันหนักร0อยกิโลนะมีแฟนคบกันเป็นสิบปีเลยเส็จแล้วอยู่ดีตัดสินใจลดความอ้วนแฟนเลิกเลยเแต่คงไม่ได้เลิกกันเพราะเหตุ น, นั้นหรอกแต่เอาเป็นว่าเราติต่างไว้ว่าก่อนคนอ้วนก็มีแฟนได้นะไม่ผิดพลาดนะคะ มันอยู่ที่สันดานมากอุ้ยไม่ใช่จะมีแฟนไม่มีแฟนสันดานว่าเอาไม่อยู่กับใครไม่ได้อย่างเรนนี้ก็นะอย่าหวังหาสามีเลยเออไปดูดูอย่างโอ๊ตดีโอ๊ตน่ารักมากเลยอ่ะเห็นเนอะเว่าเห็นโอ๊ตกับเชนแล้วแบบกีด่ะกีดกรี จับมือกันเรียนอาหารเสริมมาแบบเธอแบบดูแลสุขภาพนะอยู่ได้ น, นานนะัฉันจะรักเธอตลอดไปอะไอย่เงี้ยชอบอ่ะ <c oughs> น่ารักนะคะามีคนที่เรารักนะคะเราก็ต้องพามาเรียนรู้ด้วยกันแบบนี้นะคะเราจะได้สุขภาพแข็งแรงอยู่ด้วยกันนานๆนะคะเอาข่าเรื่องการเป็นการเป็นโรคอ้วนเนี่ยนะคะมันจะมีผลกระทบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโรคของแบบหลอดเลือดหัวใจหนะร่าไหมคะความดันเบาหวานอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆ ตอนนี้มันมีวิจัยใหม่ออกมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคนอ้วนมันก็มันก็มีจุดดีบ้างในบางเรื่องแต่ว่าตอนนี้คือเขายังไม่ได้พิสูจน์ออกมาเอาไม่ว่าหรือไม่เอาข้อมูลนี้มาให้เราลกหัวก่อนตัดทิ้งไปนะคะเอาแค่ข้อมูลหลักๆก็คือเนี่ยอพวกเช้อเลือดติบในสมองเอยไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจความดันเบาหวานสารพัดชนิดนะคะคนอ้วนก็มีเสี่ยงกับเรื่องนี้เยอะกว่าคนผอมนะคะไอ mm ้ hmm. เรื่องคอเลสเตอรอลนะคะคนผอมคนอ้วนเป็นได้หมด มันอยู่ในอยู่ในชั้นเลือดนะคะคือต้องต้องเกาหน้าบ่อยนี่ผมมันปลิวเพราะว่าพัดลมมันเป่ากดองแค <c oughs> ให้เย็นแต่ขาพอนะโอเคนะคะอ่านนก็ร่างกายเราทำไมเราถึงต้องไม่กินไขมันนะคะเมื่อกี้นี้เนี่ยก็ลินบอกไปแล้วว่าไอ้แฟตที่เราต้องแบบหลีกเลี่ยงโดยสิ้นเชิงเลยก็คือพวกไขมันอิ่มตัวทั้งหลาย ก็คือมาจากไขมันสัตว์ที่มาเป็นก้นกอนๆเลยอ่ะนึกออกคะผัดกันมาเป็นโด๊ะๆอย่างนั้นอ่ะเน้นหลีกเลี่ยงแน่นอนนะคะแล้วก็เรื่องของเอ่อ trans fat ทั้งหลายก็คือไขมันที่แปลรูปมานะคะเช่นพวกมาการีนอะไรพวกนี้อย่างที่เราคุยกันนะคะหรือว่าดูง่ายๆนะคะก็ดูที่ฉลาก ท, ที่ฉลากของอาหารที่เราซื้อนะคะพยายามหลีกเลี่ยงเรื่อง trans fat นะคะแต่ s a t u r a t e fat เนี่ยอย่างที่บอกนะคะพอทานได้วันหนึ่งประมาณ4กรัม ก็ถั่วเฉลี่ยไปนะคะวันนี้กินบ้างวันหน้ากินบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่า ก, กินกันทุกวันแล้วก็อย่า ก, กินเยอะอย่าหักโหมนะคะก็ประมาณนั้นทีนี้เนี่ยทาไมเราถึงไม่กินไขมันในเมื่อแคลอรี่มันก็คือแคลอรี่ถูกไหมคะแคลอรี่เนี่ยไขมันหนึ่งกรัมเท่ากับแคลอรี่เก้าแคลอรี่โปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตหนึ่งกรัมเท่ากับสี่แคลอรี่อืมแสดงว่าไม่คุ้มเลยใช่ไหมใช่ป่ะกินได้น้อยลง ถ้านันจะเสียใจมากหนันจะไปนเน้นโปรตีนคาร์บโบไฮเดรตแทนยอมอดกินไขมันเอาปริมาณเข้าว่าพ <c oughs> ยักหน้านะคะ <c oughs> เอานะคะก็คือจะบอกว่าไขามันเนี่ยคือให้ให้พลังงานสูงกว่าอยู่แล้วทีนี้เนี่ยมันนอกจากนอกเหนือจากนั้นนอกเหนือจากนั้นการทานไขมันนะคะวเวลาเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยมันมาถึงเสร็จ ป, ปุ๊บมันไม่สนใจเลยนะว่าเรากินอะไรนึกออกไหมคะมันจะสับ ในลำไส้กระเพาะเนี่ยทางเดินอาหารเราตลอดทางเนี่ยมาตั้งแต่ปากอะปากเราก็จะสับน้ําตาลออกเป็นโมเลกุลเดี่ยวเท่าที่มันจะเดี่ยวได้อ่ะในขณะที่ผ่านเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเคี้ยวเนี่ยนะคะเราควรจะเคี้ยวช้าๆ้าใช่ไหมอืมที่คิดพูดตอนท้ายอะเราควรจะเคี้ยวช้าช้าการเคี้ยวช้าช้านี่ก็คือหนึ่งช่วยให้ร่างกายเราย่อยอาหารได้ดีขึ้นนะคะย่อยอาหารได้ดีขึ้นอ่าเคี้ยวเคียวเคียวสับให้ช่วยมันสับ สับฟิสิกอลก่อนเดี๋ยวเราจะไปสับทางเคมีในกระเพาะในลําไส้แล้วก็ลําไส้ใหญ่นะคะทีนี้เนี่ยเราก็ช่วยมันสับให้เรียบร้อยนะคะพอถึงเวลาแล้วเนี่ยในการดูดซึมในการทํางานของเขาก็จะทํางานน้อยลงบางคนนี่นึกว่านึกว่าเป็นงูเหลือมนึกหรือไม่คะมันกินละกืนกินละกืนกินละกืนรู้จักงูเหลือมไหมคะมันคาบเลกเลกเลืกลือลงไปเนี่ยไปปูดแล้วก็ค่อยๆยไปย่อยเราไม่ใช่งูนะคะ งั้นเราเป็นคนนะคะเราก็ต้องเคี้ยวนะคะก็คำหนึ่งเนี่ยเคี้ยวสามสิบสี่สิบครั้งอะ่ะดีเลยเยอะไปนะคะเอายี่สิบก็ต่อเอาอ้เอาอเอายี่สิบไม่รอดเถอะบางคนนี่กูบอกเขาสิบอะบางทีเนี่ยเห็นน้องๆบางคนเนี่ยเคี้ยวหนึ่งสองสามคืนหนึ่งสองสามคืนแบบโอยมันจะรีบอะไรขนาดนั้นเนี่ยเขาะเขาไม่ได้รีบแบบ น, นิสัยนะคะกลัวฟันสึกเคี้ยวเยอะเดี๋ยวฟันสึก เดี๋ยวต้องเดือดร้อนไปเดี๋ยวต้องเดือดร้อนไปหาหมอฟันนะคะไปเสรมฟันอีกก็เลยแบบเคี้ยวน้อยๆกลัวฟันศึกมองกันไกลนะคะเอาเป็นว่าเคี้ยวอาหารนะคเคี้ยวให้ละเอียดจากในปากเราเนี่ยนะคะมีอามิเลสช่วยย่อยน้ำตาลใช่ไหมผมย่อยน้ําตาลลงไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะลงไปย่อยในในในตรงนี้ไม่มีนะตรงนี้ไม่มีอะไรให้ย่อยนะคะแค่ส่งอาหารลงไปที่กระเพาะเพราะเมื่อถึงตรงนี้มันเจอกระเพาะกระเพาะก็จะย่อยทั้งสามอย่างเลยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมัน ทนีนี้เนี่ยเวลาร่างกายเราดูดไปใช้คือมันจะต้องสับๆเสร็จแล้วแบ่งออกมาเป็นตัวเล็กตัวน้อยเสร็จแล้วเนี่ยพอเวลามันผ่านทะลุเข้าเซลเสร็จปุ๊บมันก็มารวมร่างใหม่แล้วพอมันจะทะลุไปอีกเซลหนึ่งไปที่หลอดเดือมก็ไปรวมร่างใหม่เหนือกว่า breakdown ก็ไปรวมร่างเ r e กดา o w n เปรวมร่าง ช, ช่วงนี้แหละเราจะเห็นเลยพวกไอพวก trans fat บ้าบอพวกนี้ ine, มันก็จะตกค้างหมาเป็นช่วงๆ ต, ตับเราก็จะเอาไปล้างไปทําความสะอาดไปเก็บไว้ที่ตับบ้างไปเก็บไว้ที่ไขมันส่วนอื่น fat cell ในร่างกายของเราทั้งหมด แหละ <c oughs> ทีนี้เวลาร่างกายเราเก็บแคลอรี่ส่วนเกินเอาไว้ใช้หน้าหนาวนะคะมันก็จะเก็บสิ่งที่ง่ายสุดมันเก็บสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อนแล้วสิ่งที่ง่ายสุดคือไขมันแปลงไขมันเป็นไขมันง่ายไหมง่ายยู่ดีดเอาคาร์โบไฮเดรตไปแปลงเป็นไขมันยากไหมยากยูดีเอาโปรตีนไปแปลงเป็นไขมันยากไหมยากอีกเนี่ย รนจดมาเขาบอกว่าร่างกายใช้ 2.5 แคลอรี่จากการเปลี่ยนไขมันเป็นไขมัน 2.5 แคลอรี่นะแต่ต้องใช้พลังงาน23แคลอรี่ในการแปลงโปรตีนหรือคาร์โบไฮเดรตเป็นไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่มันจะเก็บไขมันมันก็เริ่มต้นจากการเก็บอีนี่ก่อนเลยนึกออกว่าเก็บอีไขมันก่อนเล ย, ออ เ, เ, ลยเพราะมันแปลงง่ายใช้พลังงานน้อย เพรถ้าเราทานไขมันน้อยแต่เราทานเกินอย่างน้อยสุดร่างกายเราก็เผาผลาญในการที่เราม่ต้องเอาไปเก็บหรอวะจริงไหมคะมันก็ยังได้ใช้บ้างไงนะคะก็เออปิดสไลได้แล้วค่ะโอเคนะคะก็หนึ่งคือตอนนี้เรารู้แล้วอย่าอดอาหารพี่โหยมารยาทดีมากโอเคนะคะ เราเราเราเราพูดถึงไหนแล้วโอเคอ๋อเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากเลย อ, อยากจะพูดเรื่องนีู้อยากจะพูดมาตั้งสามจังหวะแล้วลืมนะคะคือเรื่องการทานผักเอทานแป้งนะทานแป้งทานข้าวทานน้าตาลขัดขาวค่ะคืออย่างนี้เราต้องดูแคลอรี่ที่เราทานถูกไหม น้ำตาลเนี่ยบางทีถ้าจะยากที่เราจะหลีกเลี่ยงที่จะทานข้าวเนี่ยหลีกเลี่ยงมากยากมากที่จะทานยังไงต้องกินข้าวยังไงต้องกินก๋วยเตี๋ยวอะถึงปะในมื้อแต่ละมือ้อใช่ไหมคะมันต้องมันจำเป็นต้องมีแป้งนะในร่างกายเราเนี่ยนะคะคือแป้งเนี่ยเป็นเป็นเป็นซัพพลายของ energy ของพลังงานที่ดีที่สุดละถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้พลังงานเดี๋ยวนี้หรือว่าอยากได้แรงนะคะเราก็คือควรจะทานอะไรที่มีแป้งหรือน้ําตาล ทีนี้เนี่ยจะทานยังไงให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเราแล้วไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแคลอรี่ที่ว่างเปล่าธรรมดาแคลอรี่ส่วนใหญ่ในว่างเปล่าเพราะมัน น, น้ําตาลใสแดงน้ําตาลสายขาวอย่างเงี้ยนะคะคือน้ําตาลเนี่ยปกติมามีวิตามินสารพัดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะที่มาจากมาจากต้นอ้อยเราเนี่ยที่เขาเอามาทำเป็นน้ําตาลเนี่ยแต่เราเอาไปฟอกสีไปกัดสีไปเมื่อเอาไโประซวใหม่อะ่ะคือเราได้แค่เหมือนที่พี่คิดพูดอะคะ่ะเวลาผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมอยากได้ A B C อะ่ะ ถ้ามีดีอีแถมมาผมไม่เอาอะจริงๆแล้วธรรมชาติมันเรียนแบบไม่ได้ใช่ไหมคะเราอยากได้น้ำตาลเนี่ยนะบางทีในน้ำตาลเนี่ยมันมีตัวคารของมันเองอย่างยกตัวอย่างไข่ไข่เนี่ยหลายๆคนจะไม่ทานใช่ไหะหรือทานแต่ไข่ขาวจริงๆแล้วเนี่ยในไข่เนี่ยนะคะเราทานเขาตอนนี้วิจัยค้นพบออกมาสรุปเรียบร้อยแล้วว่าทานไข่ได้วันละหนึ่งฟองแต่ก่อนนี้ก็บอกว่าอาทิตย์ละฟองหรือเดือนละฟองเดี๋ยวนี้อยากทานนะซอสโปรตีนนะคะที่ดีที่สุดเลยนะคะ คือหิวข้าวอยากสแน็คแต่ไม่อยากกินของหวานหรือไม่อยากกินอย่างอื่นนะไม่อยากกินผลไม้กินไข่ไปเลยฟองหนึ่งดีสุดเลยไข่ต้มเนี่ยแหละในไข่แดงมีเลซตินอยู่แล้วนะคะสามารถลลายให้เข้ากับไข่ขาวได้เนี่อาไว้ทําให้สารเคมีต่างๆพวกเนี้ยไอคอเลสเตอรอลเนี่ยไม่ได้เป็นคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีไม่เอาไว้ฮะมันมีบาลานซ์ของมันอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่ทีนี้เนี่ยคือไข่ของบ้านเราเนาะมันก็มีทั้งออแกนิกไม่เน็ค มีทั้งหนิกและไม่นิกก็ให้เลือกหนิกๆหน่อยแล้วกันนะคะถ้าเลือกหนิกหนิกหน่อยก็จะเซฟหน่อยนะคะเราก็จะมีฮอร์โมอนน้อยมีเรื่องราวต่างๆ ต, ตัดแต่งพันธุกรรมอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายลดน้อยลงไปนะคะก็จะดีกว่าใครเนี่ยยังดูเป็นธรรมชาติเลยใช่ไหมคะน้ําตาลเนี่ยมันมาแบบม า, ม, ามันมาน้ําตาลมันไม่ได้สีขาวอะเนาะมันเป็นมันเป็นค่านิยม คือเขาบอกค่านิยมสมัยก่อนตั้งแต่เขามีข้าวขัดขาวแล้วมีน้ําตาลขัดขาวเนี่ยนะมันกลายเป็นค่านิยมว่าเฉพาะผู้ดีเท่านั้นจะกินน้ําตาลขาวกับข้าวขาวแต่วันนี้นะคะผู้ดีก็ป่วยกันเละเทะไปหมดเลยใช่ไหมคะโอ้ยอยู่ในคุกแข็งแรงมากกินข้าวแดงดอเอ้ยไม่ใช่ <laughs> ไม่ได้นะนําวไม่ไปเข้าคุกนะคะก็คือหมายถึงว่าถ้าเราทานข้าวที่เป็นข้าวกล้องหรือว่าข้าวที่ไม่ได้ขัดสีเนี่ยเราจะได้วิตามินอื่นรวมไปด้วย เราก็เคยที่ยินไงคนเป็นปากนก็จอกให้ทานข้าวกล้องซ้อมมือใช่ไหมเพราะว่าในข้าวกล้องเนี่ยมีวิตามิน B ีสองแต่ในข้าวไม่กล้องเนี่ยนะคะในข้าวสวยธรรมดาเนี่ยไม่มีวิตามินอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือปรองเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องการทานข้าวนวมั น, ะะนลณรงการกินข้าวกล้องนะเรียนว่าดีดีกว่าแล้วก็โอกาสในการน้ําหนักขึ้นคือเนื่องจากว่าในข้าวก้องเนี่ยมันจะมีไฟเบอร์ใช่ไหมคะมีวิตามินมีอะไรต่างๆครบถ้วนเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแค่แคลอรี่อะ ไม่ได้เป็นแค่แคลอรี่ที่ให้มาเบกดาวเป็นเป็นพลังงานให้เราเสร็จแล้วก็จบแต่ว่ามันยังสามารถอยู่ในท้องเราได้นานขึ้นเพราะไฟเบอร์มันจะทำให้อาหารเนี่ยเคลื่อนตัวผ่านร่างกายเราได้ช้าลงถูกไหมคะร่างกายเรามีโอกาส ด, ดูดซึมและย่อยอาหารได้ดีขึ้นพอดูดซึมย่อยอาหารได้ดีขึ้นการที่เราจะหิวและโหยะระหว่างมื้อจะไม่ค่อยมีปัญหาคือเราชอบกินอาหารที่มันเป็นแบบเขาเรียกเขาเรียก high density อะ่ะ คือมีความเน้ น, น่นสูงหมายาว่าคุกกี้หนึ่งก้อนอย่างเงี้ยออรโอ้หนึ่ง อ, อ, อ, อันเนี่ยห้าสิบแคลอรี่ใช่ไหมคะเออนะคะแคลอรี่ห้าสิบแคลอรี่ถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยจากโอริโอมาเป็นกล้วยหนึ่งหนึ่งใบอย่างเงี้ยโอ้ยได้ทั้งโพแทสเซียมได้สา ร, รพัดเรื่องเลยได้กากอาหารด้วยนะคะได้แบบเพิ่มแบคทีเรียนะคะที่ดีในลําไส้เพิ่มเสริมสร้างภูมิต้านฐานให้เราด้วยแล้วก็อิ่มท้องด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ไม่หอยด้วย กินอรีโอ้หนึ่งอันเอาอยู่ละคะมันต้องอย่างน้อยห้าอันจริงไหมจริ ง, รงเออไม่ใช่ห้าอันนี่คือพออิ่มนะกินอีกห้าอันเพื่อความสะใจจริงไหมจริ ง, รงเหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะ น, นั้นนี่คือเราจะบอกว่าเวลาเราทานอะไรเราต้องคิดนิดหนึ่งถ้าเราอยากจะดูแลสุขภาพของเรานะคะก็คืออย่าทานอาหารแปลรูปเยอะ นะคะให้เปลี่ยนไอ้พวกขาวๆทั้งหลายมาเป็นพวกเข้ากล้องน้ําตาลนะคะแล้วก็เวลาเลือกน้ําดื่มนะคะเลือกง่ายๆเลยเนี่ยเลือกอ e ีสปริงจริงเพราะว่าการดื่มอย่างอื่นเนี่ยคือเรื่อแต่เอาเอาตามความชอบเนาะคือความชอบของคนนะคะแล้วก็ก็เพื่อสุขภาพไม่เหมือนกันช่วงที่เรียนแล้วความอ้วนนะคะเรียจะไม่แตะน้ำมันลมเลยแล้วเวลาทานน้ามันลมปุ๊บเนี่ยทานวันละหนึ่งกระป๋องเนี่ยเห็นผลชัดเจนภายในหนึ่งเดือนคือน้ําหนักขึ้นแน่นอน เ่นชอบสูตรของแม่เรนมากเลยเขาเป็นคนที่จนแบบ น, นี้นะคะหกสิบกว่าแล้วก็ยังถือว่ารูปร่างดีเนาะอ่อ่างี้เดี๋ยวเราต้องเข้าใจนิดนึงก่อนเวลาเราอายุเยอะแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ก็พูดถึงโกรทฮอร์โมนเนาะโกรทฮอร์โมนเนี่ยนะคะมันจะเป็นส่วนที่เวลาเราอ้วนนะคะมันจะอ้วนถ้าเราขาดโกรทฮอร์โมนเวลาเราอ้วนเราจะอ้วนเป็นจุดเป็นจุดนั้นก็คือจุดนี้คือไขมันจะพอกบริเวณกลางตัวนี่คือคนขา ด, ขาดโกรทฮอร์โมนนะคะ เ, งง เ, เ, เพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ขัดโกรทฮอร์โมนเป็นยังไงบ้างก็คือร่างกายเราสร้างโกรทฮอร์โมนโดยตับก็เป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสร้างในช่วงที่ตับทํางานถ้าตับเราไม่ได้ทํางานแล้วเราใช้งานตับหนักๆมากๆนะคะเราก็จะไม่เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราอายุเยอะขึ้นโกรทฮอร์โมนลดอยู่แล้วน ะ, ะพ่อเบนนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่สรหาโกรทฮอร์โมนเพราะได้ยินมาว่าดีมากบินไปถึงฝรั่งเศส ตรวจเลือดตรวจสุขภาพร่างกายสารอาหารอะไรขาดสารอาหารอะไรเกินเติมเติมเติเติมเสร็จ เ, เ, เ, เรียบร้อยใส่โกรทฮอร์โมนเข้าไปห้าปีให้หลังเป็นมะเร็งอ่านะคะการที่มีโกรทฮอร์โมนในวัยที่เราผิดวัยอ่ะมันไม่โตแล้วอะร่างกายเราไม่โตแล้วนะคะมันก็ส่งผลในทางลบนะคะแต่ว่าถ้าเราหลังออกมาตามธรรมชาติแล้วอีกอย่างเลนคิดว่าปัญหาของมันคือมันเป็นโกรทฮอร์โมนที่สังเคราะห์ด้วยอ่ะนึกออกไหมคะคือเหมือนกับแบบ ไม่กระตุ้นให้มันเกิดคือลิกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าบินไปฝรั่งเศสเนี่ยบินไปทุกๆเดือนบินไปเพื่อไปเนี่ยฉีดโกรธฮอร์โมนทีหนึ่งก็หลายแสนนะอยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินและค่าที่พัก อ, ะอ่ะนะส่วนเอ่อในเรื่องของเอมื่อกี้จะเล่าเรื่องพ่อแล้วมีมีอีกคนหนึ่งไม่เราก็แม่สักคนจะไม่ได้ละอ่ะ <laughs> มันเยอะเหลือเกินนะคะ <c oughs> นั่นแหละก็คือเรื่องของโกรธฮอร์โมนนะคะ ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไขามันเนี่ยคุณแม่เลนใช่ไหมเขาก็จะยังมีผุงบ้างเพราะว่ากลฮอร์บยมันน้อยลงแต่โดยรวมแล้วตัวเขาเนี่ยก็คือค่อนข้างบางเพียวแล้วก็ออกกําลังกายก็ปานกลางอะ่ะแม่ลินชอบทําสวนแม่ไว้ชอบเต้นลายแดนส์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ได้แบบว่าแบบออกกําลังกายแบบหักโหนว่ายน้ําตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าประเด็นที่เขาทําเนี่ยก็คือเราจะเห็นว่าเขาเลนก็ถามเขาแม่เลนเนี่ยอยากกินอะไรซื้อ อยากกินชีโตสซื้อแล้วเวลาซื้อทิ้ง ซ, ซื้อถุงใหญ่ๆเลยนะแล้วแม่บอกกินจนกว่าจะหายอยากคีย์พอยต์มากๆเลยนะคะในการลดความอ้วนนะคือต้องทําอะไรที่เราสามารถรักษาต่อเนื่องและทําสม่ําเสมอได้นั่นหมายความว่าเราอยากกินอะไรกินแต่ว่าจํากัดจํานวนอยากกินแบบหักโหมกินฝืนกินยัดเข้าไปจนกว่าจะหมดเสียดายโน่นนี่แน่แน่นนไหมคะแม่ดินจะซื้อซื้อชิปให้ดินถุงหนึ่งเนี่ย บางทีแล้วลินก็คือด้วยความที่แบบเวลาเราได้อะไรง่ายๆเวลาเราได้อะไรยากๆเราจะอยากมากใช่ไหมสมมติเราถูกบังคับอ่ะมันต้องกินสลัดกับไข่หน้าด ressing แบบน้ําใสอะไรเงี้ยให้กินบังคับอย่างเงี้ยสามเดือนเพื่อลดความอ้วนพอหยุดลดความอ้วนปุ๊บแม่งสวาปามเละนึกเอกอว่ากินทุกอย่างที่เคยอยากกินแล้วไม่ได้กินอะ่ะอย่าฝืนใจตัวเองขนาดนั้นเราจะไม่สามารถประสบความสมําเร็จในการลดความอ้วนได้ คือเราชอบอย่างเงี้ยลดควาอ้วนไม่กินพดความอ้วนไม่กินลดความาอว้วนไม่กินแต่พอเวลาเอ้ยเบ ร, รแกแตกซัดแหลกเนื่ยหรอปะอย่าทำอย่างงี้คือกินอ่ะชิมชมเออโอเคหายอยากหยุดละใีนี้บอกแต่ก่อนนี้คือโชคดีอยู่ในบรรยากาศนี้ก็เราไม่ได้ผอมลงมากก็ให้เราไลาอ้วนแทนเนี่ยหรอปะะก็ซื้ออันนี้มาเสร็จก็กินสามคำอุ้ยอร่อยโอเคอร่อยสามคำเอากินต่อไม่เอาให้โยนคนโน้นกินต่อเอารับเหรอปะ อ้าปาก ง, งับยังงั้นแหละคือจะแบบกินให้ตัวเองหายอยากเสร็จแล้วก็ส่งต่อหรือไม่ก็คือสั่งอะไรมาหนึ่งอย่างน้อยๆแล้วมันแบ่งกันกินอ่ะหลายๆคนแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้กินสิ่งที่เราอยากแต่เราต้องควบคุมตัวเองให้ได้ไม่ใช่แบบว่าโอ้ไม่เอาอยากกินอีกอยกินอีกกินอีกนีกยหรอปะคืออย่าตะกะสรุปแล้วว่าอย่าตากะกะจริงๆคือให้ทานแค่พอประมาณแล้วเราจะรักษาลูทีนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องเสีย คือลินเข้าใจเลยว่าตอนเด็กๆในลินไม่เคยอดอาหารเลยนะแต่คือหุ่นดีตลอดทั้งที่ไม่ได้ออกกําลังกายนเนอะไหมคะแต่ว่าเรากินแล้วระบบแมทรีบลิซิมเราทํางานดีใช่ไหมมันมาเสียศูนย์ตอ น, นอายุยี่สิบปลายๆเนี่ยแหละตอนนั้นที่น้ําหนักขึ้นแล้วแบบตัดสินใจอดอาหารอนะ่ะอดอาหารอยู่ประมาณสองปีนะหลังจากนั้นนะกินอลไรก็อ้วนแล้วลดนะยลดยากมากแต่แต่ก่อนนี้นะโหูกินยังไงก็ไม่อ้วนแล้วลินเป็นคนที่กินแบบอย่างที่บอกค่ะ กินโต๊จีนเนี่ยอาหารสิบอย่างกินสองคนกินหมดเกลี้ยงอะ่ะแต่ไม่อ้วนนะคะนึกออกว่าคือแบบมันแบบมันมาอ้วนเพราะไอตอนอดอาหารเนี่ยแหละแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะก็คือระบบเผาผลาญเราทำงานน้อยลงคือมันมีแฟกเตอร์ในร่างกายเราที่เปลี่ยนในขณะที่เราอายุเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือหนึ่งเวลาเราเลือกที่จะทานแคลอรี่อย่าทานเอม t ี c a คลอ i e ่อย่าทานแคลอรี่ว่างเปล่าแคลอรี่ว่างเปล่าย่อตัวอย่างนะคะแอลกอฮอล การดื่มเหล้าดื่มวายการดื่มเบียร์นะคะมีแคลอรี่สูงมากๆไม่เชื่อลองไปเสิร์ฟในเน็ตดูมากกว่าอาหารจานหนึ่งการทานเหล้าหนึ่งแก้วกลางคืนเนี่ยนะคะคือถ้าไม่อยู่เต้นแม่งยันเช้าเนี่ยนะคะก็อย่ากินเลยไม่โคลมค่ะแคลอรี่เยอะมากนะคะแล้วแคลอรี่พวกนี้นะคะลงนี้โดยตรงเลยลงพุงอย่างเดียวเห็นเบียร์ไหมคะคนกินเบียร์เหมือนคนท้องเลยเนาะ นะคะอย่าทานพวกน้ําตาลขัดขาวอย่าทานพวกแป้งขัดขาวข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พยายามทานโฮลวีตให้ได้ยมากที่สุดนะคะทานพวกโฮเกนมอะพวกเนี้ยขนมปังก็ทานพวกโฮเกนโฮเกนเนี่ยเพิ่มไฟเบอร์ให้ด้วยและในไฟเบอร์นั้นก็มีวิตามินมีเกลือแร่ด้วยนะคะเราก็จะได้ทานอาหารที่แบบสดปกตินะคะขนมปังนะคะแม้กระทั่งขนมปังในเวลาเราทานเนี่ยบางที เดี๋ยวรู้สึกวินทำรีเสิร์ชออกมาในช่วงที่เรากําลังค้นคว้าสําหรับคอร์สนี้กันอยู่ขนมปังพวกที่ไม่มีหัวปุดๆขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ออาไมาหัวกระโหลกขนมปังเนี่ยเป็นขนมปังที่ค่อนข้างอันตรายนะคะเพราะว่ามันอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมแล้วสารอะไรต่างๆที่มันจะต้องระเหยเออกไปใน p r o c e s ของการทําขนมปังเนี่ยมันไม่ระเหยมันติดอยู่ในนั้นแล้วมันก็มาตลบใส่เข้าไปกลับเข้าไปในเนื้อขนมปังขนมปังพวกนี้จะเสียช้ามากขึ้นลาช้ามากนะพาะลายไม่อยากจะขึ้นเลยเนาะ น ะ, ะก็อย่างเงี้ยค่ะขนมปังสี่เหลี่ยมที่เราเห็นขนมปังแซนวิชเนี่ยก็จะเป็นขนมปังที่ค่อนข้างไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ไม่เฮลตี้เท่าไหร่นะะก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งอันนั้นเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสหน้าจะให้วินเขาขึ้นมาแชร์เรื่องนี้นะคะกัดูซิครบหรื อ, อยังอ่านะคะตกลงเรา การลกความอ้วนนะคะก็คือนอกจากจะปลอดโรคแล้วนะคะก็ทำให้เราดูดีมีความมั่นใจด้วยใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้เล่าเรื่องโรคผู้หญิงไปนะคะก็ประจำเดือนไม่ปกตินะคะเป็นเรื่องที่เป็นกันเยอะมากเลยสแตนดาร์ดนะคะลินจะให้ลินจะให้พื้นฐานก็คือให้ทานโปรตีนดับเบิลเอ็กซ์น้มันปลาคืออันดับแรกสุดเนี่ยคือเหมือนเวลารถเราดับหรือสตาร์ทไม่ติดเนี่ยนะสิ่งแรกที่เราคิดก่อนเลยใช่ไหมคะน้มันหมดหรือเปล่า Mm hmm. เรามักไม่ค่อยคิดน้ำมันเครื่องแห้งไหมเนื้อไ ห, หรือว่าบ่อน้ําเป็นยังไงจริงป่ะ mm hmm. เออใช่ไหมคะหลอดใดสตาร์ทเสียอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเป็นเรื่องท้ายท้ายอะ่ะใช่ก่อนน้ำมันหมดหรือเปล่านะ้ำมันไม่หมดนี่คือระดับแรงเพราะฉะนั้นเหมือนกันสุขภาพมนุษย์นะคะสิ่งแรกที่ต้องใส่ให้มันก็คือโปรตีน Double X น้ำมันปลาใส่ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยค่อยไปดูระบบขับถ่ายโอเคไหมระบบขับถ่ายปกติดีใช้ได้นะคะอาจจะมีไฟเบอร์บ้างปแปลายแล้วก็ เติมน้ำมปให้เต็มก่อนเสร็จแล้วค่อยไปดูอย่างอื่นถ้าตรงนี้ยังเติมไม่ได้นะคะอย่าไปอย่างหวังยาวิเศษได้หรือไม่คะสอนให้ร่างกายเราทำงานให้เป็นก่อนโอ้โหนี่เราเกินเวลาไาเยอะมากนะคะเดี๋ยวต้องต้องขมวดฮึคุ้โอเคนะคะเออถึงไหนละ เติมเติมน้ำมันเติมน้ำมันของเราให้เต็มก่อนก็คือเติมตัวเองด้วยโปรตีนดัแล้วน้ำมันปลาให้เสร็จก่อนทานให้สม่ำเสมอตรงนี้นะคะท่าน้สังเกตเห็นนะคะจากการที่แนะนำอาหารเสริมมาสิบปีเนี้ยคนประมาณแปดสิบเปอร์เซนคือปัญหาถูกแก้ไขหมดเป็นสิวทั้งหน้าสุขภาพไม่ดีเป็นภูมิแพ้เป็นเนื้อออไหมคะอย่างน้องวินเนี่ยโรคกระเพาะอย่างเดียวเท่านั้นะ่ะคือกินโปรตีนอย่างเดียวอะหายเลย โรคกระพาะที่เป็นมาทั้งชีวิตอ่ะไม่ออกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือร่างกายเรามันขาดอะไรบางอย่างแต่ก่อนที่เราจะรู้ได้ว่าไอ้ส่วนเล็กๆที่มันขาดอะไรใส่ไอ้แอนใหญ่ๆก่อนใส่ไอ้ตัวสําคัญสําคัญก่อนกรดอะมิโน9ชนิดอย่างเงี้ยนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยคือบางคนแบบไม่เข้าใจทําไมให้แค่9ชนิดเข้าใจไหมคะเอางี้เลยอธิบาย9ชนิดเนี้ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับเอา9ชนิดนี้ไปต่อไปต่อมาแล้วมันจะครบสัก20 แต่ถ้าไม่มีเก้าชนิดเนี้ยไม่มีทางมียี่สิบได้ถ้ามีแค่แปดอย่างบางทีอาจจะได้แค่สิบกว่าชนิดนึกออกไหมคะก็จะไม่ครบยี่สิบนะคะแล้วโปรโตีนเนี่ยนะคะพอถึงเวลาแล้วเนี่ยก็คือร่างกายเราเอาไปใช้ใช้ใชใช้ใ ช, ใช้ถ้ามันเหลือโปรโตีนจะไม่แปลงกลับมาจากไขมันคือทุกอย่างจะแปลงเป็นไขมันหมดกินคาร์โบไฮเดรตเกินกินโปรตีนเกินกินไขมันเกินทุกอย่างก็เข้าไปเก็บอยู่ในไขมันเซลไขมันในรูปแบบของไขมัน จะแปลงกลับมาได้เป็นแค่กลูโคสเท่านั้นก็คือเป็นแค่น้าตาลเท่านั้นไม่มีสิทธิ์แปลงกลับมาเป็นอ้อมชาติที่แล้วเป็นโปรตีนเนอะอะกลับมาเป็นกรดอะมิโนโไม่มีนึกออกไหมคะกรดอะมิโ น, โนกินใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีการเก็บกรดอะมิโนในร่างกายเราเอาไว้นานขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็ไปเก็บนึกออกไว้คพอแปลงไขมันมาก็จะกลับมาเป็นน้ําตาลแล้วก็เอามาใช้เป็นพลังงานให้ร่างกายเราเนี่ยมีแรงสมองทํางานถูกไหมคะสมองกินอะไร น้ำน้ำตาลออกซิเจนนะคะไม่ได้ก็คือมันจะแปลงกลับมาแค่นี้เรามีหน้าที่กินให้พอแล้วแต่แต่ละวันที่เรากินเข้าไปนะเข้าไว้คะพอถึงเวลามันเกินเสร็จปุ๊บมันก็เอาไปไปไปโปรตีนกลับไปไปเป็นไขมันเนะะึกออกป่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นคือโปรตีนต้องทานให้พอไม่มีทางพอยละนะคะเราก็ดูชีวิตประจําวันของเรานานๆกินสเต็กทีหนึ่งถี่ไหมนะถึงแม้ว่าเราทานเนื้อทานเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้ยก็ทานหยิมเดียวอะ มือนึงเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะคะถ้าถ้าทานเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วทานเนื้อสัตว์ประมาณสามกรัมถ้าสมมุติว่าทานเป็นข้าวหน้าแบบข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบนี่ก็ประมาณหกกรัมใช่ไหมคะคือถือว่าน้อยมากเลยเราหนักเท่าไหร่ยิงเลินดาหนักห้าสิบสองใช่ไหมคห้าสิบสองกโลเนี่ยต้องทานห้าสิบสองกรัมทานสามมือเพิ่งจะสิบแปดเองเอาแบบแม็กแม็กอ่ะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราทานโปรตีนน้อยมากเราทานไม่มีทางพอเลย แล้วเราคิดว่าเราได้โปรตีนจากอย่างอื่นไข่ทันถั่วบ้างอะคะจริงอะคะทันวันละวันะกี่ถุงคะ okay. โอเคโอ้ยเยี่ยมมากเลยถั่วกับน้ำตาลพอๆกันเลยนะคะแถมไฮโดรเจเนตออยอีกนะคะ <laughs> คือไข่ันที่เราไม่ควรจะกินนะค ะ, คคะก็เนี่ยแหละอ่ะนะคะกง่ายๆก็คือลิสต์ของเราต้องห้ามนะคะก็คือพวกของขาวทั้งหลายน้ำตาลทั้งหลายนะคะแล้วก็พวกอาหารแปรรูปทั้งหลาย นะอืมแล้วก็เขาบอกว่าให้เราเนี่ยออกกําลังตอนนี้มัมีแบบแฟชท์ใหม่เรื่องการออกกําลังกายเขาบอกให้เดินเดินวันละหนึ่งหมืนเก้าเห็นไหมคะเขาจะมีพวกนาฬิกาหรือข้อเท้าหรือรอะไรพวกนี้ที่มันกําหนดว่าเราเดินไปกี่ก้าวให้เดินให้ครบหมื่นเก้าค่ะนะ 9, หมื่นเก้าโหเดินจากไหนไปไหนดีวะหมื่นเก้าเนี่ยอยู่ประเทศไทยก็บาถึงเดินเสร็จบุกซมหมดเลยก็เปียกมาหมดทั้งตัวร้อนนะหรือไม่ก็ฝนตก ก็ดีนะคะถ้าเราเดินได้หมื่นเก้านี่ก็ดีมากก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะนะคะเอ่ออ๋อเพื่อแสดงความเพื่อแสดงความ efficient ของร่างกายเราการวิ่งมาราธอนนะคะใช้พลังงานแค่สองพันหกร้อยกิโลแคลอรี่เท่านั้นสี่สิบสองกิโลวิ่งมาราธอนเต็มสตรีมสี่สิบสองกิโลใช้พลังงานสองพันหกร้อยแคลอรี่ก็กิน b ิ g m a ม2สองชุดเรียบร้อย นะคะใครอยากใครอยากกินบิ๊กแม็กวันละสองชุดนะคะก็ไปวิ่งมาราธอนวันละรอบสี่สิบสองกิโลนี่มันประมาณเท่าไหร่อะนะพอกินกินบิ๊กแม็กไปกินอะไรนะแม็กมิวใช่ไหมบิ๊กมิวไปเรียบร้อยนะคะก็วิ่งมาราธอนไปจบเข่าเสื่อมนะคะก็เลือกเอานะคะ แต่ว่าที่อันนี้คือคือยกตัวอย่างมาให้ฟังว่าแบบว่าร่างกายเรามีประสิทธิภาพมากการเดินหนึ่งชั่วโมงเผาผลาญแคลอรี่ได้แค่1้อยเก้าสิบแปดแคลอรี่แสดงว่าเราเดินหนึ่งหมืนเก้าสามสิบนาทีน ะ, ะเราเพิ่งเผาเผาคไไแคลอรี่ไปได้หนึ่งร้อยแคลอรี่กินโค้กกระป๋องหนึ่งร้อยสี่สิบโอ้ไม่ต้องกินสตาร์บัคเลยนะคะหมดสิทธิ์นะคะก็มี โอเคค่ะก็อย่างนี้เันจะบอกว่าเราย้อนกลับมาว่าถ้าวันนี้เราอยากลดความอ้วนนะคะสุดท้ายละ ว, วันนี้เราอยากลดความอ้วนหรืออยากดูแลสุขภาพดีกว่าบางทีเรนไม่อยากจะให้พวกเราเน้นว่ามันคือการลดความอ้วนเพราะว่าบางครั้งอย่างเงี้ยคนมองเรนจะถามว่าทําไมเรนต้องลดความอ้วนจ ร, จริงๆแล้วเรนอะต้องออกกาลังกายนี่คอะเพื่อกระชับสัสดส่วนเันจะบอกองนี้ก่อนอันดับแรกคือน้ําหนักตัวเราเนี่ย น้ำหนักที่เป็นกล้ามเนื้อจะหนักกว่าน้ำหนักที่เป็นไขมันเพราะฉะนั้นเนะี่ยเราอาจจะเมนเทนน้ำหนักปริมาณเดิมได้ในขณะที่เราไม่ออกกําลังกายแต่ว่าร่างกายเราเนี่ยไขยมันเยอะกว่ากล้ามเนื้อก็เยอะขึ้นแสดงว่าเราอ้วนขึ้นอย่างเรนเนี่ยก็คือไขมันเยอะกว่ากล้ามเนื้อแล้วตอนเนี้ยไม่ออกไหมคะไขมันเยอะกว่ากล้ามเนื้อมีข้อเสียยังไงนะคะมีข้อเสียตรงที่ว่าอย่างเช่นหลังใครที่ชอบปวดหลังตรงช่วงล่างเนี่ยนะคะก็คือกล้ามเนื้อท้องไม่แข็งแรง คือท้องเราเนี่ยมันดึงกล้ามเนื้อข้างหลังตรงนี้ซึ่งมันวิกอยู่แล้วแล้วมันก็จะไปทําให้น้ําหนักมันไปตกอยู่กับพวกหมอนรองกระดูกทั้งหลายสารพัดสารเพเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือหน้าท้องเนี่ยมันจะต้องเอ็กซ์ไซ์อยู่ตลอดเวลาทีนี้ทํายังไงให้มันแบบว่าเป็นธรรมชาติแล้วดิพูดเนี่ยตอนนี้นะตอนนี้เธอยังไม่รู้สึกเพราะว่าคือเนื้อหมายความน้ําหนักตรงนี้มันถ่วงปุ๊บเนี่ยใช่ไหมฮะน้ําหนักหน้าท้องถ่วงก็จะทําให้กระดูกช่วงนี้คือมันรับน้ําหนักอยู่แล้วแหละ แต่ถ้าเราไม่มีกล้ามเนื้อที่ที่ l o w back เนี่ยที่หลังชุดส่วนล่างเนี่ยมันจะดึงและทำให้สารพัดเสื่อมนะคะเยอะมากกล้ามเนื้อมีส่วนสำคัญในเรื่องของการนี่ทำให้กระดูกของเราเนี่ยและข้อต่างๆเนี่ยนะคะไม่ไม่สึกไม่เสื่อมเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องดูแลตรงนี้ให้ดีในกล้ามเนื้อนะคะที่เราพูดถึง c ซ a อใช่ไหมคะมันไม่ใช่สำหรับนักนักเล่นกล้ามอย่างเดียว เหตุผลที่เราให้เราให้ทานซียลเอในการบํารุงหรือรายการลดความอ้วนเนี่ยนะคะไปด้วยเพราะว่าณขณะที่เราเนี่ยต้องออกกําลังกายด้วยเป็นช่วงๆมันจะช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะเป็นตัวที่ช่วยเผาผลาญไขมันบางคนบอกว่าไขมันแปลงเป็นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแปลงไขมันไม่เป็นกล้ามเนื้อก็เป็นกล้ามเนื้อไขมันก็เป็นไขมันนึกออกไหมคะมันไม่มันไม่มันไม่มาแปลงร่างเป็นกันและกันแต่ว่าไขมันของเราเนี่ยจะถูกเผาผลาญ หรือว่าไอเซล์แฟตเซลล์ของเราจะเล็กลงได้นะคะถ้าเรามีกล้ามเนื้อเข้ามาช่วยเบิรนไอตัวหยดน้ํามันที่อยู่ข้างในที่อยู่ข้างในเซลลแฟตของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราออกกําลังกายกล้ามเนื้อนะคะจะช่วยเ ผ, ผาผลาญอีกส่วนหนึ่งร่างกายเราเนี่ยทานน้อยลงเนี่ยก็คือแคลอรี่ที่มันเกินอยู่มันก็จะดึงจากไขมันออกมาใช้เห็นไหมคะมันต้องทํางานร่วมกันเนาะมันแบบเหมือนทีมเวิร์ก อ, อะ่ะออกกําลังกายเพื่อดึงเอาแคลอรี่ออกมาใช้ สองก็คือกินแคลอรี่ให้น้อยลงเพื่อให้ใช้ของเก่าให้เยอะขึ้นทีนี้เนี่ยแล้วแต่ร่างกายที่เราอยากจะได้บางคนเนี่ยนะคะก็คือลดลดลดลงไปแล้วก็เหี่ยวเหียวไปอะ่ะนะคะพวกนี้ก็คือเป็นผู้ออกกำลังกายที่ไม่ได้ทำคาร์ดิโออะ่ะเอเอนะคะคือสังเกตยอย่างนี้นักวิ่งมาราทอนเคยเห็นรูปร่างนักวิ่งมาราทอนไหมคะเคยเห็นรูปร่างนักวิ่งร้อยเมตรไหมคะ นักวิ่งเหมือนกันเลยใช่ไหมคะแต่ต่างกันตรงไหนอะเอออย่างเขารู้สิ่งนโอ้โหแขุดมันแบบอย่างกันลูกปั้นอะเห็นนักวิ่งมาราธอนไหมเสื้อห้อยหอยตัวเหี่ยวเวิ่งมา <S 1> <S 1> เออตัวเล็กๆอะ่ะผอมๆอ่ะนะคะอันนั้นเนี่ยคือการแฟตเบอร์นิ่งเวลาเราวิ่งระยะไกลๆในระดับชา้าๆอย่างเงี้ยคือมันมีแฟตเบอร์นิ่งแสดงว่ากล้ามเนื้อทำงานน้อยลงนึกออกไหมคะ คือเราเบิร์นแฟตแต่เราไม่ได้ไม่ได้สร้างไขมันมาเบิร์นแฟตอย่างเดียวเราใช้เราใช้วิธีการวิ่งอ่ะในการที่เราเนื่องออกว่าการออกกําลังกายในการเผาผลาญไขมันและไขร่างกายส่วนเกินไขมันส่วนเกินแต่ว่าในการทําในการทาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่มันใช้ความเร็วะ่ะก็คือใช้กล้ามเนื้อที่ต้องเฟล็กซ์บ่อยๆที่ต้องเกร็งกล้ามเนื้อบ่อยๆก็จะทําให้กล้ามมันขึ้นนะแล้วกล้ามตรงนี้ก็จะไปช่วยเบิร์นไขมันส่วนเกินเพราะฉะนั้นจะเห็นซิกแพค นะคะเพราะว่าไขมันส่วนเกินที่มันพอกอยู่ตรงนี้มันก็ถูกเบิร์นไปหมดนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมีการลดสองแบบเพราเราทำเราอยากให้เราบาลานซ์ตรงนี้ให้ดีนึกออกไหมคะบางคนก็วิ่งอย่างเดียวเลยแล้วจริงๆการวิ่งเนี่ยมันไม่ไ ด, มไมได้มันไม่ได้เบิร์นคือสมมติว่าเราวิ่งนะคะผู้ที่ชอบวิ่งเทรลวิ่งบนบนบ น, บนสายพานเนี่ยวิ่งเสร็จแล้วในร่างกายเราเบิร์นไขมันแค่เบิร์นเบิร์นทุกอย่างไม่ว่าเราจะเบิร์นอะไรก็แล้วแต่ เ, ตเบิร์นเฉพาะตอนที่เราอยู่บนนั้น พอเราลงมาเสร็จแล้วในร่างกายเราเบิร์นต่ออีกนิดเดียวแต่เวลาเราสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะการเบิร์นเนี่ยมันจะต่อเนื่องคือณขณะที่เราลงมาจากการออกกำลังกายแล้วเนี่ยการเบิร์นยังเกิดขึ้นด้วยต่อเนื่องเพราะฉะนั้นในการทำออกกำลังกายนะคะก็คือต้องเลือกให้ดีนะคะแล้วก็อย่าทำเยอะเกินไปนะคะเยอะเกินไปก็สามารถสร้างให้เกิดอนุมูลอิสระท้าให้ร่างกายเสื่อมไปในทางอื่นอีก นะพอดีพอดีนะพอดีพอดีนะอดอดก็ one, วันเว้นวันเวลาสามสิบนาทีนะคะก็คือสามารถทำให้หัวใจแข็งแรงทำให้มีสร้างมวลกล้ามเนื้อลักษางมวกล้ามเนื้อได้เออมีอะไรอีกนะที่เรนอยากจะคุย <c oughs> อ่านะคะเทคนิคทานโปรตีนก่อนอาหารสักห้านาทีจะช่วยทำให้เราลดปริมาณการทานอาหารลงเพราะว่ามันจะไปหยุดศูญหิว คือพอเราทานโปรตีนเข้าไปให้เรารู้สึกได้ว่าเราไม่หิวแล้วแล้วก็เรามาดูอาหารในจานน่ะอาหารประมาณเนี้ยข้าวเนี่ยประมาณหนึ่งกำปั้นน่ะนะคะนี่คือแบบไม่นับเด็กกำลังโตเนาะเด็กกาลังโตกินได้เป็นกละมังเลยอะไรโตคะ่ะจมูกโตนะคะอืมนะะก็คือข้าวประมาณหนึ่งกำปั้นแล้วก็กับข้าว นะฮะพอประมาณนะคะให้เป็นผักสดผลไม้สดอย่างนี้นะคะหรือเป็นผักสดในการทานอาหารนะคะแล้วก็เนื้อสัตว์ที่ไม่ได้แปรรูป ก, ก็อย่าทานพวกลูกชงลูกชิ้นเยอะเนาะโบล็องโบลเลกเยอะแยะไปหมดเยอะเยะนะคะก็เออลองดูนะคะปริมาณแคลอรี่คือหรือไม่นิยมเรื่องการนับแคลอรี่เพราะเรารู้สึกว่ามันยุ่งยากเรืงคิดว่าแบบให้เราทานเนี่ยให้เรารู้ปริมาณ น, นะเช่นสมมติว่าเราทานปอเทตโตชิพเนี่ยเขาบอกหนึ่งเซอร์วิ คือเจ็ดแผ่นเคยเห็นไหมใครแม่งกินเจ็ดแผ่นได้รู้ไปไเลนเนี่ยถุงหนึ่งหนึ่งเซอร์วิงคือกินเจ็ดแผ่นนะไอแผ่นกลมๆนะเรากินประมาณเจ็ดซอง <laughs> กินเจ็ดแผ่นเนี่ยอย่างเงี้ยพอเวลาเราดูอย่างนี้แล้วเนี่ยคือให้เราแบบกินแค่แบบแค่พอหายอยากอะ่ะ อย่าต้องอดและทาให้ร่างกายเราโห่ยอะไรนี่คือเทคนิคของเรียนส่วนตัวก็คือเป็นเทคนิคที่เรียนรู้มาจากคุณแม่แล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรารักษาน้ําหนักของน้ําหนักตัวเราได้มาตลอดอะ่ะคือไม่ต้องแบบโอ้โหถึงขนาดอดอยากเห็นโค้กก็ไม่กินเลไอย่างเงี้ยเนออกะวะคือลิงก็แบบตอนหลังๆอ่้ก็ไปทานพยายามทานเป็นพวกโค้กซีโร่แต่โค้กซีโร่เนี่ยอันตรายกับตับไตมากกว่าโค้กธรรมดาอีกนเนออะวะคะเพราะว่าไอ้น้ําตาลเทียมที่อยู่ในมันเนี่ยอ่านะ เพราะฉะนั้นก็เลยทานโค้กมันเต็มเต็มไปเลยแต่ว่าเต็มเ็มนี่ม่ต้องเต็มแก้วก็ได้นึกออกไหมแบบว่ากระป๋องหนึ่งเทมาแก้วหนึ่งแล้วก็กินแค่พอหายอยากอะกินพอหายอยากเสร็จแล้วก็หยุดก็แทนที่จะกินร้อยสิบแคลอรี่ก็เหลือแค่เจ็ดสิใช่ไหมอ่าแล้วเราก็ไม่ต้องไปอดอยากอะ่ะแต่ถ้าเราเหลีกเลี่ยงได้ถ้าเราแบบไปทําใจกินอย่างอื่นได้ก็ดีผลไม้นะคะพยายามอย่า ก, กินน้ําผลไม้ให้เรากินผลไม้เป็นผลไม้เลย หนึ่งคือรักษาน้ําในร่างกายเราในะความสมดุลของน้ําในร่างกายได้แร่ธาตุได้วิตามินและแถมได้กากแต่ทานวิตามินถ้าถ้าเราคิดว่าจะทานน้าผลไม้จากน้ําผลไม้เลยอย่างเช่นเที่วขาคั้นกันสดๆเห็นไหมคะน้ํำพวกนี้เนี่ยคือมันจะกลายเป็นแคลอรี่ที่เป็นฟุกโตสซะเยอะวิตามินก็จะถูกทําลายไปส่วนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็อย่างส้อมอย่างเงี้ยนะจริงวิตามินมันอยู่ที่อ ย, ทอยู่ที่ฝอยมันนะอยู่ที่หามอยมันนะ ืมข้างนอกอ่ะใหญ่ๆมปน่ะแล้วก็อยู่ตรงแกนมปน่ะเนื้ออกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเรากินไหมไอ้นั่นอ่ะไม่กินอ่ะแล้วเวลาเราคันน้าเนี่ยมันอยู่ไหมไม่อยู่แล้วมันก็ถูกถูกทิ้งไปแล้วอ่ะสรุปแล้วเราก็กินเหมือนกินน้ำล้างจานอ่ะเนื้ออ่าเ้อวไม่มีประโยชน์แล้ทานที่ดีก็คือทานผลไม้แบบทานผลไม้เต็มๆไปเลยมีอะไรอีกนะคะเทคนิคนะคะอ๋อเพิ่ม วิธีการเพิ่มเมตาบอลิซึมตรงนี้นะคะส่วนสําคัญมากเพิ per ่มเมตาเพิ่มเมตาบอลิซึมก็คือให้เราซอยมื้ออาหารให้ทันถี่ขึ้นแต่ว่าให้มันเป็นปริมาณนะคือสมมุติเราคํานวณเอาสมมุติเราคิดอย่างนี้เราจะทานข้าวมื้อหนึ่งหนึ่งจานมีข้าวหนึ่งกับบ้นมีกับข้าวนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะให้เราแบ่งจานเนี้ยครึ่งหนึ่งแล้วก็ทานห่างกันสักสองสมชั่วโมง แต่สําคัญที่สุดสําคัญที่สุดคือทานอาหารเช้าตื่นมาปับ๊บซัดก่อนเลยอะไรก็ได้มันจะเริ่มทําให้ระบบเผาผลาญของเราทํางานบวกกับการลดละการโอกาสการในการเป็นอัลไซเมอร์ใช่ปะ่ะมันจะลดหลายอย่างมากเลยนะคือลดโอกาสในการเป็นอัลไซเมอร์ลดโอกาสในการเป็นโนรค เ, เสื่อมทางสมองทุกชนิดสองคือมันจะเริ่มสตาร์ทเครื่องเผาผลาญพลังงานในร่างกายเรา พอไม่งั้นร่างกายเราจะอยู่ใน fasting stage ใช่ไหมคะก็คือไอ้ที่เรนบอกอะอยู่ใน starve mode อะอยู่ในโหมดอดอาหารเนี่ยพอร่างกายเราอยู่ในโหมดอดอาหารมันก็จะกินพลังงานน้อยมากกินพลังงานน้อยมากแล้วก็ทําให้ m e t a บ o l i c ซึมของเราเนี่ยช้าลงเพราะงันการที่เราทานอาหารเช้าเนี่ยก็คือ s า a r t เครื่องก่อนเลยแต่เช้าเลยแล้วก็วิ่งเครื่องทั้งนี้ทั้งวันร่างกายเราก็จะเผาผลาญพลังงานทั้งวันตลอดเวลา ไปนีค่คือเริ่มต้นในการทานอาหารเช้าแล้วก็ซอยเมื่ออาหารให้เล็กลงแล้วทานให้ถี่ขึ้นถ้าสมมุติว่าเราทานอะไรที่แบบมันแบบมันง่ายกว่านั้นหน่อยอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่ข้าวราดแกงจานนึ่งอ่ะอาจจะเป็นแบบแซนด์วิชอันนึงแล้วก็กินแซนด์วิชครึ่งอันตอนนี้เนื่ออจากว่ากินสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงอีกอันกินสักบ่ายสามแล้วอย่าให้ตัวเองต้องหิวคนส่วนใหญ่เนี่ยคือรอจนตัวเองหิวพอเวลาหิวแล้วเกิดอะไรขึ้นคะเคยไปช็อปซูเปอร์ตอนกินหิวไหม ซื้อแม่งทุกอย่างเลยนึกออกว่ากลับมาบ้านกูนซื้อมาทำไมเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะเวลาเราเวลาเรากินตอนหิวเนี่ยเราจะกินเยอะมากแล้วเราจะกินแบบเคี้ยวก็น้อยเคี้ยวก็ไม่ไม่ละเอียดใช่ไหมคะเพราะรีบอะ่ะแล้วก็รู้ตัวอีกทีคือแบบโอ้ย ม, มันเป็นแบบนี้วะ <c oughs> ประสาทที่นี่เวลาสั่งมาที่สมองมันช้ามากนะคือมันยืดเยอะเกินไปแล้วแล้วเราก็โอ้กินเยอะเกินไปไม่ไหวแล้ว มันจะเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่าปล่อยให้ตัวเองหิวทานเนี่ยให้ทานแบบให้ทานให้ได้ทุกๆุกสามชั่วโมงไงนะหกมื้อเนี่ยสมมุติสามื้อกินก็ทานหกมื้อเนี่ยซอยออกมาถ้าสมมุติว่าเราจะไม่ทานแบบอาหารอย่างอื่นเราก็ทานเป็นผลไม้เป็นสลัดอะไรงี้แทนก็ได้ค่ะนะให้ซอยแล้วก็ทานมื้อให้มากขึ้นนะคะมื้อให้มากขึ้นทานกันสักสามสี่ชั่วโมงแต่พยายามอย่าปล่อยให้ตัวเองหิวเด็ดขาด วิธีง่ายอีกวิธีหนึ่งก็คือแก้วโปรตีนคือท่านอาหารน่าจะมื้อเล็กลงไปเลยนะคะแล้วก็เอาโปรตีนแก้วหนึ่งเนี่ยอกมาะชงโปรตีนสักแก้วหนึ่งแล้วก็กินร่างกายเราก็จะได้โปรตีนให้ครบถ้วนมากขึ้นแล้วมันก็จะไม่หิวด้วยนะคะโอเคนะโพสต์ชิอ๋แคลลออ่าเดี๋ยวจะ อ, อธิบายเพราะว่ามันเยาวมากเลยวันเนี้ยคือมันเหมือนวันสุดท้ายเนอะกลวทุกคนไม่คุ้มใช่ไหมไม่ใช่เรื่องมันเยอะมากนะ <c oughs> คออยีหลังจากหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องเรื่องเซนิโคแล้วเนี่ยหลายๆคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยมันมีตัวรีเซพเตอร์เข้าไปในท้องเราแล้วไปจับน้ำตาลหรือเปล่าอย่างแคโลอแคโลเนี่ยนะคะคือไม่ทำอะไรกับร่างกายเราเลยอะไรที่มาปรับที่ร่างกายเราคือเวลาเราจะทานยาอะไรสักอย่างหนึ่งนะช่วยธนูนาถามหมอตงวลงมันปรับกลไกลของร่างกายเราหรือปรับปรับกลไกลของอะไร ถ้ามันปรับกลไกลของร่างกายเรานะคะพยายามหลีกเลี่ยงในการทานหรือทานให้น้อยหรือว่าไม่ทานเลยก็ยิ่งดีเซนิเคิลเนีเ่ยมันไปปรับคือยังไม่ได้เล่าเล่าไม่จบก็คือแม่เลี้ยงหลรนคนหนึ่งนะคะก็ไปทานเซนิคิลเพราะอยากลดความอ้วนก็คือเขาขี้เกียจอะ่ะทั้งนวดมาลีฟรานส์ทั้งนึกออกไหมคือแบบกินอาหารกินยาอะไรอย่างเงี้ยลดความอ้วนก็ไปบำรุงร่าดทานเซนิคิลอยู่นานมากประมาณปีกว่า แล้วก็คือเหมือนใส่ใส่ผ้าทำไมเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นถาวรอะยาวอะ่ะเพราะว่ามันจะต้องมันจะต้องไหลลมอ่ะเป็นน้ำมันอย่างเงี้ยตลอดไปเลยสุดท้ายแล้วนะคะเกิดเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นคืนคอไทรอย่์เสียหลังจากนั้นคือบวมไปเลยอ่านะคะไทรอย่์เสียถามจริงเถอเะโรงพยาบาลรับผิดชอบไหมคะเวาลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไม่รับผิดชอบก็มารักษาไทรอย่์ต่อไงหมอมีงานทําต่อ นะคะก็อย่างนี้แหะคะ่ะเวลาเราทานยาในยามีผลข้างเคียงคือปรากฏว่าร่างกายเขาเนี่ยไม่ขาดวิตามิน A D E K ที่ละลายในน้ำทั้งสี่ชนิดแล้วอะไรก็ตามที่เป็ น, นกลไกเกี่ยวกับเรื่องนี้คือผิวพรรณทุกสิ่งทุกอย่างคือโซมหมดเลยลดความอ้วนสำเร็จแต่แถมโรคไทรอยไปด้วยอีกหนึ่งโรคนะคะต้องกลับไปฉีดยา ก, กระตุ้นนะคะก็หลายสิ่งหลายอย่างมากนะคะเาก็ลงทุนไปเยอะมากกับความงามของเธอนะคะแต่ว่า นี่ก็คือหนึ่งเรื่องแคลลของเราค่ะแคลลแคลลเนี่ยมีน้ํามันมีมีสารสกัดจากถั่วเหลืองและถั่วขาวสองอย่างนี้นะคะตัวนี้เนี่ยคือสุดยอดมากๆสาหรับคนชอบทานแป้งน้ําตาลขนมเค้กทางที่ดีคือไม่ทานใช่ไหม <S <S แต่ว่าทางที่ดีก็จะไม่มีความสุข <S <S ใช่ไหมคะอ่านะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเดินบาลานซ์เนาะกินบ้างนะเฉพาะวันเกิดเพื่อนๆ อ, อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วเราก็ต้องไปเราก็ต้องไปกระตุ้น News Tavern นะคะให้เขาเปลี่ยนแป้งเป็นแป้งไม่ขัดขาวแล้วเป็นน้ําตาลทรายแดงใช่ไหมคะใช้เนยจริงไม่ใช้เนยเทียมอ่าแล้วอย่างเงี้ยเราจะได้กินได้นานๆนะคะฮึใช่แล้วก็ใช้น้ําเครื่องกรองน้ําด้วยเออนะกันบ้านโอเคเอ้ยไม่เป็นไรเราได้ส่วนลดเอ้ยโอเคนะคะ เอ่อถึงไหนละแคลโลค่ะโอเคคือตัวแคลโลเนี่ยสุดยอดมากๆเลยไอถั่วเหลืองกับถั่วขาวเนี่ยนะคะเรนนตอนนี้ตอนนี้จะไม่ได้ว่าตัวไหนไปจับตัวไหนแต่ว่าตัวหนึ่งจะไปจับแป้งที่เป็นโมเลกุลโมเลกุลเยอะอีกอันนึงจะไปจับแป้งที่เป็นโมเลกุลคู่นะคะโมเลกุลคู่นี่คือซูโครสซูโครสเนี่ยน้ำตาลที่เราตักใส่ก๋วยเตี๋ยเนี่ยคือซูโครส เพราะฉน้ําตาลที่เรากินเข้าไปทุกชนิดนะคะรวมทั้งแบบพวกไฮฟุกโตสอะไรพวกนี้ยไออคอนซีรัปทั้งหลายเนี่ยเราทานไอตัวแคลลเข้าไปเนี่ยมันจะไปจับตัวนี้ไว้ร่างกายเราเนี่ยมันแปลกมากมันจะเป็นตัวเมื่อเีาคว่าคือเราลองนึกถึงภาพ Termin ินเอร์ใช่ไหมคนเล็กอะ่อเะเวลามันสแกนหน้าตืดตืดตดืเป็นสี่เหลีย่ยม อ, อีการที่ดานะอะไรเงี้ใช่ไหมสแกนอีประพาพรอ่าเรียบร้อยใช่ป่ะเป็นอย่างนี้ ร่างกายเราเนี่ยอยู่ในท้องเรามันก็จะสแกนนะอุ้ยโมเลกุลนี้ซูโครสอุ้ยโมเลกุลนี้คาร์โบไฮเดรตพอมันสแกนปุ๊บมันก็จะทําการส่งเอนไซม์ไปย่อยย่อย่อย่อย่อยไปสับอะใช่ป่ะนี่คือการทํางานร่างกายเราแต่ว่าอีแคลโรนี่มันฉลาดมากเลยมันก็มันลงไปละลายในท้องเราเสร็จเรียบร้อยพอมันเจอคาร์โบไฮเดรตปุ๊บมันก็ไปเกาะพอร่างกายเราสแกนปุ๊บอีนี่ใครอ่ะนึกออกป่ะไม่รู้ไม่รู้อีนี่คือคาร์โบไฮเดรตก็ไม่สับ ไม่ตัดร่างกายเราก็ผ่านระบบออกมาทางอุจจาระเลยเมื่อไว้คือมันไปไ ป, ไปปอมตัวไปใส่หน้า ก, กากให้อ่าไปใส่หน้า ก, กากให้เสร็จเรียบร้อยมันก็ไม่ย่อยพอมันไม่ย่อยเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็ออกมาเลยร่างกายเราก็ไม่ได้แคลอรี่ส่วนเกินจากตรงนี้ประมาณสามร้อยถึงห้ารอยแคลอรี่แล้วแต่ปริมาณเม็ดที่เราทานพเพรอใช้มือนั้นถ้าเรารู้หูมือนี้พาสต้าล้วนๆเมืเอ่อไะแป้งทั้งนั้น ขนมปังเอยพาสต้าเอยเหลือข้าวเคบ้าบออะไรอย่างเงี้ยเราอยากกินเราก็ทานในแคลลเข้าไปสักสองเม็ดถึงสามเม็ดแล้วแต่สองเม็ดนี่ก็ประมาณสามรอยกิโลแคลอร์เก็แบบข้าวสักเท่ากับข้าวสักจานเนืงอเนาะข้าวจานหนึ่งก็เท่ากับว่าเราจะไม่ได้แคลอรี่ส่วนเกินจากแป้งในส่วนเนี้ยนะมันก็ช่วยเราช่วยเราลดแคลอรี่ที่เรารับเข้าไปในร่างกายนะคะโดยที่ไม่ทําอันตรายและไม่ ทำให้กลไกลในร่างกายเราเพี้ยน mm hmm. อาหารเนี้ยสุดยอดค่ะแกวโลนะคะมีเซ a อนะคะ p พ s ิ t รีมเนี่ก็คือแทนอาหารมื้อหนึ่งเหมาะสมมากๆสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะคนไม่มีเวลาเนี้ยซัดไปเลยหนึ่งซองนะคะกินเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแฮปปี้เอนดิ้งนะคะเราไม่ต้องห่วงเรื่องการกินอาหารในมื้อนั้นนั้ น, น, นแล้วเพราะว่าในสารอาหารครบทุกอย่าง5 ห, หมู่ในความบาลานซ์ที่เหมาะสมสาหรับชาวไทยนะค ะ, นะคะก็มี อ๋อตัวเพิ่มเพิ่มเมททาบลิซึมนะคะ3ตัวทำให้เมททาบลิซึมของเราเนี่ยทำงานได้อย่าง alert กระชับกระเฉงนะคะไซบิรีนจินเซงใช่ไหมคะกับจิงโกลบิโอบารก็คือแคโคเอนไซม์คิวเทและดับเบิลเอ็กซ์รวมกัน3อย่างนี้นะคะจะช่วยให้ระบบเผาผลาญของเราเนี่ยคือเริ่มต้นกลับมามีชีวิตชีวาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ <c oughs> โอ้วันนี้ได้หัวข้อมันทําไมมันดูยืดยาวยืดเยื้อะนะคะแต่ว่าสนุกไหมคะสนุก <c oughs> สนุกไหมคะโอเค okay, นะคะก็ลินคิดว่าตอนนี้นะก็หมดแล้วนะคะในเรื่องของเ อ, อสุขภาพทางเรื่องของภาพลักษณ์นะคะภาพเรื่อ ง, องร่างกายของเรานะดูแลเชฟการออกกําลังกายก็สําคัญนะคะอย่างที่ลินบอกว่าคืออย่าคิดว่าอาหารเสริมช่วยๆได้ทุกเรื่อง นะคะแล้วตัวเราเองเนี่ยก็ต้องมีสติในการกินนิดนึงนะคะคือแบบว่าจะกินมั่วซั่วแล้วหวังว่าสุขภาพจะดีไม่ได้แต่อย่างที่ลินบอกว่าถ้าเราไม่ทานในพวกไขมันเลวร้ายกับน้ําตาลเลวร้ายทั้งหลายเนี่ยน้ําตาลและแป้งเลวร้ายทั้งหลายเนี่ยโอกาสที่เราจะอ้วนแบบผิดปกติอ่ะไม่มีหรอกเม<ส>ื่หรอกไหมคะเราอาจจะขึ้นขึ้นล ง, ลงลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราทานอาหารนะคะอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็เราทําทานอาหารเช้าไม่แตรบริสุทธิ์เมื่อเราทํางานดีขึ้นเนี่ยคือเราเริ่มต้นให้มันทํางานแต่เช้าเลยเนี่ย มันก็จะเผาผลาญได้นานขึ้นแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยคืออยู่ได้อยู่ในรูปร่างที่เหมาะสมสวยงามได้อย่างนี้นะคะส่วนสําคัญก็คือออกกําลังกายเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เป็นออกกําลังกายแบบที่เราคิดการยืดเส้นยืดสายนะคะการ stretch อะคือทําอะไรที่แบบว่าร่างกายเราต้องทําอยู่แล้วเช่นก้มๆเงยๆนะคะยกแขนยกขายอย่างเงี้ยนะคะเวี่ยงแขนไปมาอย่างเงี้ยโดยที่มันไม่ใช่แขว่งแบบไม่ไม่มีสตนินึกออกปะแกว่งแบบ คือคือเกร็งนิดนึงเงี้ยหรือแม้กระทั่งการยืนขมั่วพุงเงี้ยนะคะมันก็สามารถที่จะช่วยสร้างกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกายได้นะก็ อ, อย่างนี้แหละก็ะคือสิ่งที่อยากให้พวกเราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เราสามารถไปดูแลคนที่เรารักได้และเข้าใจนะคะในเรื่องของยาในเรื่องของการใช้น ะ, ะไปหาแพทย์เรื่องของหูเยอะแยะมากมายที่มันแบบจริงๆแล้วเนี่ยทำลายเรามากกว่าทําให้เราดีขึ้น นะคะก็อยากให้พวกเรานะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงร่วมกันนะคะและคิดว่าในเดือนกันยายนนะคะเราก็จะมีหลังจากที่ดินกลับมาจากอินเดียก็คงจะมีคอสนี้เปิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งน ะ, ะใครที่อยากมาเรียนชดเชยส่วนที่ตัวเองขาดไปนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะชวนเพื่อนและคนที่เรารักมาเรียนนะคะก็ยินดีมากๆน ะ, ะส่วนวลาอื่นนะคะในระหว่างนี้เราก็มีคอสจันทรุสุขใช่ไหมคะคอสจันทรุสุก ข, ของเราก็จะเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิด เกี่ยวกับเรื่องสินค้านะคะสินค้าว่าสินค้าพวกนี้เนี่ยสามารถทำให้เรานะคะสุขภาพดีดูแลสิ่งแวดล้อมของเราดูแลบ้านของเราดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับรอบๆตัวเราเนี่ยความสวยความงามอีกอย่างหนึง่งวันนี้เนี่ยเราด้วยไม่ได้มีเวลาพูดถึงเรื่องของผิวพันกันเลยนะคะเพราะว่าแค่ลดความอ้วนกเออ็เยอะแล้วเนาะอืม แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสวยนะคะจากภายในเนี่ยก็คือประมาณ 70% แต่ความสวยจากภายนอกเนี่ยนะคะเพิ่มได้อีก 30% แล้วถ้ามีความสามารถในการแต่งเติมนะคะสร้างรูปหน้าของตัวเองได้ใหม่เนี่ยนะคะก็จะทำให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นเพิ่มขึ้นไปอีกจากไอ้ร้อยเปอร์เซ็นนี้โอ้ยนะคะใครไม่เชื่อมาดูรูปสมัยก่อนเลยนะคะจะรู้ว่ามันการแปลงร่างมีจริงนะคะ ไม่ต้องผ่านมีดหมอด้วยนะคะก็มีเรื่องของคอสดูแลอคอสดูแลผิวพรรณแล้วก็การสัญยกรรมโดยที่ไม่ต้องผ่านมีดหมออีกคอสหนึ่งนะคะคก็อยากชวนพวกเรามาเรียนด้วยกันเพราะว่าสนุกมากๆเลยบางค น, เ, นเรียนออกไปแล้วก็ไปไปทํางานทางด้านแบบนึกออกไหมคะทางนั้นเออเป็นเมคอัพอาร์ติสเลยเพราะว่าแบบไปแก้รูปน่งรูปหน้าถ่ายคนลงหนังสือนิตยสารกันเยอะแย ะ, ย ะ, ยะนะคะหรือไม่เราแค่ทําให้ตัวเราเองสวยขึ้นก็โอแล้วอะ จริงไหมคะก็มีเรื่องนั้นแล้วก็มีแนวคิดด้วยนะคะทุกวันศุกร์นะคะก็อยากจะชวนเพื่อนๆพือนชีวิตเครียดชีวิตยากทำยังไงให้ชีวิตง่ายนะคะก็มา True Friends ดีไหมคะดีแล้วก็มาเจอกัน d r e a m e r เออนะคะแล้ววัเราพบกันสวัสดีค่ะ จัวใจ